อา่ารย์พรท่านสาธุชนพุทธบอษัตว์ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านคเคยในก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรา ไ, ได้มาร่วมสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมระดับต่างๆทุกท่านก็สามารถเข้ามาถามได้ถ้าต้องการจะถามถ้าไม่ถามก็ดูผ่ัย นอกห้องได้คือดูในไลฟ์สดของ youtube หรือของ facebook ได้ก็ได้หลายทางด้วยกันถ้าเข้ามาในห้องก็ต้องรอคิวมันตามลำ ด, ำดำับมันแรกท่านแรกคืนนี้ก็คุณปุญญาณุตคุณปุญญาณญญาุชัยรูปภาพสมณะมัสการพระอาจารย์ค่ะพูดนามหน่อยได้ไหม รูกมากาลนามัส ก, การพระอาจารย์ค่ ะ, ะไม่มีคำถามไม่มีคำถามนะโอเคปฏิบัติวีปฏิบัติช้านะโอเคคุณซาตกาคารประจําวันนี้มาฟังท้ า, าคุณครารประจําค่ะเรียบร้อยดีนะไม่บุ่นวายสงบไม่ค่ะปฏิบัติต่อเรื่องค่ะมาจา่ะเข้าใจโลกดีนะเป็นโลกของไตายักนะ ค่ะเข้าใจครับน้ำยศสารเสริญสุดนี่เป็นปลายลัทธิเจลาไมีเสื่อมเป็นธรรมดาคไมีเกิดไม่หยักเป็นธรรมดาเงั <g> ้นไปที่ท่านต่อไปคุณหมอพี่เชษชินคุณหมอพี่เชษกล่าวแล้วสุการณ์พระอาจารย์ครับอาจารย์ยินไหมครับได้ยินชัดเจนคุณหมอ วันนี้ไม่มีคำถามครับแต่ว่ามากับพระอาจารย์วมื่อเช้ายมได้ฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ผ่านทางยูท b e ในหัวข้อเรื่องอ่กิจในอริยสัจสี่ครับพระอาจารย์ก็ยมได้ตั้งใจฟังแล้วก็ไดเ้เข้าใจในอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยในรถมักได้ดีมากขึ้นมากเลยครับพระอาจารย์แล้วก็ทำให้โยมมีความอ่ ศรัทธาและก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นหนทางที่นำไปสู่การดับกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริงครับอาจารย์ดีมากคุณหมอขอให้ทำปฏิบัติให้ได้สิ่งที่เราต้องเจริญให้มากก็คือมรรคมรต้องเจริญให้มากถ้ามีมรรคเราก็จะสามารถรู้ทุกได้รู้สมุทยได้รู้นิโรธได้ทานิโรธาแจ้งได้ นณาสไทยได้แค่นี้ ง, ไงไ่ายๆระยะสัสส้นสิแค่นี้ไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มันวมกว้างไปก่อนนี้ก็ได้ถ้าไตไปเดียวทั้งหมดก็มารวมลงที่บ้านระยะ ส, ส, สั้สิครับอาจารย์แล้วก็ช่วงวันหยุดสงการสามสี่วันนี้โยมได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านคนเดียวครับอาจารย์ก็เลยตั้งใจรักษาศีลแปดว่าที่ผ่านมารักษาศีลห้ามาก็ประมาณสักหกเดือนแล้ว ก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสรักษาศีลแปดในช่วงวันหยุดสงการสามสี่วันนี้นะครับก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้มีเวลาที่จ ะ, ะปฏิบัติธรรมไดทั้งวันตลอดเวลาไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกับเราครับอาจารย์ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับอาจารย์แล้วก็น้อมนำคำสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติทารศีลภาวนาอย่างต่อเ น, นื่องครับอาจารย์ พยายามควบคุมความที่แท้ไหยุคดความที่แท้ไดแ ล, จจแล้วใจจะเบาจะสบายครับอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรไครับในจิตใจที่น้โมต่อน้โมเหยืะที่กรุงเทพหรือน้โมใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เข้ามาส่งกันบ้านแล้วก็มาขอพรแล้วก็มีคําถามมาถามค่ะอาจารย์ถามาเลย ก็คือที่พระอาจารย์ให้การบ้านเรื่องแรกก็คือเรื่องปฏิบัตินะครับก็ได้กลับไปฝึกปฏิบัติแล้วแล้วก็พอไปฝึกพัฒนาเรื่องสติอะ่ะพระอาจารย์ก็ทําให้เราเหมือนมีสติมากขึ้นค่ะพอาจารย์แล้วก็สงบเวลาที่นั่งสมาธิมันจะมีความสุข ก, กว่าไปทําอย่างอื่นแต่ว่าพอออกจากสมาธิหรือการฝึกปฏิบัติติมาแล้วนะครับมันทําให้ผมเนี่ยจิตใจมันไม่สงบเหมือนแบบว่า ความคิดก็ไปนูน่นไปนี่ไปคิดเรื่องนูนเรื่องนี้ครับผมก็เลยเราเราปล่อยสติมันก็ไปคิดเลยเราต้องออกมาทำรักษาสติต่อไปผมก็เลยพยายามแทรกผมก็เลยพยายามแทรกการจลนสติเวลาใช้ชีวิตประจําวันครับเช่นเวลาไปออกเดินออกําลังกายก็จะพยายามรู้ท่าครับรอาจารย์ก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับแล้วมันก็ช่วยให้เราไม่คิดถึงเรื่องอากาศร้อน นะครับเวลาออกไปเดินนะครับอต้องอย่าทิ้งสติก่อนนั่งสมาธิหลังนั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธินี่ต้องมีสติระดับเท่ากันตลอดเวลานีย่ยไม่ใช่เอาแต่เวลานั่งสมาธิก็ ส, สติขึ้นไปเต็มลแล้วพอออกจากสมาธิก็มองเหลือที่ศูนย์ี่ไม่ได้นะมันก็ต้องคุมตอบไป ถึงมาอะไรออกจากสมาธิแล้วเราไปทำอะไรเราก็ต้องมีสติ ค, คอยคุมจิตให้ดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้เข้าใจนะของการใช้สติมันต้องเจริญตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ผมสังเกตตัวเองครับว่าเวลาที่เรานอนฟูกกับครับพระอาจารย์มันฟูกแบบฟู ก, กับพื้นนะครับพระอาจารย์ผมรู้สึกเหมือนว่ามันสามารถพอพอเราตื่นปุ๊บมันพุดโถได้เลยแต่ว่าพอผมมานอนเตียงแบบเตียงธรรมดาครับอ่ารู้สึกเตียงสูงสูงะครับพระอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่ามันใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับกว่าจะรู้ผุดโทผมก็เลยพยายามช่วงนี้เปลี่ยนมานอนฟูกแทนครับ นอนทูกงเหอใช่นนครับเป็นท<น>ุ่กปูกระเพืานะครับทุ่งทุหนามากไหมไม่ไม่ค่อยหนาครับอาจารยอย่าหนามากนะพ อ, อ ก, การความเย็นได้ก็พออย่าให้มันสบายเดี๋ยวมันจะนอนมากเกินไปอาจารไม่ที่ไม่ให้นอนทูกดแล้วหนาจรื่องใหญ่ใหญ่มันนอนสบายแนละ้วมันเวลาล่างกาย ได้พักผ่อนพอตึงนได้มาแต่ใจมันจะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อแต่ถ้ามันนอนบนพื่อนแข็งๆมันจะไม่อยากจะนอนต่อเนั้นเราไม่ต้องใช้ฟูกได้ไหมปู ด, ด้วยผ้าด้วยด้วยด้ว ย, ว ย, วยเสื่อด้วยอะิญญาเดี๋ยวมันจะสบายกันไวทำฟูกนี่ฟังแล้วน่ากลัวอภิญญา แล้วก็การบ้านที่สองครับพระอาจารย์เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ให้มาก็คือเรื่องของความกตัญญูครับก็พอได้นำไปฝึกปฏิบัติครับพระอาจารย์ก็ไม่ไม่เถียงแม่เลยครับแม่แม่สั่งอะไรก็ทำครับพระอาจารย์ก<ช>็<ล>ทำให้เรากับคุณแม่ก็รักกันมากขึ้นแลวก็ไม่ทะเลาะ ก, กันครับกอนที่เราไม่เรื่องเกิคบุณของพ่อแม่เนี่ยทำให้เราเนืเอ้อ ไม่แสดงความเคารพไม่ให้ความประทังอยู่ไม่ไม่ตอบแทนพวกคุณทุกท่านแต่ถ้าเรามาันระึกอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้มาได้ก็พ่อแม่พ่อแม่แม่สร้างเราขึ้นมาเลี้ยงเราขึ้นมาเราเป็นหนี้อย่างมหาศาลกับพ่อแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้เราต่อไปเวลาเราโตขึ้นแล้วเราเลี้ยงดูพ่อแม่ แบบท่านไม่บนบาันไรให้ท่านอุจจาะปัสสาวะใส่ตัวเราเพราะคุณของท่านก็ยังใช้ไม่หมดอันนี้นี่คือทั้งคนอันยิ่งใหญ่พ่อแม่ที่เราไม่ควรที่จะลืมเราคิดว่าพ่อแม่เขาเป็นเหมือนกับคนใช้เราเป็นคนมาส่งเราให้มาอยู่ในโลกนี้เขาไม่เรียกเราก็ได้ แต่พขาไม่อยากจะเลี้ยงเราเอาข้อออกมาก็จับไปทิ้นทางก็อยากก็จับใส่ถังไม่ติดมัดไม่ได้ไหายใจก็ได้ครับอาจารย์แล้เราเห็นความเสียสละของพ่อแม่ที่มีกับเราแล้วจะทําให้เรานี่รัพกพ่อรักแม่เคารพพ่อเคารพแม่มาไม่มีใครในโลกนี้ทําอะไรให้กับเราได้เท่ากับพ่อกัอขอขอขอแม่ งั้นการที่เราไปเถียงกับพ่อแม่ไปดื้อกับพ่อแม่นี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ก็ก่อนนอนก็พยายามที่จะกาดเท้าคุณพ่อคุณแม่ครับแต่ว่าเพราะว่าผมจะนอนเร็วกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับก็บางทีก็ท่านก็จะนอนดึกนะครับก็เลยกาดเท้าคุณยายแทนครับนอกจากของเราโดยที่ไม่ต้องระกอดที่หน้าท่านก็ได้กางจากนี้เพื่อให้เรา ล่ำลึกถึงพระคุณของท่านกานนอนนี้ปกติเราจะการาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เกี่ยวกับกากาบพ่อกับแม่ไม่ใช่ไหมครัว่าต้องไปกราบที่เท้าท่านหรืออะไรต่างต่างนกราบเพื่อให้เราล่ำลึกถึงพกะคุการาบเพื่อแสดงความเคารพเวลาเราเจอท่านเราจะได้ทําตัวให้เราเคารพเหมือนตอนที่เราการาบท่านนั่นเวลาการาบไม่ต้องไปไม่มีกราบจำเป็น ต้องไปกราบท่านเวลาจะไปนอนนอกจากว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็จะไปนอนก็กราบท่านก็ได้บอกผมจะไปนอนแล้ครับท่านาาท่าน <p' ot S 2> ไม่ไท่านไม่รู้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอคุณยายท่านจะนอนเร็วครับแล้วก็ตอนเรากาบท่านท่านก็หลับแล้วครับโอเคอเ ค, ครับพระอาจารย์ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับพระอาจารย์คือเอ ผมอยากไปกราบพระอาจารย์ที่เขาชียวนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็อยากไปอยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปใส่บาตรพระอาจารย์นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดผมต้องเออไปหาข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ที่ไหนครับอาจาร ย, เยระะลล์เดี๋ยวคุณลาจะส่งข้อมูลมาให้เดี๋ยวเปิดแชทไว้เดี๋ยวเวลาจะบอกวิธีติดต่อขอข้อมูลจากคุณลาที ท, ท, ทั้งทีมงานของเราก็มีหลายท่านที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆตอนนี้ก็คุณลาน้องพร้อมเดี๋ยวคุณลานจะสง่งแชทส่งข้อขอวามไปในแชทท่านทั้งหก็สามารถที่จะอหาและติดตามได้พหาเราก็หาได้ตอนตอ น, ตอนที่เป็นตบาดเนียที่สนุกที่สุดเพราะช่วงนี้วันเราก็จะอยู่ในกติไม่อยากจะเอกมา ข้างนอกครับอาจารย์ก็ไม่รับแขกที่ปติจะไม่รับแขกเขียนป้ายกับแม่ไม่รับแขกเพราะถ้ารับแขกแล้วคนมาได้ตลอดเวลาโดยการนั่งเราจะไม่มีเวลาไป็นของตัวเราเองก็<ม>ต้องให้มีเวลาถ้าอยากจะพบเราก็ตอนเช้าช่วงบิณฑบาตในช่วงเนี้แล้วถ้าวันธรรมดา เราลงศ า, าลาก็หลังจากเป็นจบายก็จะมาฌานที่ศาลาเขาว่ามาพบที่ศาลานะแต่ต้องไม่วันธรรมดาไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วันอยู่ราชการหรือวันท้ายยังไม่ได้ลงศาลาอาจารย์เพราะว่าผมกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าผมปิดเทอมอาจ อ, อาจจะชวนครอบครัวไปค่ะอาจารยแ์แล้วแต่นะเราเข้าใจก็แล้วแต่เราสะดวกกว่าเรา ก็ต้องมาอยู่ในกรอบเวลาที่บอกไว้นะได้าามาน<ะ>ัดพบกันในที่นี้สลือกที่สุดพบในสูงสามชั่ออาหให้เต็มที่เลยเราคุยกันพร้อมๆกันเด็กอบคนนี้นมาชุดหนึ่งไปแล้วอีกคนอีกชุดหนึ่งเข้ามาโอ้ยมันสองสามชุดก็หมดเวล้เป็นสองสามชั่วโมงนะครับอาจารย์แล้วก็คําถามมีคําถามหนึ่งครับอาจารย์คือ คุณยายอะครับคือท่านก็ปฏิบัติทุกวันนะครับแล้วท่านจะส่วนใหญ่ปฏิบัติตอนกลางวันนะครับพระอาจารย์แต่ว่าตอนกลางคืนท่านจะเหมือนชอบดูรายการทีวีอะครับอาจารย์อยากจะขอวิธีพระอาจารย์ว่าจะแนะนํายายยังไงว่า เรามาฟังธรรมะนอนกันดีกว่าเพราะว่าผมเองก็อยากนอนกับคุณยายอะค่ะแบบว่าไปนอนห้องเดียวกันเพราะว่าหนึ่งคือจะได้ประหยัดค่าแอร์แล้วสองก็คือเราจะได้มาฟังธรรมะก่อนนอนกันแต่ว่าเหมือนคุณยายจะดูทีวีแล้วถ้าคุณยายดูทีวีผมจะนอนไม่ได้ครับเพราะว่าบางวันผมต้องไปโรงเรียนนะครับพระอาจารย์มีวิธีไหนที่จะเกลี้ย ก, ก่อนคุณยายบ้างไหมครับเอออย่าไปเกี้ยกล่อนท่านเลย แล้วก็ออกมานอนข้างนอกก็แล้วแต่ไม่ต้องไปนอนกับท่านนะถ้ามันเป็นปัญหาอย่าไปอย่าไปผูกตัวเรากับคนอื่นนะเราควรที่จะอยากไปยุ่งกับคนได้ดีกว่าถ้านอนแล้วมีปัญหาก็แยกอกมานอนร้อนหน่อยก็เป็นตัวนอนกับพื้นจะไม่ค่อยร้อน บางทีกะลองนอนแบบไม่เปิดแอร์ดูบ้างครับอาจารย์จะได้ตัดกิเลสมั้งคร่ะตัดกิเลสมันะทีมันไม่นอนก็มันพอเวลานั้นหลับนี่มันไม่รู้เรื่องก็หนอนด้วยหนาวะมันเชื่องแค่ก่อนก่อนจะหลับใชยเราก็ใช้พุโทโธพุทโธใช้แทนแอร์ได<อ>้เวาจะนอนถ้ามันนอนก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปแล้วก็ เ, เรียนแล้วนอน อาจารย์แล้วก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยครับอาจารย์เลยอยากมาขอพอรพอาจารย์ครับอันนี้แหละพรนั้นยิ่งใหญ่ก็คือคําสั่งสอนของพระเจ้ญญาที่เร า, าฟังตอนนี้ค่ะเป็นพรประเสริฐที่สุดเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงการบอกว่าขอให้คนณมีครัมสุขนี้มันเป็นเพียงแต่ความปรารถนาซึ่งเป็นเหมือน คำพูดเปล่าๆไม่ทําให้เกิดความสุขความจเจริญขึ้นมาได้ความสุขจริจะได้ชร้อย้งเกิดจากการปฏิบตัติตามคําสอนของพระอาจเจ้าเช่นละการกระทำบาปทุกปรงการสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร่อชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วความสุขความเจริญอันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอาจารย์ครับ ได้ครับแล้เดี๋ยวผมจะลองติดต่อพิลาไปครับ <_ S 1> ครับับกขอบคุณค่ะอาจารย์ครับอ่ะอาทิตาอาทิตาออเรลกลับมามสื่อการต่างอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างก็คือจะมารายงานผลของการบ้านที่อาจา ร, รย์มอบให้พนักงติดที่แล้วครับเป็นยังไงไม่พูดโกหกคิดก่อนพูด แล้วก็แฟมบ้านใหม่ก็คือให้สดมอนก่อนนอนกลับพ่อแม่ก่อนนอนครับแล้วก็ไม่เถียงพ่อแม่แล้วก็ทําตัวเป็นเซิร์ฟวนของพ่อแม่ครับอ่นั่นดีไหมทาได้ไหมทำได้ครับทำสุนร่วมกับพ่อแม่ทุกวันครับทำแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไหมในทย่างนี้แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นครับ ก็ดีพยายามทําไปตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่ <Yeah. S 1> ทาแค่อธิสองอธิแล้วก็ลืมนะ <Okay. S 1> พยายามทําให้ได้ตลอดชีวิตไปเลยครับครับอัน <c oughs> ต่อไปก็ขยายนอกจากไม่ไม่พูดติดแล้วก็อย่าไปเอาของของคนไหน <Okay. S 1> ที่เขาไม่ให้เราเขาต่างๆแต่ไม่จะเป็นของพ่อแม่กต็ต้องขออนุ ญ, ญาตครับ <c oughs> ไม่หยิบของคนอื่นโดยที่เจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตถ้าเขาบอกเขาพูดไม่ต้อง้าแล้วอาจารย์อะไรก็หยิบได้ได้ถ้าเราไม่ได้พูดเนี่ยทุกครั้งที่อยาจะเอาของเขาต้องขออนุญาตขอควที่ได้ไหมควานี่ได้ไหมถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าเอาหาเอาเองบ้างหรือถ้าไม่ได้หาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาอะไรก็ได้ ค ว, ความจริงเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากมนะีกข้าวกินไปวันวันวนึงก็พอแล้วนะรูปมากเราไ ม, ไม่ไม่ได้ทําให้เราเป็นความสุขทําให้เราทําให้เราเครียดอยากจะได้เรื่อยๆพอไม่ได้เราก็จะเสียใจนพยายามลดความอยากต่างๆอย า, อยากได้อะไรพ่อแม่ก็เห็นว่าเราไม่มีเขาจัดมาให้เราเอง ดีกว่ให้พ่อแม่เขาหาให้เราโดยที่เราไม่ต้องขอจากพ่อแม่ดีถ้าทําได้จะจะเก่งแสดงว่าเรามีความอดทนเรามีความนักน้อยสัมฤทธิ์จำได้สารมั่น้ อ, นนอยแปลว่าไม่ต้องไม่ต้องการอะไรมากต้องการสิ่งที่จําเป็นจริงๆสิ่งที่ไม่จาเป็นไม่ต้องมีก็ไม่เอาก็ได้เช่นเกมคอนโซลอะไรเนี้ย ไม่มีมันก็ไม่ตายไม่ก็ไม่มไม่ต้องมีมันใช่ค uh ่ะนะพ่อแม่เขาเมตตาก็าอยากจะซื้อให้เราก็เป็นเรื่องครับ uh huh. มันเกิดเราถึงวันอะไรพ่อแม่ฮะซื้ออนี้ให้มันหน่อยเลยแม่ไม่ขออะไรเลย uh huh. พยายามอยากขอนะอยากจะได้อะไรก็ห า, หาเอาเองครับทํางานทํา รับรับจ้างอะไรบ้างก็ได้ถามแม่มีอะไรให้รับจ้างไหมได้แม่เอาเงินนี้ไปดซื้อของที่เราอยากได้ครับจ้างล้างล้างชามรับจ้างซักซื้อผ้านับจ้างวาดบ้านถูบ้านก็ได้เราจะได้เห็นคุณค่าของเงินทองว่ามันมาไม่ได้มาแบบง่ายๆเราจะไม่ได้ไม่ใช้เงินทองแบบซู้อรุยสู้อาย ทุกครั้งที่เราจะใช้มันก็ถึงคำคำเตือนการหามีคําว่ามันเป็นเของยากต้องเหนื่อยเหนื่อยต้องทํางานมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับไ ม, ม่ไม่มีครับจะทำต่อเลยวนะันนี้ฝากการบ้านบ้างน้อยสังโดชนะตอนไม่ได้ยุ่งอยากไปขออะไรจากพ่อแม่ได้นะ ถ้าไม่ไมถ้าไม่เป็นของจำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องขอครับยินดีตามมีตามเกิดและรีกสันโดษครับ Happy with what you get Be thankful for what you have and more นแะแล้วจะมีความสุขไม่ต้องไปคอยขออุ่นขอนี่แล้วก็ เวลาไม่ได้ก็โกรธพ่โกรธน้าเสียใจใช่ไหมเคยโกรธพ่อไหมเพาะเราขอแล้วมันขอดี่ไหมขอขอไปเที่ยวช่วงนี้ขอไปเที่ยวพ่อแม่ไม่พาไปก็โกรธพ่อแม่ใช่ไหมไม่ต้องขออะไรนะจะจะไม่มีความทุกใจขอแล้วไม่ได้จะทุกใจถ้าไม่ขอแล้วเวลาข้อ เขาพาเราไป้เราจะดีใจโอ้อยู่เฉยๆก็ <manchmal nossa orous> ได้ไปนู่นมานี่ดีกว่านะหลังไปนี้อยาาพยายามอย่าขออะไรจากพ่อแม่ของานได้ขอทํางานพ่อแม่มีงานได้ผมทําไหมเวลาจะขอเงินพ่อพ่อหน้าก่อนจะเอาเงินได้ขอขอขอช่วยใช้เงินด้วยการทํางานอะไรฉันอย่างขอได้ไหมได้คร่ะเยน่า ขอบครับขอบคุณพระพ่อขอบคุณทุกานครับโอเคฮะเื่อนถึงวาริชานวริานามรงคาบธรมาการครับหลวงพ่อก็วันนี้ขอถามเรื่องเอ่อผมตอนนี้เหมือนจิตใจมันกุ้มกับเรื่องจะจัดระเบียบชีวิตตัวเองอะไรต่างๆครับเมื่อจัดไปมันก็แบบมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอึดอัดบอกไม่ค่อยถูกครับหลวงพ่อ ก็กิเลสมันไม่ชอบการระเบียบมันชาบมันชอบทำตามมาลงอยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ทำชีวิตอะไรเ็แวงไปแวงมาเหมือนเรือไม่มีหางเสือการจัดระเบียบนี้เป็นเหมือนกับการมีหางเสือมาคัดเรือให้วิ่งไปในจุดในในทิศทางที่เราต้องการให้มันไปมันก็ต้องมีงความาเครียดความความโดยถาดขึ้นมาเป็นน แต่ต้องเห็นมองถึงผลที่จะได้จากการจัดระเบียบว่าชีวิตของเราจะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นตามแบบอือยจะเป็นแบบเรือไม่มีหางเสือเพราะเนี้ยะครับสังเกต ด, ดูเรือไม่มีหางเสือมันจะไปทิศทางไหนได้มันก็ต้องไปตามน้ําตามโบกครับเรือที่มีหางเสือก็สามารถคาดตั้งว่าเราจะไปทิมดีทิมดีมนก็ไปนะมันมีเครียดแบบ จะไปตรงนี้แต่มันไม่ได้แบบพี่ไปมันก็แบบเหมือนแบบอยากไปตรงนี้แต่ว่าจัดระเบียบแล้วมันไปไม่ถึงหนึ่งคนให้แบบขงเขาใจเย็นๆสิใจเย็นๆกรุ ง, ง, งรูไม่ได้สร้างไปในมันเดียวนะ <Okay. laughs> เราทําหน้าที่ของเราก็าแล้วมันจะถึงไม่ถึงจะได้ไม่ได้มันไม่ต้องไปคำว่าทําเหตุอย่าไปแทงที่ผลอย่าไปในที่ผลทำปุ๊บจะได้ปั๊บไม่ไดนะ้ไม่ได้เนาะไม่ได้หรือ มันให้ทำไปเรื่อยๆมันกดดันตัวเองเกินไปแล้วพอไม่ได้มันก็ <c oughs> แก็ถ้ามันรู้สึวกว่ามันกดมากก็ลดระดับลงหน่อย <c oughs> แสดงว่ากำลังเรายัางมีไม่มากพอไฟขยับไปขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้น <c oughs> อย่าเอาแบบก้ากระโดดดูกาลังของเราด้วยดูกำลังของเราด้วย หมายความว่าต่อให้เราบบตั้งเปาว่าฉันจะทําให้ได้แต่ว่าทําไม่ได้มันก็ไม่ถือว่าปิดสัจจะใช่ไหมครับแบบนี้แบบแบบมันทําได้เพีงแต่ว่าทําในกําลังของเรา<อ>ไมตั้งให้มันเกินกําลังของเราแล้วทําไม่ได้แล้วเอาจากน้อยไปหามากก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีกําลังเท่าไหร่ก็เอาเอาเอาเอาระดับที่ง่ายขึ้นไปก่อนแล้วค่อยค่อยเพิ่มให้มันยากขึ้นไปอย่าเน้นเท่าหน่อย เอการการจัดระเบียบก็ผมก็พยายามจัดระเบียบ แ, แต่เรื่องทางโลกนี่มันเมืมเ่อเรื่องทางโลกมันไม่ค่อยมีเรื่องไหนอยู่กับปัจจุบันเลยครับมันก็แบบมีเนี่ยตื่นแต่กำหนดเวลาตื่นเลยกำหนดเวลานอนนี่ก็ระเบียบนะไม่ใช่ปล่อยไ ป, ไปตามอารมอยากจะนอนกี่ทุก็นอนแต่างจะตื่นยี่โมงก็ตื่นีแสดงว่าไม่มีระเบียบโยงเยินกินนอนกัาไปโยงงกินนอนไหมจัดระเบียบ เอาแบบมันอยู่เราเป็นพระในการเขาเระเบี่ยงตื่นเวลมันนั่นแหละเหมือนกันจับพระหรืว่าไงกินนอนเขามีเวลาทุกอย่างเวลากินเวลานอนเวลาอาบน้ำเวลาอะไรครับเมื่อเราจัดระเบียบตัวอะไรไม่ได้ก็ต้องไปให้เขาจัดระเบียบให้กับเราโอครับก็ก็จัดไปแล้วมันทําตามที่จัดไม่ได้มันก็กดดันจัยก็โอเคครับจะค่อยๆทำไปมันทําจากน้อยไปหามากโอเคครับ <Okay. S 2> สวัสดีปีสวัสดีปีใหม่หลวงพ่อครับขอให้หลวงพ่อเอ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบพระคุณ <Okay. S 2> มากครับหลวงพ่อขอได้ก็ดีนะายอยู่ไปไม่ตายได้ไหมขอไม่ได้เออ ไ, ไ, ไม่ได้ก็เอาตามมีตามเดิมกันนะครับอเคคุณชาิตต์่เนส่วนที่ไหนคุณชานิตต์กาลสมัต ครับคับสมรสมรถกรรมหลวงพ่อครับตอนนี้อยู่ลัดบุรีครับอยู่ดําภอหัวก่อนก่อนหน้านั้นอยู่พระขนงครับเ อ, อมีครั้งที่แล้วเหลวงพ่อได้เมตตาพูดถึงเรื่องออการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าผมได้ปรึกษาหลวงพ่อว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งที่ไม่สบายแล้วรัวเขาจะเสียนะครับแต่ตอนเขาเสียเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ก็เข้าใจเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับแล้วก็ก็ ก็รู้ว่าการเกิดการแก่จะตามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของของโลกนะครับแต่แต่ทุกค น, ก ค, นครับแต่ปัจจุบันก็ยังรู้สึกคิ ด, ค, ดคิดถึงด้วยด้วยความที่เป็นเพื่อนนะครับผมว่าครับก็อันนี้ก็เลยคำมาฟังมีมีเพียงเท่านี้ครับครับผมถ้าคิดแล้วมันทําให้เรางมีสติก็คิดไปเป็นการเตือนสติว่า เ, าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามเขาครับผมครับครับอาจจะได้ไม่ต้องับ มาเรื่องขงการตายนี่เป็นการทำให้เราไม่สมหวักับชีวิตเราจะได้เอาเวลาของชีวิตนี้มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ปวยให้ไหไปกับเรื่อไว้สาระทั้ายอย่างที่คนในโลกเขาทกันทหมปลยไปกับการวิภากวิจารณ์ไปทะเลาองแวาทกันสากันตาจากันมาได้ประโยชน์ครับผมครับขอบพระคุณครับกรรมสั วันยินดีจาก USA South Carolina เดวิดกลับสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์เพคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์เขา thank you Nessie โบกูไม่มีคำถามค่ะลูกไม่มีคำถามค่ะวันนี้ค่ะมาปังไปะค่ะขอบคุณมากเลยจะได้เจอกันก็โอเคแล้วนะ ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอพรสนะอาจารยันนี้กลับบ้านแล้วอยู่ที่ไหนกลับกลับบ้านค่ะช่วงสงกรานต์กลับมาปีกวิเวกที่บ้านเพรา <laughs> ที่บ้านจะไปะยากเหมือนกันค่ะพรานอาจารย์คะหลวงพ่อว่าคือกลับมาคราวนี้ยก็คือว่าไปที่ที่เขาชีโอนเนี่ยสงบคือเห็นเห็นใจอ่ะสงบกว่าครั้งแรกๆคือมันรู้สึกเหมือนกับเราเข้าใจว่ามันสงบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลับมาบ้านก็ยังคงความสงบได้ ครั้นี้ก็อยากจะเรียนถามผ้าจานนะคะว่าวันวันศุกร์ที่ออกมาวันสุดท้ายเ่ยค่ะก็ก็เดินออกมาประมาณตีห้ากว่า น, นิดนิดแล้วก็ขิวกระเป๋าเลยออกมาแล้วก็ไม่ได้ช็อปไม่ได้ใช้ไฟฉายนะคะแล้วก็เดินลงมาก็มองพยายามมองงูเพราะว่ามันมันมืดแต่ครั้นี้มองมองไปไ ม, ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าเจอกวางเขาเดินขึ้นมาเหมือนก็นจะรุมหัวเลยแต่ว่าเราอ่ะใจเราปุ๊บเนี่ยใจเรามองที่ใจตัวเองเลยก็ดูว่ามันสงบแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่นะอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเรากลับมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือการดูใจของเราเวลากระทบกับเ อ, อสิ่งข้างนอกใช่ไหมคะพะัดจันคือดูว่าใจมันมันนิ่งอะไรอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะนี่การดูใจหรือเปล่าคะใช่ใช่หรือว่าใจเรามีปฏิกิริยาหรือเ่าซึ่งทำตามที่พระเจ้าสอนให้ศักดิก์สิลงค่ะก็คือเราต้องฝึกดูใจแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะพะัดจันคือดูเดู ด, ดูด้วยโมเบคาให้ใจเป็นโมเบคาตลอดนั่นแหะ เพราะเห็นแล้วก็ถ้าไม่เป็นโเบตค่ะเราใช้สติเรืปัญญาในการค่ะเพราะมันมีความมันมีความนิ่งอยู่ก็เลยเห็นแล้วก็เฉยเก็โอเคแล้วแล้วก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือตัวเราเองเหมือนธรรมชาติพระเจ้าตอนกลางคืนที่เดินเนี่ยมันเห็นเห็นดาวเห็นอะไรคือรู้สึกได้ว่ามันสงบแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเป็นมิกับพวกสัตว์ทั้งหลายมันเหมือนกับรับรู้อารมณ์เขาได้เหมือนกับว่า เป็นใจมันเหมือนเ ร, เรารู้ใจว่าเออมันเหมือนกันแหละเพียงแค่เขาเป็นร่างนั้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกดีมากรู้สึกว่ามันมันอัพขึ้นมาได้ดีมากอาจารย์เราเรานี่ยตัวเมียนว่าตายเกิดด้วยกันต่างภูตต่างชาติต่างเท่านี้ <c oughs> แล้วก็เป็นโลกจิตที่เยังติดอยู่ในวาัฏสงสารด้วยกันค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้ฟังที่พระอาจารย์วันจันทร์ที่เขาซีอโอพระอาจารย์พูดถึงเรื่องหนังสือไวอหลังใช่ไหยคะ ก็เลยกลับไปค้นเพราะเคยอ่านตอนที like uh ่ปีสี่เจ็ดออกมาเล่มแรกของท่านทุธาต์ก็ซื้อมาแล้วอ่านตอนนันไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกดีก็เก็บไว้ใต้ลึกเลยแล้วพอพระอาจารย์พูดปุ๊บก็ได้กลับมาบ้านก็มาอานค้นอ่านพระอาจารย์เขาอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นหนังสือภาวนามยาปัญญาไหมคะพระอาจารย์พออ่านแล้วมันเข้มงวดมากกว่าที่แล้วคือมันพูดเกี่ยวกับระดับธรรมชาติของจิตนะครับค่ะ ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแต่ที่ท่านพูดว่าไม่มีต้นโพไม่มีกระจกแปลว่าก็คือสิ่งนี้คือแปลว่าเราอ่ะเราต้องพยายามค่อยๆล้าค่อยๆปล่อยพวกกิเลสมันก็จะกลายเป็นไม่มีต้นโพไม่มีกระจกถูกไหมคะพระอาจารย์โดยที่เราดูใจแบบนี้เนี่ยอันั้นเราต้องปฏิบัติไปอันนี้เป็นเป็นปริศนาธรรมที่เราต้องใช่ใช่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็พอเข้าใจเดี๋ยวก็ปฏิบัติคือไว่หลังนี้ คืออาจารย์เองวิรัตท่านสังคปรียายกห้าท่านอยากจะทดสอบลูกศิษย์ว่าใครจะเป็นผูวที่รับู้ธงรมนะก็เรยบอกว่าให้เขียนถลอกมาให้เราอ่านหน่อยอย่างธรรมชาติของจิตมันเป็นยังไงมีสิทธิเอกของท่านถ้าเขียนว่าอจิตนี้เหมือนกับตะเกียงมีมีโป้ไฟมีตัวตะเกียง ที่เราต้องคอยขัดเรื่อยๆมันถึงจะได้ใ ส, สจะได้สว่างถ้าไม่เชนนั้นล่ะเดมันก็จะถูกควันทําให้ดาหมองคล้ำไม่สว่างสวัยทงนี้วิ่งหลังไม่ได้เป็นทั้งบวชรู้สึกว่าเป็นคนตัดเฟินตัดเฟินยังไงเนี้ยอ่านหนันงสือไม่ออกเลยแล้วก็สั่งรู้สึกจะคนเฟนมาให้ที่ที่วัดเนี่ยแล้ว เ, เห็นก้าวติด ฉลองนม่ไหวก็ถามไม่อ่านอีกไม่อ่านไม่เป็นเนี่ยไม่อ่านไม่เป็นอ่าถูกไม่ออกใช่มีคนมีคนมีคนอ่านมีคนมีคนท่องอ่ะแล้วท่านก็ได้ยินแล้วก็เลยถามว่าอัลละโฉลกอะไรแล้ท่านก็เลยแก้ให้ท่เลยแกบอกว่าเจ็บเป็นความว่างแล้ไม่ต้องขัดไม่ต้องถือไม่ต้องอะไร ถ้าเราทำตอนนั้นตายเลยเพราะมันต้องถึงขั้นขึ้งบนก่อนใช่ไหมพระอาจารย์ใชมันต้องอยู่ที่ขั้นขอ ง, ขของ <c oughs> แา่ละคนได้ขั้นของส่ขั้นขางสี่เนยก็ยังต้องขัดอยู่จะเป็นขั้นสมาธิอยู่ต้องคอยขัดอย่างนี้แต่จิตของเวรหลานได้เขาหลุดแล้วเขาจิตเขวาว่างเขาไม่มีอะไรที่จะไปเกาะไปติดไปอะไรที่จะไปทําให้จิตของเขาเศร้าหมองเ <c oughs> มื่อไม่มีเมื่อไม่มีไม่มี ก็ไม่มีตะเกียงก็ไม่ต้องไปขัดไปถูวหามันเสียเหมือนที่ท่าะะร้านอะไยถ้านราจะพูดว่าเสร็จแล้วเกียตแห่งพรหมจรรย์ผุ้สิตามรมจรรย์ไยังเกียตแห่งพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงนะไม่มีกีดรตอื่นใดที่ต้องทำตามไปเกิยรติอารยศีลได้ทาสาเร็จ น, ทำทำนะ ทุกได้กำหนดลูกนะหน้าสมุทัยได้ละแนละ้วเมื่อรอดได้ทําให้แจ้งนะมักได้เจอเจริญได้อยา่างเต็มที่นะเมื่อเสร็จเกี่ยนในอายาศีลมันก็ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปเพราะไม่มีไม่มีอะไรต้องทําเมื่อลากคิเลสได้นเมื่อไม่มีทุกก็จะไปทำอะไรเข้าใจอาจารย์อันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้อ่านหนังสือจะได้เข้าใจว่ากวามเป็นนามเป็นยังไง เข้าใจอาจารย์ก็ทำต่อตอนก่อนตอนที่เราเริ่มบวชใหม่ๆตอนที่นั้นอยู่วันนอเราอยู่ในห้องสนุกนอนอยู่พักอยู่ในห้องสมุดห้องสมุนที่เป็นห้องเป็นภาษาหนังสือภาษาอังกฤษนะแล้วพระตากชาไม่ทราบเก็ไม่ได้หนังสืออะไรามาเยอแยะเลยแล้วไปเจอสองเล่มของเซนเนี่ยขเมื่อยหลังเล่มหนึงแล้วก็ของหลวงปูคนอ๋อ oh, หลวงปอ๋อ oh. อันนี้ก็กเป็นคล้ายๆเป็นปรัจญาเนปรัชญา แล้วก็สนุกดีสนุกดีแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องแต่เขาจะไม่ได้บอกวิธีการปฏิบัติท่าน <c oughs> ไม่บอกค่ะแต่ท่านพูดถึงภาพว่างนะคะคือพออ่านบเนี้ยรู้เลยว่าเอ้ยคือจริงจแล้วคือมันต้องกูเบคหาปะคือมันคือภาวนาเมตตาปัญญาพระอาจารย์เพราะตอนนั้นจํำได้ว่าอ่านเราไม่รู้เรื่องคืออ่านแล้วมันรู้สึกดีมันเออเออมันก็เข้าใจแต่ว่าไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้มันคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจว่ามันรู้เรื่องมากขึ้นมาอาจารย์มันต้องมาสติประฐานสีมันถึงจะปฏิบัติถูกอค่ะ ถ้า ม, มีสเตประฐานสีค่อยๆง ง, งมันจะปฏิบัติยังไงใช่ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยทําให้แบผบผมว่ามันปีนึงที่ผ่านไปรู้สึกเลยว่าแบบมันมันเห็นใจตัวเองมันมันมันมันมันเห็นทางมันเห็นทางแล้วมันมีกําลังใจในการเดินอ่ะพระอาจารย์รู้สติค่อยๆเดินไปเดินเดินไปเดินเรื่อยๆค่ะดีมากครับต่อไปนะทนําต่อไปครับพระอาจารย์คะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกชายอยากมากราบกลับมาเดี๋ยวจะสอบเอ็นอะอาจารย์มาประาศหน่อยมาเร็วเนี่ย เราก็ต้องดูสอบก็ต้องดูทังเสียงทั้งการเราไม่สอบไม่ได้หรอกนะดูดูไม่ยอมนอนนี่หรอกดูไปเรื่อยๆนะดูเยอะๆแล้วก็จําให้ได้แล้วก็จะสอบได้แต่การเราอย่างเดียวมันรับประกันได้ไม่มีวันที่จะสอบได้อัตตาฮิอัตโนนาโถนะตอนบป็นที่พึ่งของตอนเรื่องการเรียนนี่ไม่มีใครเรียนแทนเราได้ค่ะพระอาจารย์ Okay. สาธุขอบพรนะคุณครับยมเยิงวิลายพา อ, า อ, าอนกอตมรัฐมนตรสายสอง <c oughs> ค่ะกล่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, าาคะวันนี้มาสวัสดีปีใหม่ไทยพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่เป็นล่มโพล้ลมใจแล้วให้ลูกหลานได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไปนานๆ น, น, นะคะ <c oughs> ไม่ไปไหนนะอยู่บ้า น, น, าน อ, อยค่ะยังไม่ไปค่ะแต่คิดว่าน่าจะไปชะอํำค่ะพระอาจารย์เพาะมีบ้านอยู่ที่ชะอําค่ะ ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะขอกลับเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะพระอาจารย์ถ้าเราจเจริญสติตลอดเวลาค่ะเเมือ่อเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโยมโยมโยมสงสัยแล้วโยมก็เลยไปให้คุณหมอกระดูกตรวจร่างกายอะค่ะเพราะว่าโยมมีความรู้สึกว่าเวลาโ ย, ยมเดินลุกหรือว่าเอี้ยวตัวหรือหันซ้ายหันขวาโยมจะได้ยินเสียงกระดูกเด้งก็ก็ก็ก็ลั่นตลอดเลยอะค่ะโยมก็เอ๊ยว่าโยมกระดูกเสือ่อมหรือเปล่าโยมก็เลยไปตรวจร่างกายแต่ คุณหมอก็ดูบอกว่าปกติทุกอย่างค่ะพระอาจารย์มันเกี่ยวกับการที่เราจะเริญสติแล้วทําให้เรารับรู้ความรู้สึกภายในใ่ไหมคะพระอาจารย์ก็มีสว่วนขาดปัญญาถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องไปหาหมอเสียเวลานามการก็นามการมันเป็นอนิจจังมันก็ต้องเสียงไปตามการตามเวลาของมันเนี่ทุกที่เลนเราถูกกิเลนเรามีสติแต่ไม่มีปัญญา เพราะมันมันกลอกแบบผี่ปกติมันกลอกกลอกกลอกกลอนีอาจารย์เลื่อนแบบกัวขึ้นมาละกัวขึ้นมาใันใช่มันเจ็บใชก่อนใช่แล้วใช่ไปทํำมันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่ฉันไม่รู้สึกว่าไปทําอะไรทําไมอ๋อแค่แค่สงสัยว่าเราจะเลื่อสติทําให้เราเราเราสติเราดีหรือว่าเราผิดปกติหรือว่าปัญญาต้องใช้ปัญญาด้วยสิค่ะอาจารย์ค่ะเวลากิเลนนั้นเข้ามาแล้วไม่ใช้ปัญญาสู้กัน อ๋อนี้คือกิเลสใช่กเลสกลัวไงกลัวตายกลัวเจ็บกลัวร่างกายนั่นก็ยังไงอ๋อค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าพิจารณารางการมันเป็นอนิจจังมันต้องเสื่อมไปตามตามเวลาของมันหรือตั้งคืออาจจะมีเหตุที่ทําให้มันเสื่อมก็เป็นเรื่องปกติเือนกันไม่ต้องไปหาบอกให้เสียเวลาถ้ายังสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติปกติเลยค่ะไม่ถ้าไปทําไมแค่สงสัยนะคพระอาจารย์ว่ามันให้มีปัญญามันก็สงสัย ก็มีปัญญามันก็ไม่สงสัยบัญญาก็บอกว่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาค่ะั่างกายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาโน้มน้นตรวจไปไม่ได้ตรวจมลทุกคืนเลยค่ะบทพิจารย์สังขารเนี่ยค่ะความตายตรวจตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ง้นสอบตกแล้วค่ะถามว่าแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้เรียกลูกน้องมาค่ะ แล้วก็บริจาคเสื้อผ้าหมดสี่ตู้เลยค่ะพระอาจารย์ขอบออขอบขอให้เขาไปแจก ช, ชาวบ้านค่ะใช่เก็บไว้ก็ไงมีประโยชน์นะใช่ค่ะยังยังเหลือยังเหลืออีกค่ะเพราะว่าลูกน้องบอกว่าเหนื่อยแล้วซ้อขอวันหลังมาขนเไปไม่จางหมดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วต่อไปก็จะจะเอาเปี่ยนวันนี้ตัดให้ขาดค่ะจะไม่ชื้ยนะคะพระอาจเร็์เท่าที่ยังมีเท่าที่จําเป็นยก่อใช่ค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่มองไปซื้อใหอ่ถ้ามันค่ะค่ะ ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะกาบน้องมทาการเสะขอบคุณที่อาจค่ะพระอาจารย์ค่ะเกขอเช่นชมอนุโมทนากับน้องนโมด้วยนะคะน้องนโมเขาโชคดีมากๆได้เจอพระอาจารย์แล้วเขาก็ได้ฟังคําสอนของพระอาจารย์น้องเขาน้องเขามีบุญมีวาสนามากๆเลยค่ะพระอาจารย์น่าราไม่มีเลยมีค่ะแต่ว่าโยมมาค่ะพระอาจารย์เมื่อยุ่งห้าสิบแล้วอะค่ะห้าสิกว่าแต่น้องนโมเขาเพิ่งน่าจะสิบกว่าพระอาจารย์ไม่ทำงานหลัจิตไม่ไม่มีอายุจิงไม่มีอายุอย น้องเขาเามีความคิดตั้งแต่เด็กอะค่ะพระอาจารย์เพราะนั้นน้องเขาสุดยอดเลยค่ะเชื่อชมเชื่อชมน้องเขามากมากเชื่อชมพ่อแม่เขาด้วยค่ะดีโอเคศาสทุกโมทนาศาสทุกหญิงหญิงอยากให้หลานเป็นอย่างน้องน้โมจังเลยโยมอยากให้หลานเป็นเนน้องคนเราคนเราเหมือนกันนครับเรียนนานาจิตต์ตาเชื่อชมน้องเป็นเหมือนผลไม้แต่ละคนก็อาจจะเป็นส้มเป็นกล้วยเป็นมะละกอและในแบบกันค่ะอาจารย์ค่ะ ขอให้พระอาจารย์ส้ข้าวแข็งแรงนะคะสาธุาธาาาค่ะพระอาจารย์ค่ะสวัสอาจารย์พรุ่ง้อะไรอยู่คครูหูอยู่ป่าเมื่อนอนนะอยู่ค่ะ<ไ>กลับนมัสการาค่ะอยู่ค่ะครูคหูครูหูรออยู่ค่ะวันนี้ไม่ไม่ไปไหนคะ่ะพันวันสงการก็เลยกลับกลับนมัสการ<ม>ากันคราวนี้ทุกนกากับอยู่ภาวะปกตินะเนี่ยนป่กันได้ ปกติมาที่เนค่ะค่ะแล้วมีอาการตกค้างไหมหลังจากที่หายมาเมื่อเสร็จมีอาการตกค้างอะไรปกติเลยค่ะอไม่มีเพราะว่าเราเป็นกันแบบอ่อนๆนะค่ะเพราะเราไม่มีใครกันค่ะก็ปกติเลยค่ะทีนี้ก็สบายใจได้แล้วมีทุกพุรกันไม่แน่ใจเห็นเขาขู่กันอยู่ว่ายังติดได้อีกนะคะ อก็เลยมันก็มันติดได้หลายเขาไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะรางการมันรู้รู้จักวิธีรู้จักกันก็หวังว่างั้นแหละค่ะเอาวันนี้มันมันมันปีใหม่ไทยก็เราก็เลยได้ได้กราบแม่กันนะลูกๆทุกคนก็มากราบพี่ใหญ่ก็จําได้นะคะพอเห็นขันเงิน ใส่ดอกไม้มานะคะก็จําได้ไม่งั้นก็จะแบบเฉยๆนะค ะ, อะพะอะเห็นก็เลยก็นึกออกแล้วก็เลยรู้สึกมีปลับปลื้มทั้งแม่ยังจําได้ซึ่งธรรงานียไทยทํามเนียมไทยมันทํามเนียม ท, ท, ที่ดีใช้ด้วยทําวมะทุกอย่างนี้มีธรรมะเป็นตัวผลักดนะันการทํางานไทยเราได้ค่ะแม่เป็นคนจิตใจงามค่ ะ, ะเป็นผู้ให้ทั้งชีวิต สาธะไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะนวักการค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าไปไปกล่าวสาามต่อไปคุณมอสุทัศ น, นีบปตรทมุที่ลึกสามาฟังไปแล้วหรือไปแล้วเจ้าค่ะไม่มีคาถามเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไปที่จินแดงสุสุภาดาดูดอนธานีน้อมักการค์ระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ไม่มีคำถามค่ะคไปที่คุณกำมบลต้องเกียร์ับอาจารย์อยู่ที่ไห น, นข้างศิษข้างในกร่าวนามาสการพระอาจารย์ค่ะได้เข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะ ม, ะมีคือพวกพวกหนูมาจากอขอนแก่นค่ะแต่ว่าช่วงสงกรานต์นี้ก็ได้มีโอกาสมาภาคตะวันออกวันนี้ก็ อยู่ที่ชนบุรีก็ตั้งใจที่จะใส่บาตพระอาจารย์วันพุงนี้เช้านะคะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ า, าพุงนี้พระอาจารย์หลังจากบิณฑบาตแล้วพระอาจารย์จะได้ลงสาราฉันหรือเปล่าคะเพราะว่าก็มีโอกาสเดินทางมาทางนี้เราก็อยากจะไปก่าบพระอาจารย์ด้วยอะคะ่ะนอกจากใส่บาตแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะว่าทังจาก ดันินสบากลับมาที่วัก็จะกลับมาฉายท่ไม่ได้ลงสาาจะลงเฉพาวันธรรมดาวันที่ไม่ใช่เป็นวันหยุดป็นเสาร์ที่หนยวันพระแต่ก็กลับที่ที่ที่รถก็ได้จากบินมาสายก็การโยนก็จะมากาศแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรกันที่เราะเชิญแรกก็พิที่ ที่ะค่นก็คือเวลาเสร็จจากวินดาบาันขึ้นใจนั้นก็ขึ้นรถตอนนันญาติเด็กที่ใคอยากจะมากรามาอะไรมาคุยก็เข้ามาช่นนันได้อ๋อตอนที่จะขึ้นรถกลับวัดใช่ไหมคะถ้าใช่ไปสุดทางสุดทางวินดาบาวินาบาบเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าพวกหนูอยู่ทางต้นทางค่ะ<ม>ว่าอาจจะได้เร<ม>็ว ไปค่ะอถ้าอยากจะคุยอะไรมาคุยในในโซนนี้ดีกว่าได้ประโยชน์กว่าค่ ะ, คะหนูมีคำถามที่จะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็คือพระอาจารย์มีคำแนะนำหรือว่าเคล็ดอะไรในการที่จะทำให้ตัวหนูเองเนี่ยลด ความคนองในบางครั้งนะคะก็คือลดความขนองในคําพูดหรือการกระทําบางอย่างคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้มีสติก่อนพูดแล้วก็คือก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในบางทีเนี่ยสติมันก็จะไม่ทํามันก็จะมีการพลั้งตะพูดออกไปแล้วหรือว่าตัดสินใจทําอะไรที่ที่มันดูคนองไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีเคล็ด อะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะเพื่อที่จะให้ได้ลดตรงนั้นลงไปเพราะว่าในบางทีที่ทำไปแล้วมันก็มันไม่ได้เกิดผลดีกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเลยค่ะนั่นแหละเราก็ต้องสอนตัวเราเองว่าก่อนจะพูดอะไรเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาอ่ามันเป็นผลดีหรือผลไม่ดีมันจะมาแร ง, งการเราหรือป่ ก็อย่างที <S <S <S ่มีคำพูดว่าก่อนพูดเราเป็นนายมันเวลาจากพูดแล้วคำพูดมันจะเป็นนายเรามันจะมาบังคับเรามาลงโทษเรามากัดเราได้ดนั้นก่อนจะพูดเราคิดให้ดีก่อนก่อนจะทำเราคิดให้ดีก่อนก็คงจะต้องมีสติให้ทันต้องฝึกสติเยอยพูดทอพูดทอดเยอะคอยดูว่าดูการเคลื่อนไหวของการกระทำของเรา กลังทัดอะไรอยู่่อนเราจะพูดเราต้อดก่อนใค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์คิด้ดีคิด้รอบอคอบครับขออีกคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์คือเคยได้ยินที่มีคนมาสอบถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเกิดจะช่วยคนที่เป็น depression นี่ต้องทำยังไงท่านอาจารย์ได้เมตตาตอบไปบอกว่าก็คือถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงดาวก็ต้องปล่อยให้เขาดาวไปให้สุดก่อนแล้วพอเขาขึ้นมา ค่อยให้เขามาทำภาวนาให้เจอความสงบแล้วเขาก็ถึงจะถึงจะช่วยเขาได้อะครับแต่คราวนี้ของผมเองมีมีช่วงที่มี clinical depression นะครับพยายามที่จะพุทโธพุทโธพุทโธกอดพุทโธภาวนาไว้ตลอดเวลาแต่ตอนที่จิตไม่รู้จิตหรือสมองที่มันดิ่งดาวลงไปอะครับเหมือนศรัทธาเหมือนพุทโธมันหายไปจักใจดื้อเลยครับท่านอาจารย์ มันตอนนั้นจิตไม่พยายามรับอะไรมันถือการลงครอบอ่าก็ต้องพยายามพูดโธรต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ถ, ถ้าทำได้ก็ดีถ้าทาได้ก็ดีพูดโแรก็ส่วดมนตก็นด้ถ้าเราคิดว่าพูดโธรมั น, ม, นมันไม่ไม่ค่อยได้ผลลองสวดอิติปิแทนเลยก็ได้ครับท่านอาจารย์ถ้าเกิดว่าฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งแล้วนี้ จะมีโอกาสไหมครับที่จิตใจจะเข้มแข็งจนชนะได้อยู่ที่สติเนี่ยเป็นตัวสําคัญสร้างสตินี้กําลังมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะเข้มแข็งมากขึ้นอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นอารมณ์ก็จะลดน้อยถอยลงไปจนในที่สุดจะไม่มีอารมณ์หลงเหลืออยู่ในใจเลยไม่มีความรับชังกลัวหลงอยู่เลยอยู่ที่สติตัวนี้ยตัวสําคัญที่สุดเพีแต่ว่าเราจะสามารถ ใช้มันเป็นหรือเปล่าใช้มันได้หรือเปล่าเนี่ยช่วงเวลาจิตที่มันตกจิตที่มันไม่ถูกถูกถูกกิเลสครอบงำนี่มันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รับอะไรเลยพูดกระพุ้สอนก็ไม่ได้ทถ้าก็ต้องปล่อยให้มันหมดแรงลงมาก่อนทุอย่างมันก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่ามันจะนานหรือไม่นานนะ แต่ถ้าเราสามารถปลุกสติขึ้นมาได้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าถ้าเกิดกับตัวเรานี่เราก็อย่างน้อยเรารู้แต่ถ้าไปสอนคนที่ไม่รู้เรื่องสตินะเพื่อบอกให้มาใช้ถ้าอ า, าจจะไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อว่าการท่องผู้ทวผู้ทวนี้จะช่วยเราได้ที่ผมนะที่ผมกลัวก็คือว่าที่ผมกลัวก็คือตอนที่มันไม่เอาอะไรเลยจิต ที่เป็นอัตภูษณมันเข้ามาแทรกด้วยครับท่านอานจารย์ตอนนีเ้เราเป็นวิบากกรรมของเราแล้ <c oughs> กรรมกรรมมันได้ไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนะั้นแหะขอบ <c oughs> ขอบพระคุณท่าอาจารย์มากค่ะสำหรับคำตอบแล้วก็คำชี้แนะของพระอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ท, ท่านต่อไปคือกริดบันเด็กริดปันดิกร์ใช่ อยู่ที่กทมเลยนักจารรกนั้ครับอยู่กทมครับอ๋อบ้านเกิดก็อยู่สายสองครับเหมือนเหมือนที่พี่ก่อนหน้านี้ครับเป็นผู้หิงนะใช่ครับอ๋อก็อะไรนะก็มออเขาเออเพิ่งที่ที่ฟังจากเอ่อกับคุณหมอวีครับวันนั้นมีผมผมพอดีว่าถามไปแล้วเหมือนจะไม่ทันครับก็เลยอยากอยากถามใหม่ครับเอ่ออย่าง หลวงตาบัวหรือไม่ก็หลวงปู่แหวนเนี้ยครับบางทีเห็นเราเราเห็นท่านฉันมากหรือสุบรินะครับท่านมีกุศโลบายหรือมีมีอะไรแบบเป็นคําสอนในนั้นไหมครับอ๋ไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันไม่ผิดก็วินัยอย้ยฉันบากนไม่ได้ผิดก็วินัยเหมือนกินกินขนมมันไม่ผิดก็วินัย เดือแป๊มซี่หรือกาแฟมันไม่ผิดเท่าไหร่น้ำสบุหรี่ก็ไม่ผิดเท่าไหร่นอแต่จริงๆท่านก็ไม่ได้ติดถูกไหมครับท่านแค่จะเปแต่ว่าท่านมีท่านก็ท่านสมัยคารวะท่านอาจจะเคยชอบสิ่งนี้มาในระมันรู้ทําแล้วมันก็ยังไอของความชอบเหล่านี้มันก็ยังอาจจะติดค้างอยู่ในใจได้แต่ไม่มาเป็นปัญหาหรือถ้าไม่มีให้ท่านเคี้ยวท่านก็ไม่ไปเคี้ยวท่านก็จะไม่ไปซื้อไปสั่งอะไรก็เลยนะอ๋อ มันก็เสพมันตามที่มันมีมามันเป็นธรรมเนียมของคนไทยเราที่จะถวายหมากพูให้กับพระอยูน่นะสมัยก่อนเวลาไปบ้านจะอ น, นี่มันไปบ้านต้องเตรียมหมากพูบุหรี่ไว้ส่วน่งให้กับพระถวายพระของพวกนีมันไม่ได้เป็นพิษเป็นพายทำด้านจิตใจคือมันไม่มันไม่ได้ทําให้เสียสติกาสติไม่เหมือนสุราเนี้ยสุราไม่ได้สุรามี ของคนเมาไม่ได้ไไดใช่ไห ม, ม, ม, ไมไทีนี้ปัญหาทางโลกก็คือทางโลกเราบางทีทําอะไรมันทําแบบสุดต่งสูบบุหรก็สูบ แ, สแบบติดกันกันแล้วทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆกลายคป็ทาระของสังคมเลยลก็เลยปันหาคนสูบบุหรี่แต่ถ้าสูบพอ ห, มหมอมปากอมคอตามนี้ตามเกิด แล้วก็ไม่ต็มไม่ติดมีก็สูดไม่มีก็ไม่สูดท่านไม่ไม่ได้จะทำอะไรให้ใครเสียหายโดวทา่านก็ไม่เสียหายจากการสูบบุหร่วันลวสองแสมหมุหครับแล้วก็พอดีว่าได้อ่านที่พในในเฟซบ o ๊ของพระอาจารย์ครับว่าดูความก้าวหน้าครับ ว, ว่าดูว่ามันสงบมากขึ้นใหมครับก็เหมือนตัวเองก็สอบตกครับันดีว่ามีเรื่องกระทบจากคนในครอบครัวเนี้ยเขาก็แบบพูด เหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยสงบแล้วเราก็ดันไปไปฟังแล้วจิตเราตกเองครับแล้วจริงๆเหมือนตัวเองก็รู้ว่ า, าวเออเหมือนตัวเองก็รู้นะครับว่าเขาพูดเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ลืมไปแล้วแต่เราทำไมยังทุกทุกๆอะไรเงี้ยก็เหมือนเราก็ห้ามตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับจนต้องมาฟังอาจารย์บ่อยๆเนี่ยครับจิตเราชอบให้เอาเสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์มาคิดอยู่เรื่อย มันแลกไหมครันคือทั้งที่รู้นะครับแต่ว่าจิตมันก็ยังคิดของมันไม่มีสติกันไม่มีสติแลครับพอรู้ต้องใช้พุทโธพุทโธุทโธนอถ้ามันพุอย่าให้ม anyway. ันคิดอย่าักท่างก็เลยนั่นปหะ้าไครับถ้ม่พทธบางทีมันทั้งวันทั้งคืนมันก็ยังคิดอยู่แต่กนั้นเห ก็ได้อาจจะได้คําตอบของอาจารย์ครับทำให้มันคิดได้ครับทีนี้พอเราแบบตอนนี้ก็สงบขึ้นใช่ไหมแล้วก็กลับไปมองเหมือนสาจารย์เขาแทนครับว่าเหมือนเขาแล้วมีอะไรก็บนบนเป็นอย่างนี้แหละกเป็นอย่านี้<ช>่ไซส์มันวิธ<น>ีราบายความทุกข์ของเขาข้าปล่อยเข้าไปอแล้วก็มีคำถามของอาจารย์ทีนี้มันจะมีแบบอาจจะเป็น เรื่องอเรื่องของความเกรงใจงครับบางทีอ่ามันเป็นเคอญาติกันเนี้ยเ้าเกิดคือเราส่วนตัวคือถ้าแบบคิดนะครับว่าอ่าถ้าเราพูดไปจะดีไหมหรือว่าให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอมันคือถ้าพูดนะครับอาจจะทําให้เขาผิดใจกับเราใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะดีในเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวคนอื่นๆครับอาจารย์แต่ถ้าไม่พูด คนความรัมพันกับคนอื่นๆก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต่างฝ่ายต่างไม่กล้าพูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทําอะไรที่กระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าได้กับเสียอไหนมันจะคระุ่นกวนั้นจมากกว่านถ้าได้มากกว่าเสียก็ไม่กล้า ก, ก็ทําไปถ้าเสียมากกว่าได้ก็อย่าทำให้ชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับใช่ชั่งน้าหนักเลย บอกว่าเพราะคนที่คนที่แบบไม่ีเอจริงๆแล้วมันมันเหมือนปัญหาในครอบครัวมันเหมือนเขามองเป็นคนละมุมคนละด้านเนี่ยครับผมก็เลยแบบเราอยู่ตรงกลางแล้วเราเหมือนเราไปอยู่ในคณะเขยครับพูดเยอะก็เจ็บตัวก็อย่าพูดดีกว่าทำตัวการไม่พูดดีคครรรัับบาย์ไม่ได้ไม่เสียทําให้พูดก็ไม่ได้ไม่เสียครัถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีทั้งได้เป็นทั้งเสียจะเอายังไงดี คือคือพอไม่พูดนะครับก็พอเขามีปัญหาเราเหมือนก็เรื่องของเขาก็เป็นเรื่องมาฟังให้หรอกเฮ้ยราณแล้วมาฟังแล้วก็ฟังเราพยายามหน้าเลยใช่แล้วเราก็คอมเห็นไม่ได้ครับเข้าข้างใครก็ไม่ได้ได้ก็เฉยไปเลยครับครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับจะพยายามทําต่อไปจะมีสติต่อไปครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณในตักเชียงไอเชียงเหนือ กลาวน้ำระสการพระอาจารย์ครับผมวันนี้ไม่มีคําถามครับเข้ามากราบพระอาจารย์ในวันปี่ใหม่ครับผมสาธุเชิปฏิบัติอยู่นะเออผมปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ตามคาสั่งสอนของพระอาจารย์นะครับเหมือนกับเอเราทางเข้าอะครับไปวัดตอนเช้าเย็นนะมีเท้ามากขึ้นนะครับผมเพิ่มเพิ่มให้มากขึ้นได้ก็ยิ่ดีอ่ะนะครับผมก็พยายามอยู่ครับ ครับผมกับพระคุณยิ่งไม่าครับผมอ <สา S 1> ่าเจอคุณพัชรพรพัชรพรอยู่ที่ไหนคุณพัชรพรเปิดม่หน่อย เ, เปิดมาหน่อนยัง ไ, ไ, ไม่เปิดยังไม่เปิดครับเปิแล้วโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้อยู่บนเขาชีโอนเรือนที่หนึ่งค่ะอ่ามาอยู่กี่วันค่ะ Are you เจ็ดวันค่ะตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบหกค่ะจริงๆแล้วอ่าติดตามพระอาจารย์ไลฟ์ตั้งแต่พระอาจารย์เริ่มไลฟ์ครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้ปรากฏตัวเพราะว่าจะตรงกับวันพุธที่ขึ้นเวรอาจารย์เคยทักเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วแต่งเครื่องแบบมาอาจารย์ทักว่าไม่มีคนไข้ก็เลยก็ <laughs> เลยฟังดีกว่า <laughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็ เอพระอาจารย์ให้ฝึกปฏิบัติไปบ่อยก็คือก่อนหน้านี้ก็นั่งสมาธิตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือเหลือเวลามาปฏิบัติยาวๆคราวนี้พอรู้ว่าจะมีวันหยุดสงการสามวันก็เลยขอที่ทํางานจองก่อนล่วงหน้าเลยก็ต้องขอบพระคุณป้าปุกกับคุณลาด้วยค่ะที่ทําให้ได้มาวันนี้ก็มีอ่า จะพูดถึงที่การปฏิบัติจนถึงวันนี้วันที่ห้าค่ะแล้วก็มีคำถามตั้งแต่มาที่นี่วันแรกก็คือไม่เคยปฏิบัติเองสันโดษแบบนี้แต่ว่ามีความตั้งใจมากวันวันแรกที่มานี่นอนเปิดไฟค่ะกลัวก็นอนเปิดไฟแต่ว่าประมาณเที่ยงคืนค่ะได้ยินเสียงตึง้งแล้วแล้ ว, ลวนอนขดตัวงอหัวใจเต้นดุบดุบุบุ บ, บ, บอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว แล้วก็ถามตัวเองว่าเขาทำให้เรากลัวหรือว่าเรากลัวไปเองแล้วอ ย, อยู่ใจก็ตอบว่าเล่าน่ะแหละที่กลัวไปเองตัวเองดีดถึงนอนหลับเลยค่ะ <c oughs> มั น, <laughs> มนเหมือนกับว่ามันตอบใจตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำให้เรากลัวตัวเราเองน่ะแหละที่ทำให้กลัวมันตอบตัวเองอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็แล้วก็นอ <c oughs> นหลับยันเช้าทุกเกิดจากความเนตตะของเราเอง เหมือนกับว่าฟังพระอาจารย์มาตลอดแหละไม่แต่ไม่ได้ถามคือเหมือนเราฟังคําถามคําตอบเยอะๆแล้วมันก็เข้ามาแทรกอีกค่ะว่าเราจะต้องคิดยังไงอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นใช่ mm hmm. ใช่ค่ะแล้วก็วันวันแรกที่ปฏิบัตกิก็เอ่อมาถึงนี่วันแรกก็ยังไม่รู้แนววิธีปฏิบัติสําหรับการอยู่คนเดียวค่ะแต่เหมือนบางอย่างดนใจก็พอปฏิบัติ เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ถามตัวเองว่าทํำยังไงต่อแล้วก็มานั่งเปิดหนังสือพระอาจารย์ค่ะเหมือนทุกหน้านี่เปิดสุ่มเปิดเปิดอ่านแต่ว่ามีคําตอบพระอาจารย์ทุกครั้งที่มีคําถามาแปลกเหมือนกันก็ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องทําอะไรก็คื อ, อนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนั่งอย่างเงี้ยไปทั้งวันก็ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสมาธาิเป็นสิ่งสําคัญในการพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้ วันแรกไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงค่ะแล้วก็พอวันที่สองก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าขาเนี่ยเหมือนจะขยับตลอดเวลาหลังขยับตลอดเวลาแต่ก็พยายามฝืนจนครบหนึ่งชั่วโมงพอวันที่สามแปลกค่ะพอวันที่สามเนี่ยเหมือนจิตมันสงบมากขึ้นพอหลังจากเดินจงกรมรู้สึกว่าจะพอเดินได้มากขึ้นแล้วกลับมานั่งเนี่ยเหมือนกับว่าเรารวมสมาธิได้ดีขึ้น จนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เห็นขาตัวเองเ่ยขอประทานาภัยครัอาจารย์รู้สึกว่ามันกระดุกกระดิกแต่ว่าเราเหมือนอยู่ในถ้ำแล้วเราเห็นว่าขามันกระดิกแล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าเราไม่ได้สั่งให้ขยับนะอยู่ๆมันหยุดเลยค่ะแต่มันไม่ใช่หยุดจากกล้ามเนื้อค่ะมันมันหยุดของมันเองแล้วมันหยุดตั้งแต่วันที่สามจนถึงวันนี้ค่ะ เขาไม่ขยับเลยแล้วก็นั่งนิ่งจนได้ถึงชั่วโมงเต็มค่ะก็ไปคําถามวาา่อาอะไรก็เหมือนด้วย่าจะมีกิเลสหรือเปล่าถ้าถามพระอาจารย์ว่าอะไรคือตัวผู้รู้อ่ะผู้รู้ก็คืตัวจิตเนี่ยจิตเราเนี่มันมีสองส่วนตัวรู้กับตัวคิดขณะที่เราคิดนี่ก็เป็นตัวจิตแล้วเวลาหยุดคิดเนือแต่ตัวรู้กเป็น ตัวรู้นี่เป็นตัวที่รู้ความคิดอีกทีทุกอย่างที่เราทำนี้ต้องมีตัวรู้รู้ว่ากำลังทำอะไรทีนี้สติสตินี่เป็นตัวที่เรามองทับให้ตัวรู้ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสติไม่ใช่เป็นตัวรู้จากสตินั้นตัวที่คอยคอยดึงจิตให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธให้รู้อยู่กับลมหายใจ แต่ตัวรู้ก็คือตัวจิตถ้าไม่มีสติตัวรู้มันก็จะไปรู้กับความคิดซะส่วนใหญ่ยิง่ง ก, กังวลคิดเรื่องนั่งคิดนั้ง น, นี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาไม่ต้องสไม่ต้องกังวลกับตัวรู้ตัวคิดให้กังวลกับสติให้มีสติเพื่อจะได้หยุดตัวคิดให้ได้หยุดตัวคิดแล้วจิตสงบก็ก็จะเห็นตัวรู้เอง แล้ก็จะเหลียวหยู่เหลียวยุดจ้องสักแต่ว่าลูกค่ะวันนี้วันที่สี่ก็พยายามตั้งใจปฏิบัติเพราะคิดว่าไม่ค่อยมีโอกาสแบบนี้ก็เลยปฏิบัติเป็นพุทธบูชาด้วยแล้วก็วันที่วันนี้ก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้มากขึ้นพยายามคิดว่าเออเดี๋ยวอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วเดี๋ยวถ้านี้ตายล่ะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปตายล่ะเอาใหม่ แล้วถ้าเกิดเดินเสร็จแล้วตายล่ะคือเลยตั้งใจมากแต่ก็ตอนเดินเนี่ยคพยายาม ม, มีสติแน่ตลอดแต่ว่าวันนี้มีมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือพอเราเหมือนกับว่าพอเราตั้งใจมากมันมีสิ่งหนึ่งเหมือนจิตใต้สําลึกอ่ามันเกิดจากคนที่ทํางานแว บ, บเข้ามามาคิดตลอดเวลาว่าเออ่มาพูดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยมันแว บ, บเข้ามาแต่อีกใจหนึ่งกับ พอมันเกิดขึ้นเราจะรู้ทุกรอบที่เราเดินจงกรมรอบเนี้ยเราตามตี่ครั้งแล้วนะเราอย่งเกิดขึ้นโอ้ไม่ไหวแล้ววันนี้แล้วพอกลับเข้ามาในห้องพักจะเปลี่ยนเป็นสมาธินึกถึงธรรมที่พระอาจารย์สอนอบอกว่าเราจริงๆแล้วเราอยากเราได้ยินเขาพูดไม่ดีแต่ใจเราอ่ะต้องการอยากให้เขาพูดดีๆพูดเขาให้ให้เขาพูดเหมือนกีบหล่าแล้วเราจะไม่โกรธเราจะไม่คิดมากใช่ไหมแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บ จริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราไม่ใช่เพราะเขาก็เลยพึงก็เลยคิดได้เลยว่าเขาจะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่มันอยู่ที่ตัวเราแตหาที่เราไปอยากเองก็เลยหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิจากชั่วโมงเต็มละเอียดขึ้นก็พยายามจนได้ชั่วโมงครึ่งวันนี้ต้องกราบขอพระบุญญาจารย์คนะประโยชน์ของการที่เราไปปรึกษ า, า, างีเลยปฏิบัติจะได้เห็นทำจริงๆเห็นอริยสัจจริงๆที่มีอยู่ในใจ ไม่งั้นเราก็จะเป็นเพียงแต่จินตาานาการถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียว<ม> น, น, ยวนี่มันไม่มีอะไรที่จะมาคอยดึงเราออกไปแล้วเราก็จะ<ม>ถ้ามีสติเราก็จะเราก็จะเห็นการทํางานของอริยสัมปชัญญเราทำอย่างไรเราต้องตื่นนะเรารู้ทันทีว่าทุกเกิดจากตั ว, ตวเราเองไม่ได้เกิดจากตัวไนใช่ันรอมัเห็นชัดเจนเลยค่ะแล้วแล้วมัน คอามันใครทีละอย่างเนี่ยแล้วเดินจงกรมเหมือนตรงหน้าผากเย็นเหมือนคนเดินยินม้มอะค่ะแต่ไม่ได้ยิ้มนะคะแต่ออยิ้มจากข้างใน อ, อ <c oughs> มันเย็นสบายเวลานะมีสติแล้วจิตสงบงแล้วเดินจงกรมแล้เคลื่อนเดินได้ยาวได้นานไม่รู้สึกหค่ะมีคํารรมสุดท้ายคะ่ะเพราะว่าเห็นมีมหลายท่านเอที่ฟังคําสอนของสมเดม็จสามเณรพระเจ้าที่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา อันนี้พอฟังเข้าใจได้พอเดินเดินไปแล้วยังพอนึกอาณาตมีตัวเองเป็นกระดูกอะไรเงี้ยพอนึกได้ค่ะแต่พรนึกว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเราไม่ทราบคื อ, อยังไงคะคือตัวจิตนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่าง น, นั้นดินอะมือนธาตุของร่างกายเป็นธาตุธาตุนูนแล้วธาตุนู้นซึ่งเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเพียงแต่ว่าตัวจิตเองนะถูกความหงอองลงครอบงำเวลาไปคิดว่าจิตนี่เป็นตัวเราแบบน้ เพอเราปฏิบัติทำทําจิตให้สงบแล้วจิตจะค่อยจะเหลือแต่ตัวเราเองตัวที่ว่าเป็นตัวเราเราก็หายไปเพราะตัวที่เป็นเราของเรามันเกิดจากความคิดปรุงแต่ของเราของจิตเอกลับคุนค่ะอ๋อหนูนึกได้อีกนิดนึงขออีกนิดนึงค่ะพอหนูนั่งรวมสมาธิได้์คือฝึกสมาธิมาได้นานพอสมควรจะไม่เคยจับอ่ ความละเอียดของลมหายใจที่จะหมกได้เลยก็จะใช้เป็นจับการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะแต่พอมาฝึกที่นี่คือทั้งลมหายใจก็ละเอียดมากแล้วก็เออ่ร่างกายนี่ก็ละเอียดมากจนโยมรู้สึกว่านั่งนั่งเราต้องรับรู้จิตอยู่ที่ตรงไหนอะค่ะไม่ต้องไปรู้ว่าจิตอยู่ที่ไให้รู้อยู่กับลมแต่โอเคนะเดี๋ยว รวมการเคลื่นอนไหวละเอียดเพราะจิตรวมแล้วว่าแถึงจะรูว่าตัวจิตอยู่ตรงไหนอ๋อโยมหมาถึงว่านั่งพอนั่งเราจับลมหายใจไม่ได้ละเอียดแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายก็เบา ม, ม, มากอะค่ะไม่มี<อ>แบบก็ให้ให้ดูฝากคิด แ, แต่ว่ากำลังคิดอยู่รึเปล่ากำลังคิดอะไรอยู่รึเปล่าแค่นิ่งๆตามไปใช่ไหมคะใช่ถ้ามันคิดไปให้มันหยุดคิดอย่า้คิด อ๋อค่ะการารรมชติแขอบพระคุณค่ะอะาจารย์ท่าขันทิ้งแรงค่ะขอบพระคุังเหลยออีกสองสามวันก็เอาให้เต็มที่น ะ, อะขอบะคุณค่ ะ, ะถึงคุณมิโรแกนิโรต่บาบายบายกับนมันสการครับอาจารย์ครับจริงจริงก็ อ, อมันมีอยู่ครั้งนึงครับผมนั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมลงไปแล้วมันเกิดเป็นความว่างแต่ในความว่างนั้นะ่ะผมเห็นเป็นความทุกข์ผมก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าสภาวะตรงนั้นน่ะมันเป็นความทุกข์จริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาครับอมันช่งก็ศึกมันต้องรู้น่ยไม่ใช่แบคิดเฉยๆเราถามตัวเราวตอนนั้นตอนนี้มันสดรือมันทุกหรือเปล่าอตอนไหนนะครับ ก็ตอนที่ที่เราเห็นสภาวะนั้นน่ะแําวัรไปว่ามันทุกข์แล้วมันทุกข์จริงก็เปล่ามันทุกข์มากเลยครับอาจารย์ทุกข์อย่างไรมันเหมือนกับมันมีบางสิ่งมาบีบคั้นนะครับมันเหมือนกับมันมันโดนบีบอยู่ข้างในอะครับก็มันทุกข์ก็แสดงว่าจิตมันยังไม่สงบแต่แต่คือสภาวะตอนนั้นมันรวมลงไปอ่ะครับมันรวมมันต้องสงบเนี่ยมันยังยังมันยังยเรียกว่าจิตรวม ถ้าเันรวมแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เนอกอากควาว่าควาทุกไม่มีผมก็เลยสงสัยว่าความถ้ามันมีความทุกข์แสดงว่ามันยังไม่ได้รวมจริงนอ๋อโอเคครับถ้างั้นก็มีคําถามแค่นี้ครับอาจจะรวมว่าเราคิดว่ามันรวมอันนี้ไม่รวมันก็มันรวมจริงแล้วมันจะว่างจะเย็นจะสบายมันไม่มีความทุกข์ครับเพราะปกติอะเวลามันรวมไปมันก็จะว่างสบายสบายันนั้นคือมัน แสดงว่ามันมันรวมปองของเรายังไม่ไม่ได้รวมารบถ้วนก็ให้รู้ว่ามันเป็นภาวะอย่างนี้ก็ทามันทุกข์ก็รู้มันทุกข์ถ้ามันสุขก็รู้มันสุขก็้รู้ตามควาเป็นจริงรู้รู้ปัจจุบันไปเรื่อยให้รู้อยู่กับปัจจุบันไปให้รวมให้รวมว่าถ้าดูลมได้ต่อก็ดูวมต่อไปถ้าพุดโทรได้ก็พูดโทรต่อไปให้มันรวมจริง เข้าใจนะเข้าใจแล้วครับมีคําถามแค่นี้ครับอาจารย์ร่าว่าอะไรอยากซีก็เช่ากับนมัสการเจ้าขาผ้าจารย์หนูหนูขอกลับขออภัยด้วยท่านโหนูถามหนูไม่ค่อยสุภาพครับคือก่อนหน้านั้นเคยถามเรื่องน้ําลายแล้วก็ช่วงนั่งสมาธิจัดการเรื่องน้ําลายเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้หนูวันจะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพคือเรื่องระบบการย่อยไม่ค่อยดี นานๆนีนะคะไ ม, ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอมันก็จะมีอาการเหมือนที่เรามีลมด้านในแล้วบางทีนั่งนั่งอยู่แล้วมันก็อยากจะผายลมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าพอเรากําลังจะนั่งดีแล้วค่ะก็ก็ไม่อยากมันก็เลยมีการอาการสู้กันระหว่างว่าไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่อไรเงเจ้าค่ะทีนี้หนูหนูก็เลยคิดว่าอันนี้คือเป็นข้อที่หนูสงสัยว่าถ้าเราถ้าเราไปจัดการอย่างเช่นผายลมให้เรียบร้อยแล้วเราไปนั่งใหม่อันนี้ก็คือ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือหรือว่าเราเราก็สู้กับว่าเราไม่เราไม่ผายก็คือนั่งสู้ต่อไปไงค่ะคือเราก็นั่งของเราไปมันจะผายก็วก่ายไปไม่ก็เลือกกันเหน้าที่เร า, ม, ม, า, า ม, มีหน้าที่ดูเราพูดโทรก็ทําไปมันจะ ผ, า ย, ยผายก็ไม่ผายก็เลิกเมือไหร่ไปเพื่อมันก็ตัดใจเราไม่ต้องไปสนใจมันออืให้กอติดกันบลมติดกับพูดโธกันไปอือ ก็มีเท่านี้ค่ะอันนี้พี่<ล>แค่ค้ดสงสัยค่ะเวลาเราภาวนาเราไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวทางร่างากายไม่ว่าน้ําลายจะไหลมันจะคันมันจะหายลมหรือมันจะอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจปล่อยมนะันมันจะหายก็ปล่อยมันหายไปมันจะจางก็ปล่อยมันจางไปถ้ามันจะจางเราก็ห้ามมันไปได้มันเป็นอนัตตา เรื่องเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองก็ถือว่ามันก็เป็นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอุปสรรคไปมันก็เป็นเรื่องสภาวะธรรมที่บางครั้งมันก็ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจริงไม่ได้เกิดธรรมดาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนน่าจะเป็นเรื่องของของของร่างกายไปเรื่องของร่างกายไปร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างเราไม่ต้องไปกังวลอย่างนั้ไม่ต้องไปยุ่งให้เราก็ติดกับการเอาวนา ถ้ามันจะมันเป็นเวลานอนร้องปวดเราเช่นจะต้องถ่ายบางทีก็ต้องลุกเข้าไปถ่ายก็้าไปถ่ายออถ้ามันจําเป็นจริงจรมันก็ต้องไปก็ต้องไปเราให้เขาพักผ่อนพักไว้ก่อนมันมันรักษาดูแลทําหน้าที่ทางร่างกายให้มันเรียบร้อยมันก็เหมือนกับเราอยากเพราะเราอยากเราอยากไม่ลุกเราอยากไม่ไม่ถ่ายมันก็เลยกลายเป็นความกังวลอันนี้มันก็เป็นกิเลสไปแล้วเมื่อมันจำเป็นจะต้องถ่ายก็ต้องถ่ายไม่ อยากไม่ขายได้ไงค่ะในตคะ่ะขอบคุณจ้ะคะ่ะมุนไกรนุเชิญอยากกอมช่วยุณไนูนอาไม่ได้แล้วขอจับผิดครับอาจารย์กลับกับน้มัสการอาจารย์ครับได้ย<ม>ินใช่ไหมครับในผมกอทมคุณทุนนุนสายสองครับวันนี้จะมีสามคนนะครับคือเอ่อ ผมพอดีวันนี้ได้ได้นังสือตอบปัญหาคาใจเล่มที่6ของทีมคณะที่ที่เป็นกา ร, รยานนมิดที่ที่ส่งมาให้รจริงๆผมผมขอไปแค่ทำใดและโชคดีมากเลยครับที่ทางทางทีมงานก็ส่งตัวนังสือมาให้อ่านด้วยครับผมก็เดี๋ยวตั้งใจว่าจะอ่านให้ให้จบภายในในในเดือน2เดือนนะครับผมนี้ในเรื่องวันนี้ผมผมมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจริงๆก็พยายามจะฟังกา ร, รยานนภิด ห ล, ห, ลหลายหลายท่านที่ถามพระอาจานนะฮะแต่ก็ปัญหาหนึ่งที่เฉียดไปเฉียดมาก็เลยตั้งใจว่าวันนี้มาถามเพราะว่าจริงๆก็เป็นปัญหาที่ที่คาใจมาช่วงที่ผมเริ่มสวดอิทิพิโเนี่ตั้งแต่ประมาณสองสามเดือนตั้งแต่ป้อนปีนะฮะสวดมาปัจจุบันประจํามันจะมีเป็นอาการอย่างนี้คระอาจารย์เพราะสวดไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางที ค, คือคือสวดเนี่ยผมจะสวดเร็วนะครั บ, บางทีสวดไปเรื่อยๆแล้วจนบางทีก็มันเหมือนกับว่า จิตจิตที่เราเราเราเรามีสมาธิอยู่ในการสวดกับการปากที่เราพูดสวดต่ อ, อไปเนี่ยมันมันไม่สัมพันธ์กันพอเราคิดว่าเอ๊ะเราสวดถึงตรงไหนแล้วพอถึงเวลานั้นกลายเป็นว่าเอ๊ะมันลืมไปเลยนะครับพระอาจารย์ว่าสวดถึงตรงไห น, นต้องมาสร้างต้นใหน <c oughs> ตัวกิกริยาจิตตรงนี้มันมันมันมันมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับพระอาจารย์อยากจะสอบถามพระอาจารย์ช่วย เรน<า>นี่ว่าเราไม่มีสติอยู่การสวดนะครับเวลเราสวดแล้วก็เราไม่สติอยอยู่กลารสวดไปแต่พอเราเหมือสติบ้าไปก็จริงมันก็จำไม่ได้เราสวดไปทางไหนก็ไมันเหมือนกับว่าปากเราก็ยังยังท่องไปเรื่อยๆแต่ว่าสติเราเราตามไม่ทันอย่างนั้นเวลาสวดจริงๆคืสวดในใจไม่ต้องเอาปากสวด มันจะได้จะได้สติกับใจยากจะจะสติกับการสวดจะได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องแบกกังวลถึงเรื่องร่างกายส่วนแบบภาวนาส่วนแบบพุโทโธส่วนแบบดูมในมหายใจอย่าอย่าออกเสียงนอกจากว่าถ้ามันยังยังสวดหาใจไม่ได้ก็ออกเสียงไปก่อนก็ให้อยู่กับเสียงไปคือการสวดเราก็ไม่ต้องออกเสียงก็ได้ใช่ไหมครับ เอ่อถ้าสวดในใจได้จะดีกว่าทุกครั้งีนสวดก็สวดสวดออกเสียงนะครับสวดออกเสียงก็ได้ถ้ามันถ้ามันยังสวดในใจไม่ได้ก็สวดออกเสียงไปก่อนเพราะนั้นถ้าก็ติดไปกับเสียงอย่างเดียวอย่คิดนั่นบางทีพอพอเราคิดว่าสวดถึงตรงไหนปุ๊บมันมันมันสติตามไม่ทันก็จะ เลยต้องเป็นตั้งต้นใหม่เึ้นอิทีิประสงค์เลครับเพราะเราขาดสติไงเราขาสติตล้วมันก็ขาดต่อไปแล้วมันจำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเกิดพอมันเริ่มเอมีการเริ่มอาจจะเป็นง่วงอย่างนั้นหรือเ่าน่าจะใช่นะเลยก็ทําให้การสติบางทีก็จํหลุดไปอสติมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันชอบอมากกว่า อยู่ชอบเลออยู่ด้วยสติบางทีต้องมีความพปยายาในการจ ะ, จะเจริญสติอย่างง่ายๆแ ต, แต่ที่ผมสังเกตเนี่ยการสวดกับการไปนั่งสมาธิสมาธิผมจิตผมผมก็ยังไ ม, ไม่ไม่หลุดเหมือนกับตอนที่มานั่งสวดครับอาจารย์ถ้านั่งสวดเนี่ยสวดเป็นนา น, านผมถ้าตรงตร ง, ตรงนี้มันคล้ายๆเหมือนจะปางว่วงถ้านั่งสมาธิได้เนยก็ไม่ต้องไปสวดได้เสียเ การส่วนนี้ก็คือจะสประมาธิเรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ข้ามข้ามการสวดไปเลยก็ได้เพผมกําหนดเวลาในการนั่งสมาธิจะเป็นตอนตีสี่ 4, ตอนเช้าฮะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิส่วนตอนก่อนนอนเนี่ยผมก็จะเป็นสวดอ e ิติปิโสนะครับอาจารย์สวาเสร็จก่อนนอนการสวดสวก็เป็นการเจริญสติการภาวนาแบบแต่มันจะ อยากเกกับการการดูลมหายใจหรือการการบริการหรือการสวดไปในใจ่บางทีเราติดกับมันก็สวดไปสวดก็สบายใจติดติถ้าไม่สวดแล้วอยจะนอนไม่หลับใช่ใช่ครับอาจารย์ครับพอสวดแล้วก็นอนสบายแต่ถ้าติดนะถ้าไม่เป็นอะไรติด แต่ถ้าไม่ติดได้ดีกว่าคือถ้าไม่ต้องสวดได้ดีดูงงไปไหมนอนไปแล้วก็ดูว่าเมื่อนอนแล้วก็สวดไปหลับเมื่อไหร่ตอนหลับเอนั้นตอนนอนผมก็จะพูดโทรพูดโธรไปจนหลับไปนะทุกทุกครั้งเหมือนกันก็จะหลับสบายดีเมื่อตอนนี้ผมทํางานก็รู้สึกเครียดเคียก็จะหลับยากแต่พลังจากที่มีการ <c oughs> ทั้งทำสมาธิกันเอ่า สวนพุทโธพุทโธในใจในระหว่างที่การนอนนะฮะก็ก็จะหลับไปเลยนี้ก็มีมีปัญหาเล็กเล็กน้อยแค่นี้ครับเพราะวังนี้ช่วงนี้ก็ยังอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนอยู่แล้วก็ไดหนังสือมาเพิ่มเติมเดี๋ยวคงจะต้องวางแผนใะอ่านให้ให้จบโดยเร็วจะได้รู้ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่พาอาจารย์ได้มีการอธิบายไว้แล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผม กลานัมาสการพระอาจารย์่น้ำมาสการพระอาจารย์ยินไคะยินคะไม่รู้ว่าได้ยินมเจาได้ยินว่าฟังธรรมเจ้า สวัพระาจารย์พัาพการของใดพราจารยวนฟังคนนขสีาาสยสัดีรื่ s a m า u n g ซต่อซ a m s u n g อ m เมเงี้ยคือซัมซุงอยู่ที่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะพระอาจารย์ ห, หนูอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าวันวันนี้มาที่พุทธมนใส่สี่มามาบางสะพูนคุณกระดูกคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เออก็ได้ติดตามผ้าจา์ที่ที่เมืองนอกมามานานแล้วค่ะแต่เ่อเอิญไม่ได้ช่วงนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเออพอกลับมาเมุงไทยก็ว่าจะไปกราบผ้าจารย์ที่พัทยาก็พอดีมีการผ่าตัดกระดูกสันหลังดังเหล็กครั้งที่สองนะคะในนี้เอออยากจะมีคำถามว่าตอนนี้หนูหนู หนูปฏิบัติเออนั่งสมาธิเนี่ยประมาณหกเอ็ดเดือนแล้วเอ่อแล้วอยู่ๆเนี่ยบางทีบางทีจิตสงบเนี่ยมันมีอยู่ครั้งนึงหนูตกใจมันเหมือนมีแสงสว่างแบบพิบขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนจ น, จนแบบตกใจเลยแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับรวมรวมรมสติเข้าเข้าไปใหม่อ่ะค่ะให้ให้ให้มันนิ่งให้รู้สึกว่าว่ า, ว า, วามันนิ่งทีนี้บางครั้งเนี่ยมันเหมือนมันวูบวูวูบแบบ ทำให้หนูแบบตกใจวูบวูบลงไปดิ่งลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นบ่อยมากค่ะอาจารย์ทีนี้หนูจะทํายังไงดีคะ บ, บางครั้งมันมั น, มนตกใจอะค่ะมันวูบจนหนูแบบใจหนูเต้นแบบไม่หยุดอะค่ะเอก็ให้รู้เฉยๆไปว่ามันเป็นอย่างนี้แล้่ไม่มีไม่มีในหน้าเสียหายใช่ไหมไม่ไม่เป็นพิษเป็นใจถ้ามนวูกแล้วมันควรจะนิ่งแล้วถ้าเร า, ามีสติแล้วก็จะเฉยค่ะค่ะก็พอดีก็ บางทีช่วงนั้นอยู่นอกก็ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่พอกลับบินกลับมาเมืองไทยดีต้องดูแลลูกที่จะไปเรียนหมออยู่ที่นน่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีต้องผ่าตัดหลังแล้วก็พอช่วงหลังมาเนี่ยมีเวลาแต่ว่านั่งไม่ได้นานมากเท่าไหร่คะ่ะพระอาจารย์ได้เต็มที่แค่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเพราะว่ายังอยู่การดูแลของคุณหมออยู่เขาไม่ให้นั่งขัดสมาดไม่ให้นั่งกับพื้นหนูเลยต้องนั่งอยู่ตรงที่โซฟานั่งนั่งังงงสมาธิะคะ่ะ เราทำที่เราทำได้ทำที่ทำที่เราทำได้ค่ะหนูจะทําช่วงช่วงเช้าตอนประมาณทําเหมือนกับสวดมนต์ทำวัดช่วงตีสามคึ่งแล้วหนูก็จะนั่งค่ะแล้วก็เอ่อมา ท, ทําอีกตีตอนช่วงประมาณสามทุ่มทำวัดเย็นเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะนั่งประมาณชั่วโมงครึ่งก็ เ, เลยอยากจะถามค่ะว่าถ้าเวลาหนูสงบมากๆแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับเรานิ่งอยู่อยู่มากๆแล้วหนูจะต้องปฏิบัติยังไงต่อไปอีกไหมคะ่ะ ก็พยายามให้มันนิ่งไปเรื่อยๆนานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้คือเบื้องต้นที่เราต้องการจะฝึกให้จิตมันนิ่งให้มันเป็นโอเบค้าให้มันไม่อไม่มีความลักทางกลัวหลงถ้าเห็นอะไรก็เฉยๆได้ยินอะไรก็เฉยๆนี่คือรือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อทํำจิตให้นิ่ง นิ่งขึ้นเยอะมากเลยค่ ะ, ะพระจันทร์นิ่งแล้วจากคนที่แบบเหมือนแบบโมโหง่ายแบบไม่อยู่ไม่รู้สึกอะไระไม่นิ่งแบบเหมือนบางครั้งลูกชายหมาหมาทำไมหมามานิ่งเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมาหมาเป็นอะไรหรือเปล่าบอกไม่ได้เป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นอะไรพอดีแกก็สงสัยเพราะว่าแกลูกครึ่งไงเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยแล้วแกเป็นมุสลิมหนูหนูเนี่ยจะอยู่ฟุต แต่งงานก็จริงแต่ว่าหนูยังอยู่ในศาสนาพูดหนูหนูหนูไม่เข้าศาสนาทั้งพ่อเขาอลไรมิ μ, สลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก<อ>็เลยเบือ้องต้นนี่ก็พยายามฝึกให้มันนิ่งแล้วการ น, นั่งให้มันเขา้าเข้าสู่ความนิ่งได้ง่า ย, เยๆเรื่อยๆให้มันจำนาญค่ะก็ก็ประมาณสิบนาทีก็ก็ก็ได้เลยก็ค่ะก็ทำาำนี่ไปแล้วต่อไปเวลาออกจากสมาธิม า, าก็ต้องพยายามรักษาความนิ่งต่อไปค่ะ ถ้าถ้ามันไม่ยอมนิ่งตอนนั้นก็ต้องมาใช้ใช้ปัญญามามาช่วยทําให้หมันนิ่งเื่อเราเราไม่นิ่งเพรคนเขาดาา่เา เ, ดเราเนื้อคนเขาเกลียดเราเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาว่าคนที่เขเกลียดเราด่าเราเนี่มันนสิ่งที่เราบังคับเขาไม่ได้ก็เป็นหน้าตาคือก็ต้องฝึกยอมรับกับความ อราเราสินต่างๆที่เราก็กลุ้มบางครั้งไม่ได้ค่ะก็นิ่งนิ่งจนลูกสงสัยจนหมามาเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยมาไปหาหมอไม่ไม่ลูกไม่เป็นไรนั่งสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานิ่งได้ประมาณนั้นมาก ก่ <ขอ S 1> สบายนี่ก็ต้องสบายาด้วยนะค่ะค่ะสบายรู้สึกสบายใจรู้สึกเราเรามีความสุขค่ะเป็นความสุข อ, อิ่มก็พยายามให้มันเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนให้ได้ก็ <c oughs> เดี๋ยวถ้าอยู่ในเลิอกอ่าหมอไม่อยู่ในกฎห้ามของหมอแล้วหนูก็คงจะมันเพลีพยรได้มากกว่านี้ว่าจะขึ้นไปกากผ้าชานอยู่ค่ะก่อนจะปดี เขายังไม่ให้หนูนั่งรถไปทางไกลก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสไปกราพระอาจารย์เดี๋ยวรอให้ลูกสาวลงมาก่อนการต้องเนี่ย <an> <t une> หนูดีใจมากๆเลยตามติดตามะอาจานมาหลายปีแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้มีมีมีเวลาที่ที่แบบมาเมืองไทยก็มาได้แป๊บเดียวนี่ต้องรีบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนีช่วงโควิดมาม า, มา นี่มันก็เลยมีเวลาแล้วมาผ่าตัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลย ม, มีโอกาสดีใจมากมาที่วันนี้ได้เข้ามาได้ได้ติดต่อหลายครั้งแล้วหนูหนูทำไม่ได้หนูไม่เคยทาําช่ค่ะใช่ใชขอกาบพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีท่าทันที่สุขภาพที่แข็งแรง <laughs> เป็น <laughs> อโห่ร่มใจให้กับเอโยมที่ปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะครับสาธ <laughs> ยินดีรับใช้จ้ายินดีรับใช้อย่จะไปกล่าวว่าจานเด็ดค่ะสวัสดีค่ะอ้อมจ้าบอกวินอันนี้อยู่บนเขาเานกันอ้อมนมัสการ์ค่ะอยู่อุบลค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านยังไงรอดติดไหมกลับเครื่องค่ะพ่อจาาค่ะกลับมาคนเดียวค่ะ ไม่มีคำถามค่ะป ฏ, ปฏิบัติได้เมื่อยอยู่คนเดียวนี่ได้ค่ะวันนี้ก็นั่งสมาธิค่ะโอเคพยายามปฏิบัติให้เท่าที่จะทำได้นะค่ะเคไปที่ปุ่นโซมตอบปุณนโซมโซมยูเซอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยทุกคอนสาหนึ่งครับอาจารย์มีอะไรไหมมีครับ เวลาผมเกิดอาการงุดหงิดําคาญใจผมควรทํำไงครับเวลาผมควบคุมจิตใจไม่ได้ครับทำพุโทโธไป น, นืป้ส่วนอิติปิโสไปส่วนไปจังการมันจะหายเหตุอาการจิตชนนี้จะสงบก็หยุดเมือ่อทำพุทโธพุทโธไปันกว่าอาการจะหายไปเหมือนกินยากินยาไปเรื่อยจนกว่าอาการไข้จะหายไปก็ปอยุดกินยา ตรโนจะเนวิญญารักษณความมึนวายได้ถ้าอยากถ้าอยากดูดบุหรี่อย่านีก็ทงุตรโยไปได้ครับถ้าอยากอะไรนะดูดบุหรี่ครับผมเล่บุหรี่ครับช่วยุมอนกันถ้าอยากจะดูด บ, บ, บ, บุหรีครับบุ้ยนบุตรโ้นบด้ครับได้ถึง โทษของอลยก็สูงไปแล้วมันก็จะทาให้น่ากายเราเ็บข้บไดต้ตายเร็วไม่กล้าจะทาให้เราไม่กล้าสูงนะถ้าเห็นว่า ม, ม, มันทุกข์สูแล้วมันทุกข์ยิ่งกไม่สุงไม่อย่สูงดีกว่าปรจัยมโอเคมีตอนนี้นะรักการใสที่คุณทานนัต่าน น, านัก ถามน้อมสกแกนครับพระอาจารย์มากราบพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับไม่มีอะไระสุดต า, ด า, ายู่อีกที่หนึ่งไครับ ก, ก็อยู่ใกล้ๆกันนี น, นะครับอโอเคไม่ไปไหนแล้วช่วง ว, วันหยุดนีมไม่ไม่ได้ไปไหนครับาาอาจารย์คนคนไปกันเยอะเราก็ให้คนที่เขาเออ่ได้มีวันหยุดเขาไปกันดีกว่าเราเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับอันนี้ ครูนะ้จักจัดสรรเวลานะนะครับโอเคท่านต่อไปคุณนันทพัฒน์ใช่คุณนัพัฒน์นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะอ่าวันนี้ลูกอยากจะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ทําให้ลูกได้เลือกวิถีชีวิตที่สุขและสงบเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดี ปฏิบัติอยู่ที่บ้านพอปฏิบัติได้แล้วก็คุณแม่ก็โมทนาบุญที่ถือศีลแปดตลอดเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่มีนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือท่านขอให้ลูกอ่าทานทานสองมือ้อตอนตอนแรกลูกอยากจะทานมื้อเดียวท่านเห็นผอมไปอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยเอ่าปฏิบันอมก็คือทําทําตามที่ท่านขอไปก่อนอย่างเงี้ยเจ้าข้าพาจาย์ก็คือทานสองมื้อไปก่อนเจ้าขาาา้าพเจ้าทานน้อยก็ได้ ค่ะก็ก็อาจจะลดปริมาณลงไปในช่วงที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงแรกก็ลดได้ช่วงก็เท่ากันรู้เดียวเลยกินอย่างกินเดีละเครื่งก็ได้เป็นสองครั้แต่ปริมาณก็เท่ากันค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะได้ฝึกจะได้ฝึกจะได้ฝึกสติฝึกกำลังว่าเราจะข้ามความอยากกินอาหารได้ไหมค่ะก็ก็มีกิเลนนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์มันพอ คือตอนแรกอะ่ะคิดว่าอยากจะตักแค่ครั้งเดียวพอตักครั้งที่สองจิตใจมันเริ่มไม่สบายใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราเหมือนกับเหมือนเป็นกิเลสที่เล็กๆนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าให้ตักเพิ่มเนี่ยเจ้าค่ะค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องพยายามเหมือนกับว่าแบบแบบประมาณการบริโภคไว้แล้วก็ตักแค่แค่ไม่ไม่เกินหนึ่งครั้งเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่คิดไว้นะเจา้าค่ะค่ะค่ะแล้วก็ลูกถามนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีลูก จำไม่ได้ว่าการทานน้ํามะนาวกับน้ําพึ่งมันทานหลังเที่ยงได้ไหมเจ้าค่ะพ่อจ้ า, า, จาได้แต่น้ํามะนาวที่ต้องต้องกรอนอให้มีเนื้อมีอะไรติดอ๋อมีเนื้อไม่ได้ใช่ไหมเ<ม>จ้าเขากรองมันออกเขาให้เหลือแต่น้ำเนี่ยน้ำมลไม้ทุกชนิดกินเหมือนกันต้องกรองเอาแต่น้ําเอาแต่น้ํามันแต่ไม่ให้มีเนื้ออ๋อทางกานก็ผิด ไม่งั้นไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็เดี๋ยวลองใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์พอบ า, บางทีมันมีอาการคล้ายๆจะเจ็บคอลูกก็เลยบีบมะนาวแล้วก็เอากร้ําพึง่งใส่น้ําร้อนก็ก็ต้องกรองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ต้องกรองตัวน้มามะนาวค่ะได้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจัดเวลาแล้วก็เหมือนที่เรียนกับเรียนพระอาจารย์ไปเจ้าค่ะว่าให้ให้เป็นเวลากับปฏิบัติของเราแล้วก็ให้ เป็นเวลาที่ทํางานส่วนรวมให้เป็นแจ๋วให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะให้ให้ลงตัวให้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปรับปรับอยู่ค่ะช่วงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือ่าเป็นการจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วกันค่ะค่าเช่าบ้านค่าไม่เราไม่อยู่ฟรีเปนฟรีเจ้าค่ะแต่แต่ก็มีความสุขนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าให้เป็นให้เป็นแจ๋วเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาบอกให้ทําอะไร พอเราไม่ได้ทําตามที่เขาต้องการนิดนึงมันความความความไม่สบายใจมันเกิดเจ้าขาพระอาจารย์แต่ถ้าเราทําตามเขาซึ่งมันก็เป็นความหวังดีของเขานะเจ้าขาพระอาจารย์ที่เขาแนะนําให้เราทําแล้วถ้าเราทําตามเหมือนกับว่าจิตใจเรามีได้รับความสงบได้รับความความสบายมากขึ้นเจ้าค่ะอาจาราทนี้ต่อไปเวลาเราไปอยู่ว้านเราก็จะสบายใจใครเขาสั่งให้เราทํำแล้วเราก็ทำได้ใช่ใช่จเจ้าําพระอาจาร ใช่เจ้าขาลูก็็เปนไปเป็นเจ้าเหมือนกันไม่ได้ไปเป็นเจ้าว่ะเจ้าขาไว้จ้าใช่เจ้าขาก็ลูกก็พยายามนึกถึงอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะเวลาก็ก็ลองจัดเวลาดูว่าเออถ้าอยู่วัดตอนนี้ก็คือจะต้องเหมือนทานข้าวแล้วล้างจานตอนนี้ถ้ากวาดลานวัดก็เหมือนกับเรามาล้างมาทำเวลาซักผ้าหรือล้างจานให้พ่อแม่เหมือนกับว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนกับให้เวลากับส่วนรวมเพื่อจ่ายค่าเช่าเหมือนที่ว่าอาจารย์บอกนะเจ้า่ะใช่ ค่ะโอเคค่ะวันนี้ลูกลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะเรื่องสติน ง, งานสตินี่เป็นงานงานที่ทําต่อต่อเ น, นือ่องตั้งแต่เกิดตัหลับค่ะก็ก็รับรับน้อมรับที่ลาออกจากงานมาด้วยข้อนี้มากที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าลูกยังทํางานอยู่สติลูกฝึกไม่ได้แน่นอนเจ้าค่ะพระอาจารย์ แต่แต่ก็ก็ยังอนุบาลอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์การเดินจงกรมกับการฟังธรรมเนี่ยพอมีสติได้บ้างมากๆนิดเึงแต่แต่ยังติดขาดอยู่การที่เราเคยชินกับการทํางานที่เราไม่ได้มีสติกับอิริยาบถนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องฝึกอีกเยอะพอสมควรเพราะบางทีมันเผลอเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาทำานเมื่อเราเราเรางานบ้านอย่างเงี้ยมันเผลอไปอีกห่วงหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้มาอยู่ในห่วงที่เป็นสติกับการเจริญสติกับกายะสตัส คาตาสติอะค่ะพระอาจารย์ได้ดียังไงรูร้ปัญหาของเราเป็นยังไงเราจะได้แก้นะค่ะก็พยายามให้โจทย์ตัวเองว่าเพราะฉะนั้นเวลาทํางานบ้านหรือทํำะอะไรระหว่างวันอย่างเงี้ยจะต้องมาที่กายเจ้าขาพระอาจารย์มันจะได้จะได้เป็นสติตลอดทั้งวันได้เจ้าค่ะไม่เผลออยางเผลอให้น้อยที่สุดค่ะนีมากโอเคค่ะเจ้าขาพระอาจารย์กาลนวัตสการเจ้าค่ะเอบี่เอมี่ แก่นนี่นี่ก็แอีได้ยินไหมแอนนี่เป็นยังไงอยู่พัทยาคนเดียวเหรอุ่กหลับแล้วเลยสวัสดีค่ะพระจารย์ได้ยินไหมคะลูกไปกับพ่ออยู่นะได้ยินได้ยินพูดได้เลยสวัสดีค่ะอ๋ะองค์กับเอ็มไปฮอลิเดย์กับคุณพ่อเขาค่ะค่ะยอยู่อยู่บ้านคนเดียวค่ะ ดีจะได้ปฏิบัติทรได้ค่ะหนูก็ได้มีโอกาสลองนั่งสมาธิแล้วก็ท่องภาวนาพุทโธดูบ้างอะคะ่ะแล้วก็ลองมาอ่าปรับมาทานอาหารวันละมื้อดูะคะ่ะตั้งแต่ต้นเดือนค่ะก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยะคะ่ะเกี่ยวกับ การปฏิบัติว่าเออจะเกิดความสงบหรือว่าจิตรวมใดๆคือหนูหนูมาถูกทางหรือเปล่าคะก็เริ่มต้นมันก็อย่างนี้สร้างบ้านไม่เยอะพอเริ่มสร้างปอบบ้านมันจะเสร็จทีไหนอ่ะค่ะก็สร้างไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆฝึกสติให้บ่อยๆมากหนึ่งฝึกสติทั้งวันให้ได้ตั้งแตารืมตาขึ้นมาก็เริ่มพูดโธรไปในใจอะไร อย่าคิดพยายามคิดให้น้อยที่สุดคิดแต่ในเรื่องที่จะเป็นจะต้องคิดถ้าไม่ชีก็ให้มันคิดอิปปุทโธหรือให้มันเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถา้าทำยิ่ามันจะเห็นผลเร็วขึ้นมากขึ้นด้วยแล้วเวลาว่างก็นั่งแล้วหลับตาดูลองไป น, นั่งพุโทโธไปต้องนั่งมันนานไม่ใช่นั่งแค่ห้านาทีแล้วจ ะ, จะเห็นผลนี่ก นะต้องต้องทำไปเรื่อยๆก่อนใจงเงียๆกุงลงไม่ได้สร้างไปในวันเดียวน ะ, วาะการสงบของใจนี้ไม่ได้เกิดจากการนั่งปุ๊บได้ปั้มเลยนอกจากเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลของอดีตที่ได้ทํามาแล้วอันนี้ก็อีกอย่างบางคนนั่งปุ๊บเดียวห้าทีจิตก็สงบได้ก็มีแต่น้อยน้อยคนส่วนใหญ่ก็ต้องตะเกียกตะกายไปเรื่อยๆ หายได้ทํากันแล้วกันได้ทําถือว่าก้าวหน้านะแล้วแทนที่เราจะไปทํำอะไรยอย่างอื่นไร้สาระเรามาทําเรื่องที่มันเป็นสาระประโยชน์กับจิตใจเราอันนี้ก็ได้นะเราต้องได้การกระทำก่อนเมื่อได้การกระทามีการกระทาตั้งต่อไปผลไก็จะตามมาเงียบตอนนี้ขอให้เรนไปที่การกระทําก่อ น, นึกสติก่อน Not, not, นลดกระดนรับปะทานะาหารให้น้อยลงไปเห็น ม, มือเดียวได้ดนี่ก็ถือว่าได้แล้วถือว่าเก่งนะเก่งกว่าคนที่เห็นสามมือมอโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีค่ะมาร่วมรับฟังค่ะ อ, อ, อาจารย์สายทิพย์อาจารย์สายทิพย์กำลมงพอนแก้วเลย กับนรัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยู่สารคามเจ้าค่ ะ, ะค่ะ ช, ช่วงนี้มีงานรับปัญญาอยู่ทํางานค่ะบ้านอยู่คอนแก่นแต่บ้านประสาทที่มาสอนที่มาอะไรที่<ส>ที่มหาสารคามใช่ค่ะบ้านบ้านอยู่ที่ขอนแก่นค่ะพระอาจารย์ไปดูแลคุณพ่อสลับ ก, กันกับพี่สาวค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้ ก, ก็พยายามกินง่ายอยู่ง่าย เหมือนเหมือนที่อฝึกนะคะพระอาจารย์แล้วก็เอาที่นอนเอาเตียงออกจากห้องนอนที่สา ร, าระคะมมรามนะคะพระอาจารย์มนาที่เพิ่มเยอะยนะเไม่มีเตียงเลยมี้าที่เยอะเลยเนื้อที่กว้างมากเลยค่ะมีทั้งมีแต่ว่าก็ก็ก็ยังไม่เดินจงกรมนะคะพระอาจารย์ยังเป็นประเภทอยากจะปฏิบัติปุบนั่งสมาธิเลยค่ะยังไม่ยอมเดินจงกรมแต่คิดว่าเอ๊ะที่เรานั่งสมาธิเรามัน รวมยากหรือว่าเราจะควรจะต้องเดินตรงกลมสักทีแล้วเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ถ้าทำได้ก็นั่งเลยนี่ว่าถ้านั่งแล้วมันจะจะลุกขึ้นมาได้ทีหลังก็ค่อยลุกขึ้นมาได้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบต้องต้องต้องเดินเพราะ<ๆ>ว่าเพราะว่าหนูแพอคิดแดดจะทําปุ๊บมันก็จะเดินไปแล้วก็นั่งสมาธิเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเดิก็นั่งก็นั่งก็ได้ ก็คือถ้าเรานั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิก็ก็ลุกมาเดินนะคะอาจารย์นั่งจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินไม่ไหวก็กลับไปนั่งใหม่ค่ะสลับันไปค่ะก็เลยช่วงนี้ช่วงสงกรานต์ไม่ได้กลับบ้านแต่ว่ามีช่วงที่ต้องไปช่วยงานที่คณะบ้างแต่ว่าถ้าไม่ไปก็ตั้งใจว่าจะพยายามถือสิมแปดค่ะพระอาจารย์ในในก็ได้ไม่ได้ไปปีกมิเวกเลยค่ะพระอาจารย์ ่เป็นไ<ม>รล่เปลนที่เราอยู่ แ, แล้วนะถ้าเราอยู่ ค, ค, คนนี้ก็ถือว่าเปลียน ม, ม่แม่้วงสนค่ะมีงานแทรกมีงานประชุมแทรกไปไหนไม่ได้เลยค่ะมีเอ่อเรื่องจะเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะว่าอย่างเราพยายามกินง่ายอยู่ง่ายแต่พอจะกลับบ้านเราก็อยากจะซื้อของที่ดีๆอร่อยอร่อ้รไปฝากคนทางบ้านอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารยไ์ได้ไม่เป็นไรถ้าให้คนืได้ให้คนหลือได้แต่อย่าให้ตัวเราแล้วอ๋อค่ะ ค่ะเพราะว่าบางทีเรากลับบ้านแล้วก็เอ๊ะได้กินเหมือนเราเขาก็คงจะก็คงหาอย่าไปพังครับวิจีชีวของเราเพราะเราก็จะนเดพนการเราซื้อของดีให้เขากินอร่อยของที่เขาชอบค่ะก็เลือกซื้อแต่ของที่ที่อร่อยไปฝากอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ซื้อเผื่อว่าอาจจะเข้าเดี๋ยวเขากินก็จะชวนเรากินด้วยเราก็ต้องกินด้วยกินด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่า ไปถว่าถ้ากินข้าวก็กินด้วยกันอะไรเไงี้ยค่ะผ<ต>ู้อาวุโสก็ไม่เป็นไรถ่อค่าถือว่าเป็นอะนี้สองมันก็เป็นคนวายลอ ย, ลย <laughs> ถือถือโอกาสไม่ไค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่ศาลยกรรมก็เราเอาอาหารแบบท<อ>ี่ง่ายๆมาจากที่บ้านแล้วมาทําทํากินเองอันนี้ที่เรากินง่ายๆค่ะค่ะอันนี้ไม่ก็ตอนแรกก็เอ๊ะมันดูขัดกันไหมนะอะไรเงีย้งยค่ะไม่เป็นไรนะคะผู้อาวุโสไม่เป็นไรถ้าทพื่อยคนอื่นทําได้อืมค่ะ ก็ตอนนี้ก็ก็คงแต่ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์พยายามนั่งสมาธิแตะวะ่ว่าด้วยด้วยงานงานมันเข้ามาแทรกแทกสมาธิไม่ไม่ค่อยรวมเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็พยายามนั่งนั่งอยู่ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดทําก็ได้มากได้น้อยก็ทำไปมันถ้าไม่ทําเลยมันจะไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าที่ที่หนูบอกว่า youtube นี่จะดูแบบเวลาที่มีอะไรก็ตึืดๆดูอะไรเงี้ยคะ่ะอาจารย์ตอนนี้ตืดไปก็เอ้ยมันทําไมไม่สนุกเหมือนแบบดูไปอืมก็ก็แบบเหมือนกดเหมือนเหมือนติดความชินนะคะอาจารย์ก็กดแล้วก็แบบเอ้ยไม่สนุกก็เลื่อนๆไปแล้วก็งั้นเลิกดูอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ <ๆ S 2> <ล>พอได้สม <ๆ S 2> าธิทำมากแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับรถแห่งธรรมนะรถแห่งศีลมันแบบมันบอกเองไหาให้ดูไปทําไมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะ เอก็การดูเพื่อค่าเวลาคนี่ยค่ะนี้เราเรามีเรื่องเหมือนนะไม่ไม่ฆ่าเวลาแทนนะอันนี้เรามีการปฏิบัติอะไรไม่ต้องไปอาศัยอยะไรมาค่าเวลาค่ะดูเหมือนความที่สนุกกับมันลดลงเลยค่ะพระอาจารย์แบบว่ามันแบบหอเราทําอะไรอยู่เนี่ยก็เลยเอมันไม่สนุกเหมือนเดิมดูไปก็เอ๊มันไม่สนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะใช่ถูกต้องดีมาก พยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็พยายามเพิ่มศีลขึ้นไปเรื่อยๆค่ะถ้าที่จะพอทําได้ค่ะได้ดีมากค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามแล้วค่ะคุณวางใจจึงเบาสุขุไถ่ตอนนี้ไปอยู่ที่หนอยู่บ้านเนี่ยอาบน้สักการแล้วค่ะตอนนี้โยมมาอยู่วัดป่าใช้าค่ะพระอาจารย์วัดป่าที่ลูกเรีนมาบวชใช่ไหะ อ่ามีกุฏิเดียวยอะอะมีกุฏิแท้เดีวีกยวเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าเี้าค่ะแล้ว <rene> ก็โยมโยมถือโกรดกับอุปกรณ์โยมจะขึ้นไปบนป่าแล้วค่ะเดินไปประมาณกี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะขึ้นไปถึงเจ้าค่ะก็เรียนผ่าเรียนเรียนบอกพระอาจารย์เอ่อท่านเจ้าว่าเจ้าค่ะท่านท่านไม่อนุญาตเพราะว่ามีหมาป่าดุเจ้าค่ะโยมก็เลยลงมาก็ มันก็ไม่ทุกอะไรนะเจ้าค่ะเฉยๆปฏิบัติข้างล่างก็ได้เจ้าค่ะได้ค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรก็ค่ะวันนี้มากลาวพระอาจารย์เฉยๆเจ้าค่ะหรือถ้าท่านอนุญาตได้ก็ดีนะจะได้กปะเทาบจิตใจ้าค่ะจะโยมกลาวขึ้นไปเออก็ทราบอยู่แล้วเจ้าค่ะว่ามีหมาป่าแต่ก็ก็ก็คิดว่าถ้าสุวรรณมากัดเราก็ไม่เป็นไรก็เป็นเป็นเวรกรรมของเราไปเราก็ไม่ได้ คือแม่พร้อมเลยตายอดับหน้าเจ้าค่ะแล้วไม่การเราหมดเลยธรรมชาติถ้าเราไม่ไปทำร้ายมันทำให้มันโกนค่ะแต่โยมก็พิจารณาดูก็คนข้างล่างเขาคงจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็เลยเออลงมาก็ได้ไม่เป็นไรครูาอาจาย์ท่านก็ไปหาเสือกันแล้วก็หาเจ้าค่ะมีท่านเห็นเห็นท่านบอกว่ามีประมาณสามสิบตัวแล้วก็มันดุอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วโยมก็ ไม่ได้อะไรยงก็เชื่อฟังครูบาจารย์โยงว่าเดี๋ยวลงมาข้างล่างก็ได้จ้งค่ะจะ <laughs> ต, ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเสียใจไหมมันจะอะไรไหมมันก็ไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะก็เฉยๆลงมายงก็ภาวนามาเรื่อยๆเจ้าค่ะเดี๋ยวว่าจะลองเดินแถวๆวบบัดไม่รูเจ้าค่ะได้ทํลายครามกลัให้มันหมดไปจากใจแล้วเจ้าค่ะมันโจมก็เผื่อมันจะหลบอยู่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่มันก็ไม่ <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> ไมีเราไม่ต้องกลัวนะ <laughs> ไม่ดีต้องค่ะเรารู้สึกยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่โยมค่ะเขาก็จะเป็นห่วงทีแรกโยมก็จะเอาลูกคนเล็กมาด้วยก็ค่ะแต่พอดีแกเลือดกำเดาไหลป้าเขาก็เลยรับกลับไปบ้านเขาค่ะโยมทีแรกโยมเอาเต็นท์อะไรมาเรียบร้อยแล้วจะถ้าเกิดลูกไม่ยอมนอนตรงนี้โยมก็จะพาไปตรงป่าอะไรย่างเงี้ยต้อค่ะแต่ปรากฏว่าเขาเขาป่วยซะก่อนเออก็ดีโยมก็ไปคนเดียวก็ดีต้องค่ะไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ ดียวลองเจ้าค่ะวันนี้ว่าจะเนสันชิกเจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะรอดไหมลองลองดูแต่ว่าคงจะว่างวันเดียว้็ค่ะทีแรกโยมว่าโยมจะมาอยู่ห้าวันเจ้าค่ะอันนี้ตัวเล็กโหโทรตามจริงเลยเจ้าค่ะคงจะต้องได้กลับพรุ่งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปฏิบัติต่อที่บ้านต่อเจ้าค่ะกลับตัวไปเรื่อยๆกับเอ็นกายเจ้าค่ะก็ดูจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมันก็ดู อะไรก็ได้ไม่ต้องไปยืดไปหดอะไรอยู่ที่ใก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เจ้าค่ะถ้ามีโอกาสก็ทําถ้าไม่มีก็ก็ทําจากมันก็ทําอยู่ที่ใจเราใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่รักษาใจเราให้สงบอย่างเดียวเจ้าค่ะดูก็ไม่ทุกข์กับอะไรดีเนาค่ะเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ดีแล้วทุกข์กัอะไรก็ได้ เป็นคำพูดที่ดีสอะไรก็ได้อะไรก็ได้จะว่าอะไรก็ได้หรือจะใครจะทำอะไรก็ได้จะมีอะไรกินก็นด้ไม่มีอะไรกินก็ได้เจ้าค่ะโยมก็ถือขึ้นไปเอาขวดน้ําไปขวดหนึ่งไปเจอแม่ชีท่านก็ขาไม่ค่อยดีท่านก็ไม่มีขวดน้ําไม่มีน้ําท่านเพียงทิ้งแไปดับไปไม่ไหวเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็สละให้ท่านท่แล้วท่านก็ถามโยมว่าแล้วแม่เนรจะมีกินไหมอะไรไหมโยมก็บอกไม่เป็นไรก็ ไม่ชี้ถังไปก่อนเลยอะไรอย่างเนี้ยค่ะปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้คือท่านก็ไม่ได้ฉันหมดเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวของท่านมีท่านก็จะแบ่งให้โยมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ก็มันดีเจ้าค่ะมันเหมือนยังไงก็ได้เจ้าค่ะเอไม่ค่อยห่วงร่างกายเท่าไหระะ่เจ้าค่ะปล่อยมันไปตามธรรมชาติในทุกสัม เจค่นะยีเท่านี้เ จ, จ, จ้าค่ะอาจารย์จะได้ไม่กเวลาท่านเกิดสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณเอกใช่กิจสกัน ค, ครับธรรมอใช่ไหมใช่ครับธรรมสกันครับอาจารย์มีอะไรกบนี้ก็<อ>ออยังอยู่ในขั้นเจริญสติอยู่ครับไม่มีคําถามครับพรอาจารย์โอเคยังไม่รู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนก็ถือว่าเจริญก็ก้าวหน้านแล้น่ะมันไม่รู้ขั้นไหนเลยก็ลดความอยากอยู่ครับ เรื่องกาแฟที่ว่าเคยเคยลองลดนะฮะก็อันนี้หายยากแลยครับไม่มีไม่มีความอยากเหลืออนยะู่แล้วเดื่ยวก็ได้ไม่เดี๋ยวไได้ครับก็แต่ว่าไม่ได้ดื่มเลยครับ อ, อ, อนี่าอยากก็ไม่เดี๋ยวมันพรามันเรื่องใหม่ๆเดี๋ยวกลับไม่เดี๋ยมันเีอยวมันจะติดขึ้นมาใหม่ไนดะ้อ๋อก็ก็ไม่อยากนะครับอครับไม่มีคําถามครับโอเคั แต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามีการกป็นใครเขาทำให้เราดื่มถ้าต้องดื่มเรื่องมารายาทก็ดื่มได้ถ้าเราไม่อยากจริงๆพลาดเป็นปัญหาอยากเป็นติดใจถ้าเกิดเป็นเราครามไม่อยากดื่มดื่มไม่ได้เลยนี่ยมันก็ผิดปกติแ<ม>ล้วไม่<ะ>ครับโอเคคุณสิทธิ์ทองเชิญกอธรรมามันกั น, นกล่าวนามสการพระอาจารย์เขาผม อยู่อยู่ชนบุรีครับอาจารย์ครับชนบุรีครับมีอะไรไหมอ่าคือเบื้องต้นนะครับก็ได้ฟังทำจากพระอาจารย์นะครับก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็นําไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะครับตอนเนี้ก็ยังอยู่ในขั้นที่ฝึกฝึกสติเจริญสติอยู่นะครับทีนี้คือจะเป็นอ่าจะมีตัวรู้ผู้รู้นะครับกับสติทีนี้คืออยากจะฝึกสตินะครับให้ให้มันมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มันยังมีความเผออยู่แต่ตัวรู้ไปยังรู้ว่า ว, ว, ว่าเผอครั บ, <อ>รบทีนี้ก็เลยครับผมพระอาจารย์ทีนี้ไอสติเนี้ยก็พยายามที่ดูดูดูที่กายนะครับแล้วก็ดูที่กิริยาอาการที่มันเคลื่อนไหวครับแล้วก็ดูความรู้สึกคือคือเวทนานะครับ ก็มีความพอใจไม่พอใจวางเฉยเนี้ยก็ก็ก็ดูพิจรารณาไปนะครับท<ม>ีนี้ก็ที่ว่าเป็นสติมหาสติประฐานนะครับอาจารย์<ม> ก, ก็ก็พยายามที่จะฝึกนะตรงนี้แต่เบื้องต้นจะอยู่ที่ที่กายครับดูดู<ม>ดกิริยาอาการที่มันเกิดขึ้นณณตอนนั้น ณปัจจุบันนั้นนะครับใช่้ครับจนถึงดอย่างครับทีนี้จนจนจนถึงกระทั่งหลับนะครับอาจารย์ทีนี้มันจะเกิดสภาวะคือตอนเราหลับมันมันไม่มีสตินะครับแต่ผมแต่มันยังเหมือนจะมีตัวรู้รู้อยู่แต่ตัวที่ทำงานตลอดเวลาเนี้ยน่าจะเป็นตัวสัญญาเป็นสังขารอยู่ใช่ใช่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับ ก็ไม่ชวนสัญญาสังขารมันทำไว้ทํา ง, งานตลอดเวลา<ม>ครับมันก็เลยมีมีสภาวะที่มันมีความฝันนะครับอาจารย์ใช่แล้ก็จากสัญญาสังขารนี่นะที่ทําให้ฝันครับมันก็เลยว่าพอเราที่จําได้นี้มันต้องต้องต้องเป็นสัญญาเพราะว่ามันมีสภาวะหนึ่งที่ฝันถึงว่าเราเราเราเร า, เราจะตายอย่างเงี้ยครับ ม, มีเกิดอุบัติเหตุหรือเล ย, เลย แต่ทีนี้เหมือนตัวรู้นะครับจะรู้ว่าเอือตายยังไงยังไงก็ต้องตายเราจะไม่ฝืนเราจะไม่ไม่หนีอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ครับก็แปลว่าที่เราฝึกมาก็พอพอใช้ได้อยู่ใช่ได้ใช่ได้ครับแต่ทีนี้มันต้องต้องฝึกกับความจริงแต่เบื้องต้นความจริงเราต้องเข้าใจยอมรับแล้วครับว่าทุกอย่างมันมันไม่เที่ยงครับ ม, มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราหยูดตั้งความไม่ประมาท แต่ที่สําคัญคือสติต้องต้อ ง, ต, องต้องมีสติอยู่อยู่ทุกเวลาอ e> ย่างอย่างนีถ้ถูกต้องนะครับอาจารย์ครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ตัวผู้รู้ผู้รู้กับผู้ถูกรู้อย่างเง ok. ี้ยมันมันเหมือนจะเป็นเป็นคนละตัวแต่ผู้รู้มันเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งนะครับแต่ว่ามันตัวรู้นี้มันเหมือนอยู่อยู่ตลอดเวลาใหมมันรู้อยู่กัับครับ ครับครับทีนี้มันก็จะเกิดการการวางเฉยเฉยได้ใช่ได้ดเ ค, ครับครับทีนี้มันเห็นจริงตอนที่มันมันเกิดจริงนะครับอาจารย์ตอนที่ที่มีการผ่าตัดไส้ติ่งนะครับอาจารย์ตอนนั้นเราเราเราเห็นได้ชัดว่าที่เราฝึกมาปฏิบัติมา มันมันมันรู้สึกว่ามันมันวางได้นะครับมัน<อ>ไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยว่าจะมีการผ่าตัดมีอะไรมันก็วางวางเฉยไปถ้าหมอทําการผ่าตัดก็ผ่าตัดไปแต่เบื้องต้นมันเป็นการอ่าบล็อกบล็อกหลังนะครับอาจารย์มันอาจจะชาเป็ น, เ ป, นเป็นรู้สึกว่ามันชานะครับทีนี้พอเขาผ่าเหมือนคุณหมอนะครับจะวางยายาสลบแล้วมันก็นอนไปเลยแล้วก็รู้สึ เป็นยาหน่าหน้าจมวิปยาก็รู้สึกว่ามีสติขึ้นมาก็สติจับอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ครับโอเคถูกต้องมีอะไรไหมทีนี้ก็ต้องต้องฝึกอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมครับจนให้ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างจนให้ผู้รู้ผู้รู้เนี้ยวางให้รู้เฉยเวางทุกอย่างครับครับไม่ไปทำกต้องฝึกไม่ไปทากับอะไรครับครับงั้นก็ต้องดําเนินต่อไป แต่ยังเจ้ากอะไรอยู่ก็ต้องพยายามปล่อยให้ได้ครับต้องขอขอบความขอบคุณความเมตตาของพระอาจารย์นะครับขอยให้พระอาจารย์ทัดขันแข่งแรงนะครับผมต้องขอทําเวลาหน่อยนะเกือจะสองทุ่มแล้วครับผมเป็นความทราบต่อเป็นความทราบเช่อปลอดภัยด้วยนะถ้าต้องได้หน่อยในวันนี้เป็นความทราบเปิดใบก่อนอันนี้วงล่างซ้ายของจอ กดอีไลน์กดแล้ว อ, อ่มันได้นะ้วได้มัได้กดไล น, น, น์กดป้อนซ้นโอ้หนามาสซการนะะี่ค่ะจากจะหมดเซลกันนะคะพระอาจารย์เซการอะไรยังไงอีอะไรไหมมีอยากถามอ่าฉันมีความไม่สบายใจคือว่ามันมันเป็นสงการพรุ่งนี้มันมีจะไปสงน้ํำพ่อแม่ นี่ฉันติดหนี้มาเยอะท่านกดา่นานะตั้งแต่ปีใหม่แล้วแต่แต่ดิ่ฉันนั่งภาว น, นาแล้วก็แห่ไม่ตาให้ท่านทุกวันค่ะแดดแต่ไม่กล้าไปชูหน้าท่านเลยแบบนี้เราจะบาปไหมครับพระอาจารย์กพ่อแม่ท่านไม่จะเป็นเสือเป็นยักษห์หน่อยแล้วไม่ต้อ ไ, ไปไปกล้าไปชูหน้าพ่อแม่พ่อแม่เขารเราอย่าตายไปให้คิดใ้ดีเสะ เ, เ, เราทำอะไรผิดก็จะยอมรับผิดไปท่านจาด่าท่านจะว่าก็ว่าไ ป, ไปไปกับเท้าท่านเส้นพอไมก็เข้าหาได้อย่าไปทำเรื่อเสียกอะไรกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักเราเสมอแต่ไม่ต้องร้าอายแต่ไม่ต้องราายกับพ่อแม่ต้องแก้ผ้าต่อมาพ่อแม่แล้วตั้งแต่เกิดไป็น้าอายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็อยากทำด้านการปฏิบัตินะคะเอ่ ทุกวันนี้ฉันก็มีอาชีพเป็นครูนะคะผอาจารย์เพราะว่างก็จะนั่งสมาธิแต่ทีนี้นั่งไปแล้ววันนี้ก็ไปนั่งที่ที่สวนมีต้นกล้วยแล้วก็ทับั้ า, ามดกัดหรือว่าจะต้องลุกมาปรับหรือว่านั่งตัวแบบนี้ใช่ไหมคะผู้าจารย์ก็หาที่นั่งบานที่มันไม่มีมดเล <c oughs> ยเดี๋ยวไปนั่งที่มันมี ม, มดเลยเพราะว่า ไปอยู่ส่วนมันจะสงบค่ะถ้าอยบ้านพยายามดูที่การเวลานั่งเราต้องไม่มีมดและปลาถ้ามีก็ขยับหาที่ใหม่ไปจะได้ไม่มีปัญหาเวลานั่งเลแต่ถ้ามานั่งถ้อเราเป็นนั่งตอนต้นแถวไม่มีแั้วเราก็นั่งไปแล้วถ้าเกิดมีมาตัวสองตัวมันจะมากัดมาแท้งถ้าทนได้ก็ทนไปอย่าไปอย่าไปรุกอย่าไปเปลี่ยนพยายามนั่งต่อไปฝึกขันติฝึกความอดทนฝึกสติ ไปแต่ถ้าทำไม่ไหวเจริงก็ต้องพรางลุกก็ต้องย้ายที่ใหม่หาที่ใหม่โอ้เจ้าค่ะแต่ดิฉันขอโอกาสโอกาสถามว่าเวลาจิตรวมนี่เป็นยังไงเจ้าค่ะมันเหมือนตกจากข้างบนจาตกจากที่สูงมันลุกลงมาแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายไม่มีพิษไม่มีภัอะไรก็ถอนออกอย่างเี้ยมันไม่ถอนะถ้า นอจากใหม่ๆครั้งแรกมันอาจจะถอนทันทีเ <c oughs> <ท>พราะเราอาจาจะตื่นเต้นตกใจขึ้นมาไม่เคยเจอของอย่างนี้มา ก, ก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะอยู่เฉยๆอยู่ประมานได้แล้วนั่งสมาธินี่พอพบดิฉันนั่งได้ประมาณสสองชั่วโมงกว่ายังไม่ถึงสามใจใจก็ออกเองจ้ะค่ะลูกลืมตาเองนั่งหลับร่อน นั่งนั่งแล้วหลับ ห, หรือเปล่าแล้วรู้สึกตัวตลอดเวลาใช่ค่ะนั่งรู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะ okay. แล้วเวลามันจะออกแต่จะนนั่งต่อก็ต้องพุโทโธไปคืม อ, อ, อมองมองันจออ้าก<ย>แล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปให้นานที่สุดอยากทําให้ได้ทั้งคืนแต่แต่ไม่ดได้พยายามทำพุโทพโธไปได้ทั้งคืนก็นั่งต่อไปได้ทั้คืแล้วทิฉันขอโอกาสถามว่า ปัญหาจะเกิดขึ้นตอนไหนเจ้าคะปัญหาทำที่ที่นัน่งตอนที่จะไปหาพ่อแม่เนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาแล้วเจ้าค่ะก็ทำหา้หามาแก้เจ้าค่ะก็ทำห้ามากแก้ทำเฉยๆไปพ่อแม่ก็จะด่าจะว่าอะไรก็อยู่ของเขาเจ้าค่ะพ่อแม่ทำหน้าที่ใช้เฉยก็เฉยไปเวลานั่งมันไม่มีปัญหาเวลามันไม่นั่งถึงจะมีปัญหา แต่ต้องเอาเวลาที่เรานั่งมาแล้วมาแก้ปัญหาเอาความุกสสึกที่เราได้จากการนั่งมาแก้ปัญหาได้ตาเจากลับนามัสการจะพามุดหมดปัญหาแล้วค่ะโอเคจากมือการใช่ไหมการหมดคำจากมงการค่ะโอเคไปที่ท่านต่อไปนะคุณคิดิสักคุณมาสการครับอาจารย์ครับ Uh, ันนี้มีคำถาม uh, คือว่าช่วงหลังๆนี้เน้น uh, สติเจริญสติอย่างที่พระอาจารย์สอนนะครับแล้วก็จิต uh, ก็ค่อนข้างจะสงบในเวลานั่งแต่ช่วงหลังๆรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันเฉยๆมันเฉยๆแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบมันรู้สึกอัศจรรย์หรือมีความสุขมากๆนะครับเป็นครั้งแรกเลยครั้งใหม่ ครั้งต่อไปมันเริ่มน่าชิจนามันอันนี้มันเป็นปกติใช่ไหมครับปกติมันจเฉยๆตลอเฉยๆเฉยๆเฉยๆสบายครับมันแบบไม่ไม่มีอะไรมันรู้สึกเฉยๆครับอได้อย่างนี้ก็ดีมันไม่มีอะไรมันว่ามันถูกเหรอใช่ไหมครับอารย์ถูกนะโอ้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออ่า ในฝั่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์เทศนะครับคือให้เจริญสติมากๆแล้วก็มาทําความสงบพอมันสงบปุ๊บก็ให้ทําความสงบเไปเยอะๆแล้วสุดท้ายมันจะเป็นสมาธิที่พรมากลับมาที่พระอาจารย์สอนว่าอุเบกขานี่คือตัวสมาธิตัวเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวเดียวกันพลังสมาธิก็คืออุเบกขาอืมครับเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ก็ยังร่างชตัวหลงอยู่ลักษณะว่ายัางไม่ยังไม่ตั้เบกขา่ยครับนี้รวมมาถึงตอนที่เราออกจากสมาธิออกจากการนั่งแล้วด้วยใช่ไหมครใช่ออกมาจากการนั่งเพื่อที่จะมาใช้จากวเวลาออกจากสมาธิมาจะแล้วโเบค่ะมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย B เนะกระถูกอะไรกระทบก็เฉยได้ถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้ปัญญาหรืใช้สติต่อ ให้มันเฉยต่อไปให้ได้ครับครับก็ใช่แล้วครับอาจารย์ครับมีคำถาม <Okay. S 1> เ ข, <อ S 2> ข้าเลยในคนคือหมอวินาทีต่อหมออยู่มาถึงไหนนะ่ะมันอยู่ที่พิซื้อลกนะเนอะเก่อวกับราชการครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ปัตยา่ะครับผมปัตยาร <laughs> วันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาลองไปใส่บาตรอาจารย์พุ่งนี้เช้าครับ okay. เมื่อเช้าใ่คนใส่บาตร6 0คนโอ้โหอาจารย์เหนื่อยแย่เลยครับผมเแต่ก็เหมือนเดิมมันก็ก็เดินระยะเท่าเท่าเดิมเป็นหลายคนใส่เยอะจังครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอโอกาสไปตามพระอาจารย์บินฑบาตด้วยครับผมอันนี้เช้าเลยนะเริ่มประมาณก่อนหกโมงห้านาทีก่อนหกโมงเริ่มบิณฑมาต ครั บ, บ<า>ผมวั า, <ม> า, าที่ซึ่เนี่ยเพื่ออะไรต้องขยับเวลาครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ก็ฝึกสติอยู่ตลอดจะ ต, ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงพระาอาจารย์อันดับแรกในความคิดเลยครับพระอาจารย์ครับแล้วก็มานั่งสมาธิก็หมอนครับผ ม, มก็ได้ให้มีสติแล้วเรื่องถึงครูบาอาจารย์เรื่องถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ อาจารย์ครับผมเดินถามครับอที่ฟังอาจารย์บอกว่าเวลารวมเนี่ยมันจะตกลงมาใช่ไหมครับเอถ้ามันแบบมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันไม่ได้ตกแต่มันมันหมุนจากซ้ายไปขวาแล้วมันก็แล้วมันก็เหมือนอยู่ในห้องมุดมุดมันอาจจะมีอาการแปลกๆแล้วฝันให้มันจะนิ่งอ๋อแต่มันอยู่ไม่กี่วินาทีเออไม่เป็นไรก็เป็นยังเป็นทันติกาสมาธิครับผมถ้าจิตจะรวมนี่บางทีมันอาจจะมีแสดงอาการแปลกๆ อาจจะไม่สุดตกจากที่ส่วนก็ได้บางทีอาจจะเหมือนถือผีเอะก็ได้ครับผมอาจจมีอะไรต่างๆคอยนั้นเรามีสติรูกไปเฉยๆก็แล้วแต่บางทีอาจจะรู้สึกว่าถูกยกขึ้นมาทุ่มลงไปก็มีอ๋อครับผมเพราะตอนนั้นก็รู้สึกว่ารู้ตัวอยู่ดูธรรมดามันรู้ตัวว่ามันเป็นเป็นมายาของกิเลสของของจิตก็แล้วแต่ครับผมครับหน้าที่เราเป็นแต่ไปแต่สัตว์แต่ว่ารู้ไป ไม่ต้องไปตื่นเต้นตอกใจไม่ต้องไปยึดปฏิกิริยาอะไรกับมันครับให้รู้กันมันนั้นดูว่าประโยชน์นดูว่าอย่าไปมีอาการอะไรดูว่ามันเป็นเพียงคาพประโยชน์ด้วยครับอาจารย์เดี๋ยวครั้งนี้ไปใส่บาตก่อนได้เดี๋ยวครั้งหน้าไปปิดวิเวกครับอาจารย์ครับปลายเดือนครับปลายเดือนนี่แปดนยครับผมอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับผม สัปดาห์1 yes. นะ่ล้ว success ด้วยใช่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะวัสดีคุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะขอร่วมฟังเจ้าคะ่ะดีมากแสดงว่าเรียนจบแนละ้วฝ <c oughs> ไม่ได้คะ่ะ ก, ก, ก้าวหน้าถอยหลังสลับไปสลับมาเจ้าคะ่ะก็ก็เมื่อไหล่ที่ถอยหลังก็ยืดคําที่พระอาจารย์บอกว่าสติสติเล่นสติคือสติคือ เจ้าค่ะเจ้าตอนนั้นแล้วเจ้าค่ะทุกวันเจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะอาาณจาย์นณิจารายหนาเกอพัทยาอ่า่เชนอ่าก็กำลังฝึกเจริญสติอยู่กับตัวเองอะค่ะวันนี้อ่ทันไหทันกิเลสไหมก็ทันกิเลสไหมก็ ม, มีหลุด บ, บ้างคาา่ะพระอาจารย์ แต่ก็พยายามอยู่ค่ะพยายามเหมือนกับที่มาเข้าห้องมาฟังผ้าจารย์นะคะก็จะพยายามนั่งฟังเพื่อนๆแล้วก็ผ้าจานฟังให้ได้มากที่สุดไม่ให้หลุดออกไปทางไหนเลยะาานะคะผ้าจายนได้ค่ะอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องเวลาฟังทำก็ต้องมีสติอยู่การฟังอย่าไปทิองนั้นเงนียบๆอย่าไปทำอะไรนั่งเฉยๆฟังไปนั่งเงียบถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแต่บางทีมันก็เป็นประโยชน์กับเราได้ต่อไป ค่ะแล้วก็พยายามนั่งฟังแล้วก็ให้นิ่งแล้วก็เหมือนนั่งสมาธิว่าแบบไม่เกินน้ำลายไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเพิ่งมาขยับตอนพระอาจารย์เลี้ยงนะคะพระอาจารย์ค่ะดีมากค่ะก็จะให้ยับค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเลยครับพระอาจารย์โอเคไปที่คน NK ดอก NK ดอก NK อยู่ที่ไหนคน NK ดอกนรมาศอาจาย์พระอาจารย์ค่ะ อยู่ทนะี่ไหะก็ได้โอเพูดได้เลยได้ยินนะเอาเสียงขายไปเลยนะอั น, นได้ยินไหมค ะ, ะได้ยินนะใช่ ค, ค่ะอยู่โตเกียวค่ะวันนี้มาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะอาจารย์เฉกเฉกค่ะเคยเข้ามาหร้อยังเคยแล้วใช่าเคยค่ะที่มากับลูกชายพอดีวันนี้เขาหลับเร็วเลยได้เข้าค่ ะ, อะโอเคดีแล้วใช่ไ<ห> ไม่มีค่ะกับน้ำมันจัรค่ะอยูที่จอเกีย ม, มีทะเลาสองการหรืัเปล่ะะไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้โรนะงเรียนเพิ่งเปิดเทอมคันเนสรี่ป่วงมากเลยค่ะสติแตกวันละสิบรอบก็เลยไม่ค่อยได้แล้วเปลีนตัอกกับ เ, เรื่องเรื่องแผ่นดินไหวไหมช่วงนี้มีบ่อยนะค่ะโอเคถ้าไม่มีเวลาก็ไปที่ท่านต่อไปนะคนุูกที่มา ใช่จากกทมวันนี้ไม่เคยถามเลยกลับธรรสถารจ้ะค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคําถามจ้ะค่ะไ ม, ม่โอเคครับณ ป, ปุ้ยอใจลักเซเบิร์กอยู่อยู่ที่เมืองลักเซเบิร์กด้วยหรือเปล่าหรืว่าอยู่อยู่อีกเมืองอยู่อยู่ในเมืองเลยคะ่ะกลับธรรมสการค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ปุ้ยอยู่ในเมืองเลยคะ่ะอย่างใจเมืองของลักเซเบิร์กเลยแต่ว่าปุ้ย mm hmm. ต้องขับรถมาทํางานทางใต้คะ่ะ ตัวตัวประเทศลักษณะนี้มันไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่คำว่าั่วชั่วงมาอนจังหวัดสิงหบุรเหมือนจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดหนึ่งเลยค่ะมีประชาชนเท่ากันเลยฮรูปลักษ์เหมือนกันเลยค่ะมแันแต่ว่าพูดถึงแล้วไม่มีปัญหาเยอะคนอื่นเขามีโควิดเขามีอะไรกันเราไม่ค่อยมีแล้วนี่พวกประทรวงวัคซีนมันถึงเนี่ยมันเร็วกว่ามันเร็วด้วยอาชีพนี้ก็เจริญก็เจริญทุกอย่าง มีการศึกษากันทุกคนเท่าเท่ากันหมดใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองแบงค์กิจ<ม>การ<ม>ของมัน ก, กิจการเป็นที่ทางองค์กรนาโต้อะไรต่างๆเ่องนี้ใช่ค่ะมี อ, องค์กรนาโต้นาซอะไรเงี้ยและ <S <s คือสวัสดิการมันดีและมันเป็นที่เป็นประเทศที่สองของยุโรปที่ว่ามันเดียนสูงสุดเนเราขนาดขั้นต่ำมันก็โอ้โห เยอะมากแล้วพุยมีวีซ่าอยู่ได้ไงไม่ว่าเป็นคนที่น่กัแล้ยเป็นคนที่นี่มีสองสัญชาติเพราะอยู่มา27ปีแล้วค่ะ27 28ปีเอ่อวันที่21อเอ่อเมษาไอ้พุธสภาค่ะีได้สาีคนที่นั่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะ่ใช่คะ่ะแต่งงานกันแล้วก็แบบอยู่มาเกือบ20 พราะลูกจะยี่สบเจ็ดและยี่สแปดปีเดือนพูดสปาแต่ว่าเลิกกันไปเลิกลากันไปแล้วเราอยู่อย่างนี้เราก็ปฏิบัติทําไปสบายดีไม่ต้องมีเรื่องอะไรคิดว่าอยู่ที่นี่มันดีมันไม่มีมันไม่ต้องกลัวเรื่องขโมยกระโจยไม่ต้องกลัวใครจะมาตีหัวเราอะไรอย่างเงี้ยเไม่มีปัญหาเรื่ด้านยากรรมเลยนะไม่มีมันจะมีแค่ปัญหาเดียวก็แค่ว่าเราไม่มีวัด เราเคยมีวัดแต่ว่าพระเขาทุศีนแล้วเราก็ไม่เราก็เขาก็ไม่ยอมกลับเมืองไทยเขาสัญญา ว, ว่าเขาจะกลับเมืองไทยก็าม่กลับแล้วเราก็เออโอเคโยมก็เลยมีคําถามจะถามหลวงพระอาจารย์ด้วยว่าโยมเนี่ยบิดามันดาโยมเสียชีวิตแล้วแต่ว่าโยมใส่บาตกับกั บ, กบออพระพุทธเจ้าวันนี้ได้ไหมคะได้ได้ใช่เพราะโยมอยากใส่บาตนะทีนี้โยมก็ปฏิบัติโดยที่ว่า สวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรพระพุทธ เ, เจ้าเอา uh huh. เอาือฮะเกิดมาให้เอาเข้าวมาใส่บาตรต่อหน้าพระพลูกไม่ได้ไม่ควรไม่เกิดประโยชน์เลยความหมายก็คือให้เราบริจาคเงินที่เราจะซื้ออาหารใส่บาตรนี้ไปให้กับวัดแทวัดไหนก็ได้วัดที่เมืองไทยก็ได้อ๋อ oh, ต้องทําอย่างนั้นเหรอคะเอเอโอนเงินไปที่วัดที่เราอยากจะทําบุญด้วยก็ถือว่าเราได้ใส่บาตรยมทํากับพระอาจารย์ยงไม่ทำกับคนอื่ ก็ไม่เวลาไรแบนี้พูดว่าเดี๋ยวจะหาว่าสอนเพื่อให้เอาน้ําลาบใส่ตัวเราเองนะนะบอก้ต่จะทําได้ไหนก็แล้วแต่ศรัทธาทําได้ครับทุกอย่างใช่ใช่และมันจะมีแบบว่าอะไรนั่นเอพราจารย์ที่แบบเขาเชื่อกันเรื่องเรื่องอะไรด้าดาวดาวพระเคราะห์ดาวลาหูดาวอะไรที่เกี่ยวไม่เกี่ยวศาสนาเพื่อ้เชื่อกรรมอย่างเดียวเชื่อกมมีกรรมช่วยอย่างเดียว อยากให้พระอาจารย์มาที่นี่จังเลยถามาแล้วเป่ไงมนถึงบ้านแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าตนนี้มันบตอนนี้ก็ถึงตอนนี้ก็ถึงบ้านเรแล้วเนี่ยอยู่ในห้องเาแลเนี่ยอ๋ออยู่ที่ทำงานดีใจเลยดีใไม่มีอะไรมาเติมพลังมาขอพรขอพรสอบยสงการ ก็ขอให้ศกดิ์เจริญให้ร้อมให้รวยสวยไม่สับานไม่รู้โดยนะสาธุคนะ่ะถูกหวยด้วยอ่ะพระอาจารย์ถูกหวยด้วยนะขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีธาตุขันแข็งแรงนะคะอย่าสาธุจ้ะขอขอบพระคุณค่ะที่สั่งสอนลูกศิษย์ค่ะคไม่ไค่ะที่ ค, <า>คุณคมนิดนะคมนิดนะคมนิ ด, นดอยู่จี่ปุ่น อาจารย์กล่าวนามาสการค่ะชื่อคมเนตรแล้วคมเนตรนะคมเนตรค่ะพระอาจารย์คมเนตรเลยออมเนตรเป็นภาษาอะไรคมเนตรภาษาไทยคมเนตรภาษาไทยค่ะพระอาจารย์คมโยมเปลี่ยนชื่อเพราะว่าโยมเข้าซูมหลายหลายห้องค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่มีอะไรนะกะเข้ามาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพระอาจารย์มาขอพรค่ะโยม โยมอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อกี้สามียมเอมเป็นชาวต่างชาตินะคะก็มามากราบในมรณะการก่อนที่จะเข้าไปนอนนะคะโอเคสาธุการรับสิง่งให้เจริญให้เข้ท่ า, าปอดภัให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการนะสาธุค่ะขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายท่าแข็งแรงนะค ะ, ะยมเข้ามาฟังทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะ คุณชนดาเชิญชนะดามาส่งเมนูามาวันนี้มาส่งเมนู <laughs> นวัสการเจ้าค่ะพาจานอ่าคุณได้ยินได้ยินแล้วคุณได้ได้ยินแล้วนะคะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่ค่ะพาจารนพรุ่งนี้คะ่ะค่ะเออพาจาย์ค่ะน้ํายลายแล้ว <laughs> <laughs> สาธุค่ะ ก็จะเข้ามาเรียนพระอาจารย์ว่าเดี๋ยววันที่สิบหกนี้แล้วอะค่ะที่จะไปอยู่บนเขาชีโอนนะคะอือจะวันกี่วันนะเจ็ดวันเลยค่ะพระอาจารย์โอเคว่าจะว่าจะงดอาหารด้วยค่ะพระอาจารย์ได้ดแต่ตอนนี้ไม่ได้งดนะคะเพราะว่ากลัวขาดสารอาหารเดี<笑><笑>๋ยวไปงดปนได้ไม่ตายไม่ตายก็ก็ดื่มนมได้ถ้าถ้ายังใจถ้าหิวมากมาก็เหลื่มนมต่ต้องดื่มก่อนเที่ยงนะ ช่วงช่วงก่อนเที่ยงตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงไปดื่ ม, มน้ำได้ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าร่างกายมันอิ่มแล้วอดไปหลายวันเนี่ยเปนบายก็ดื่มน้ําผมละไม่เลื่อนดื่มน้ำพึ่งน้าอะไรนี้ได้ไม่ควรเอางานไปทําเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ควรเลยมีแต่ทํน้าอย่างนีง้ถ้านั่งเฉยๆได้ยิ่งดีเราเรานั่งที่เก้าอี้นั่งนั่งบนขอบเตียงหรือเราจะไม่ทำอะไรจะนั่งอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้นาที่สุดทัยนยานานได้ โดยอาศัยใช้สติใช้พุตโทรใช้สวดมนต์ใช้อะไรก็ได้แต่ไม่อาศัยสิ่งภายนอกใจเลยลองสู้กับความอยากมีความอยากมีนั่งตรงนี้เดี๋ยวใหลุกไปเดินนู้นน้นเดินแล้วก็กลับมานั่งตรงนี้บอกให้มันนั่งอยู่ที่เดียวถ้านั่งแล้วมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนเปลียนอัตตาบุตรแต่ไม่ไม่เคลื่อนไหวแม่ให้ไปการจากจุดที่เรานั่งยกเว้นถ้าเราต้องเข้าห้องน้ำนั่นถ้ า, าหิวน้ําราเอาน้ำมาไว้ข้าง ลองฝืนความอยากดูความอยากที่ไม่จําเป็ น, น, นถ้าเราไม่คอยฝืนมันมันก็มันก็จะดอกออกไปนู่นมานี่เงี้ยถ้าเราฝืนมันได้ต่อไปมันก็จะไม่มาบรบกวนเราก็จะอยู่เฉยๆอยู่เป็นสมได้เออคือถ้านั่งถ้าถ้านั่งได้ดีแล้วก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปเดินจ ง, จงกรมใช่ไหมคะคือ ก, การที่ลุกขึ้นไปเดินจงกรมนี้มัน อันนั้นนั่น น, นในรูปแบบหนึ่งนั่นะคือถ้าเราปฏิบัติธรรมดาทั่วไปเราก็ท่านนั่งแล้วเมื่อเราก็ลุกไปเดินจ ก, กรเมื่อเดินจงกรมเมื่อเราตัำไปนะันี่<ะ>ถ้าเราอยากจะเอาเอาวิธีสู้ออกับความอยากคือปราบความอยากมันอยากจะอยู่ตรงนี้ขาอยากจะไปตรงนู้อยู่นู้นก็อยากจะมาตรงนี้นะ่าจะอยู่ที่เดียวนาน<ะ>หลายๆชั่วโ<ะ>มงดูท่า<ะ> น, นให้ความอยากจะไปนุ่นมานี่ให้มันหายไปให้ได้ นั่งเฉยแบบไม่ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรก็ไม่ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ค่ะเราไม่ไม่ต้องทํรมานร่างกายถ้ามันเจ็บก็เปลี่ยนในยาวๆก็ได้คือขึ้นมายืนแล้วขยับขยับเท้าขยับขาอะไรได้แต่ไม่ให้เคลื่อนไหวไปไปจากจุดนั้นจุดเดียวค่ะน้องเวินจะต้องเข้าห้องแล้วอย่างเดียวเราจะได้สังเกตดุว่าจิตเราทำไมอยู่เฉยเฉยไม่ได้เนาะนั่งอยู่ที่นี่ก็สบายแล้ว จ, จริงๆค่กพระอาจารย์เคยเคยเห็นค่ะอาจารย์ที่แบบมันอยู่เฉ ย, ยไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องสามารถใช้บันเขาให้มันอยู่เฉยได้ใช้สติใช้ทุกทโปไปใช้สมาธิไปได้ดีต่อไปมันก็จะมันก็จะหายอยากเนี่ยพอมันหายอยากก็รู้สึกเบาเลยนี่นั่งเฉยๆรู้สึกสบายไม่เครียด เหมนตอนที่มันอยากขยับเป็นนุ่นอยากจะมานุ่นมันจะลุกมันจะไปทํานุ่นทานี่อันนี้เราไม่มีอะไรให้มันทำํำแค่มันอยู่เฉยเราทําอยู่ถ้าไปอยู่คนเดียวมันจะได้มีโอกาสทํานี้นะยิ่งยิ่งไม่กินอาหารย่ไม่มีพลังแล้วทไม่ใช่ใ <จ S 1> <ๆ>ไหมเพื่มีจิตใจนิ่งอย่างยิ่งได้ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนู ม, มีเรื่องสอบถามด้วยคะ่ะว่ า, วา ค่ะเ อ, อ่อตอนตอนที่เคยนั่งสมาธิเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราอ่ะกําหนดได้ว่าเราอ่ะนั่งแล้วเราอ่ะจะลืมตาตอนกี่โมงคือมันก็จะลืมตามาตอนเวลานั้นพอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนหลังมันไม่เป็นมันไม่เป็นแบบนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรก็นู้ตามความเป็นจริงเป็นยังไงก็เป็นยังไงก็ไม่ได้คือมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมลงหรืออะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวเลไม่เกี่ยวอ๋อใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะ แล้วแล้โยมถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอดีว่าวันนั้นน่าเดินคุยงานนะคะเดินไปเรื่อยๆคุยเรื่องงานไปเรื่อยๆแล้วก็ไ ป, ไปไปไปที่บริเวณสนามญ้าหน้าบ้านคนอื่นทีนี้เนี่ยมันมีหมาวิ่งมาสี่ตัวก็วคือมาล้อมมาขับพาจารย์ ท, ทําท่าทําท่าเหมือนเหมือนจะเข้ามาทําร้ายเนาะทีนี้โยมก็แบบคือไม่ได้ไม่ได้ตกใจค่ ะ, คะพอาจารย์แต่ก็เอามือโทรศัพท์แกว่งเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะกัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอาจาน แกว่งไปรอบๆรอบๆแล้วก็นึกในใจมันจะกัดจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะคือไล่มันก็ไม่ไปด้วยพักหนึ่งเลยค่ะพอาจารย์แล้วตอนนั้นเดยวก็คิดว่าอืมคือคือถ้าไล่ไม่ไปแล้วปล่อยให้มันกัดเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันกัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นแผลเดี๋ยวไปปฏิบัติมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นภาระอีกอะไรเงี้ยหรือปล่อยหรือถ้าถ้าเราสมมติว่าเราไม่กลัวมันจริงเราไม่กลัวตายอะไรเงี้ยแล้วปล่อยมันกัดนี่เราโง่ไหมอะไรเงี้ยหร ยมก็ยมรู้สึกว่ามันเราจะโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้ า, าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเป็นการทดสอบก็ต้องยอมให้มันกลัดตายดูหน้ารอาดไหมมากกว่าย<อ>ิงจริงๆแต่ถ้าปกติก็ต้องใช้เหตุผลว่าคนจะป้องกันโดนได้ก็ป้องกันอย่าไปให้มั น, นแต่ถ้า อ, อยากทดสอบจิตใจช่วงที่ทดสอบอนี่ก็ต้องยอมยอมตายมันจะกลับให้ตายก็ป่อนกัดใหตายช่วงทดสอบนะช่วงช่วงที่ทําำก็สอบ แต่ถ้าช่วงปกติก็ต้องมีสติคอยคอยดูแลรักษารางการเ้องกันให้ดีที่สุดทีาที่จะทําได้โดยที่ใจเราไม่อยากไปทุกข์กับมันก็กันอืมฮึค่อาจารย์อืมโอเคถ้าเกิดจะทดสอบก็ต้องปล่อยไปเลยอ่าเราปล่อยได้จริงหรือเป่าอืมค่ะอ า, าจารย์เรือบเกือบเหมือนกันค่ะเกือบโมโหมันเหมือ น, น, นกันค่ะ ตอนตอนหยิบไม้ได้ก็นึกเหมือนกันว่าจะเดี๋ยวจะตีปากมันเลยแต่ว่าพอสักพักหนึ่งไม่ใช่มันต้องเมตตาสิอะไรเงี้ยต้องแบบต้องเมตตามันอะไรเงี้ยใจมันก็เลยวางไปเลยเมตตาและอุเบกขาใช่มันก็เลยวางไปเลยค่ะพระอาจารย์มันวางวางไปเลยอะที่ที่ที่แบบรู้สึกอนั่นกับมันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็พอได้อยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องยอมตายจริงๆอีกทีหนึ่ง จะครับอาพเจ้ากับขอคุณอย่างสูงคอาจจะได้พิสูจน์ก็ได้ไมได้ทดสอบก็ได้ก็เดยัง็วันใดข้างนรู้บ้างก็ได้โอเค่นะค่ะสาธุค่ะของพ่ะคุณค่ะคุณธนภพต่อธนภพเชถามอีกอย่างนึ่งโอเคครับทำน้ำมัสการขอาพเจ้าอยู่ที่ไหน อ่าอยู่โซร่าครับโซลาเนี่ยอมีอะไรไหมพอดีอยากสอบถามพระอาจารย์ครับพอดีผมเป็นคนติดวัตถุมงคลนะครับอยากอยากเลิกจากความอยากตรงเนี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองติดหนักมากอะครับติดต้ออะไร น, นะต้อเชื่อในเรื่องพวกอ่าพวกเครื่องรางพวกไสยศาสตร์อะไรพวกเนี้ยครับแ่ว้วร่างกายตัวเองว่าแล้ว เรื่องาวของ ข, องของ่าวเราไม่ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเออไม่ได้นำไปไปไปมีไว้ทำไมให้เสียเวลาใช่ไหมมีมีมมพระสมเด็จมีอะไรราคาแพงขนานดะนั้นเดี๋ยวมันน่แก่เจ็บตายเหมือนกันใช่ไหอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาเราจะเลิกง่าย มันเป็ น, เ ป, นเป็นวัตถุเรามันไปเติมมงคนเข้าไปเองชื่อกันไปแล้วก็มีเรื่องมีรานะวันเล่าให้ฟังกันเลยการป็นทึอคากันไปห็นมไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรกันนะอันนี้มันไม่มีใครวมาพิสูจน์จริ ง, รงๆให้เราเห็นหมดใช่ไหมคนถอยพระเต็มคอนี่มูอุบัติเห็นุลดความตายกันไปนั่งเยอะแยะครับอาจารย์เขาบขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งครับก็ดีอยาก จะฝึกอนาปานัสติครับแล้วต้องเริ่มต้นฝึกยังไงบ้างครับก็ต้องฝึกกายกับตาสติตัางเวลาตั้งแต่ตื่นขึข้นมาเนี่ยดูเข้าดูร่างกายก่อนยังไม่ต้องมาดูลงดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูกา ร, ก, า ร, ก, ารกระทำต่างๆของร่างกายเข้าให้ใจเกาะติดอยู่กับกายไปก่อนแล้วพอเวลาเรานั่งมาถึงค่อยมาดูลมหายใจเขา้าครับผม ถ้าเราไม่ทํานี้เวามานั่งดูเรามันใจมันจะไม่มีกําลังสติยังไม่มีกําลังมันจะลอยมันจะไปคิดเรื่องอะไรับมันจะไม่ยำอยู่กับลมดงั้นก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องมีสติฝึกสติให้อยู่กับร่างกายในการาทำต่างๆของร่างกายครับรบขอบคุณครับโอเคครต่อนะคุณเจเรนนะกุญแจริญคุณแจเริญัวผัน อูทีไหนคุณอาากับวสการพ่อแม่ผูบาอาจารย์ป้าอาจารย์สุชาติกับผมอยู่ที่ศิราชาครับศิราชมีอะไรไหมก็มีอยู่สองเรื่องครับผมเองก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเช้านะครับแล้วก็เย็นทุกวันนะครับก็ฝึกมาหลายปีแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามป้าอาจารย์ครับก็คือมันเป็นภาษาของตึ้งจิตนะครับคือ จิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกเลยครับตัวจิตสํานึกนี่คือตัวสติใช่ไหมครัจิตสํานึกก็คือการเรียรู้เรื่องต่างๆในขณะที่เราเราเราสามารถสังมันได้จิตจิต ท, ที่อยู่บนสนึกเนี่ยเราสามารมันสานึกถึงเรื่องนั้นเรนื่ได้นะแต่จิตใต้สํานึกนี่มันเป็นสิ่งที่มันมักจะขึ้นมาตอนที่เราเราอาจจะควบไม่ได้ควบคุมจิต จิตได้ทำไดกแต่เ ร, เราก็ไม่ไดแน่ใจนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพ<ต>ื่อปัญญาจะมีเรื่องราวของ subconscient ก, ก็คือจิตใต้ตสุนทรมีพลังงานที่จะช่วยช่วยอะไรต่างๆในชุดของเราได้ทั้งร่างกายด้วยอันนี้ในทางพุทธศาสนามีนีมครับกามันเป็นทั้งคุณทั้งโทษจิตได้สำไดกท่าจิตได้ทำได้คิดไปในทางสํำนึกในทางไม่ดีมันก็มาทําร้เราได้ทาได้ครับก็กรับก็ มีอีกสิ่งหนึ่งก็คือพระธุดงที่อยู่ในป่าถ้าเกิดป่วยไม่สบายนะครับเราใช้พิธีใช้จิตรักษาเป็นค<ช>์ทรใช่ใช่ทำให้องค์ทนงไ้ใช่ใช่ทำให้ใช้สติใช้ปัญญาอ๋อใช้ใช้จิตจิตที่นิ่งสงบเบาแล้วก็จิตตัวนั้นคือตัวรู้มาร<ช>ักษาใช่แล้วปล่อยวางร่างกายอ๋อปล่อยให้นานาร่างกายมันให้มันรักษาตัวมันเดงถ้าหายก็หายไม่หายก็ตายครับ ขอแช้ปัญญาเข้าไปตัว น, นั้นก็แบบครับรครับครับก็บบมีทฤษฎสุดท้ายครับพรุ่งนี้วันสงการพระอาจารย์ตอนช่วงบ่ายๆที่ัญญาณป้าอาจารย์เองได้เทศานาะเหมือนอยิบบนเขาไหมครับียน้ช่วงนี้วิ้นไม่ก่อนเพราะเนื่องจากการระบายของโรกมันยังไม่ค่อยจะปลอดภัยอันนี้ก็เลยไม่ได้เทศนามแต่สแสดงทำเอาของเก่ามามาไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ไปอยู่ทูป อ๋อครับมีทางเลืก็คือต้องไปใส่บาตรตอนเช้าที่นิทรรศเพื่อลืมมาฟังตอนนี้ตอนตอนค่ำนะครับครับก็ขอบขอบขอบคุณพระอาชญ์ครับที่เมตตาแล้วให้ทำมากครับบีนเจ้าดีครับครับคุณจอยตอบจอยตอนนี้กลับมาแล้วยังยังอยู่สุพรรณอยู่ยังค่ะพูดเสียงดังหน่อยจะไม่ค่าดได้ยินยัง ยังอยู่สัมพอยู่นะปัดกับกับวันจันโอเคช่วยช่วยเขาทํางานบ้านอ่าเนี้เป็นทําเป็นบุญการรับใช้ผู้อืนนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างค่ะอดทนแล้วก็ฝึกเป็นแจ้วฝึกเป็นแจ้วว่ะฝึกอดทนแล้วเขาใจทําอะไรก็ทำอ่าเขาจะสั่งให้เราทําอะไรล้วก็ทําไปค่ะ วันนี้ไม่มีอะไรคร่ะโอเคไปที่ท่านต่อไปเลยคุณจิ๊คุณจิ๊ชเชิญจาก USA, อเมริ ก, กาในวันนี้ขอพรค่ะพระจารย์พระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่จะมากาบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ค่ะแล้วก็ก็จะพยายามปีใหม่นี้ก็ตั้งใจจะพยายามมีสติให้มากขึ้นตอนนี้ติดชานมไข่มุกงอมแงมเลยค่ะพระอาจารย์ อันนี้เรารู้สึกว่าใส่เสื้อมาแล้วมันอึดอัดมากเลยค่ะก็นั่งพงสังขารไปด้วยแล้วก็เลยคิดว่าโอเคปีใหม่นี้เราจะมีสัจจะลดเหลือวันอาทิตย์ละแก้วได้ไหมถ้อยนะต้องต้องสัจจะอาทิตย์ละแก้วพอๆนะเนี่ยค่ะอะไรมามากราบกับพระอาจารย์ไว้ค่ะจะได้รู้ว่าถ้าเราผิดสัจจะที่พระอาจารย์เราจะรู้สึกบาป ค่ะพระอาจารย์ทาไม่ได้นะทำพยายามทีไหนทำสำเร็จทงนี้นค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็กลับสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์แล้วก็สวัสดีปีใหม่กรรยานามิทุกท่านนะคะแล้วก็ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะสาธุสาธุพระอาจารย์เดี๋ยวขอพรปีใหม่ด้วยนะคะอให้สุดได้เฉลยให้ร่ำรวยแค่ขาดปลอดภันะขอให้เดืนชาวไทยรุ่งกันที่รับหนึ่งครับนะ สาธุเจ้าค่สะสาธุค okay. ่ะโอเคอันนี้ปฏิบัติบุลาได้แล้วเพจดูว่วใ า, า, วนะาในห้องนี้ทางมันฟอกกันไหมบุลาเช่มีคําถามจากทาง facebook และ youtube ทั้งหมดสิบเอดคำถามเจค่ะคำถามแรกจากคุณสุทุกข์อยู่ที่ใจมีทั้งหมดสองคำถามค่ะคําถามแรกทําไมบางวันภาวนาได้ดีบางวันภาวนาแทบไม่ได้เลยครับมันก็มีสองเหตุด้วยกัน แง่นึก็คือสติของเราพราะว่าเราสติดีก็ภาวนาดีรางวัลสติไม่ค่อยดีก็ภาวนาไม่ค่อดีแง่แค่นี้ก็เลยบางทีเราจะมีเรื่องวุ่นวายมากเรื่องวุ่นวายน้อยอันนี้ก็มีส่วนถ้าวันไไม่มีเรื่องวุ่นวายก็ภาวนาได้ดีแต่ถ้าวันไหนมีเรื่องวุ่นวายมีเรื่องข้างทาดใจเยอะก็ภาวนาก็จะไม่ค่อยดีมันก็มีสองเรื่องด้วยกันเจ่าที่เรา แก้ได้ก็คือเรื่องสติของเราเราพยายามฝึกสติให้เยอะๆเราทําได้แต่เรื่องเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเรานี้่บางทีเราไปห้ามมันไม่ได้นอกจากว่าเราเราปิดตัวออกมาติงตัวออกจากเหตุการณ์ต่างๆไปติดยังไงเพราะงั้นถ้าอยากจะพาวาดีก็ต้องติดตัวออกจากเหตุการณ์ ต, นนรรต่างๆสองแล้วก็พยายามฝึกสติตลอดเวลาติดตัวออกมา คำถามที่สองวันที่ภาวนาไม่ดีจิตคอยแต่จะออกนอกเราควรภาวนาต่อไปไม่สงบก็ช่างหรือว่าควรหยุดภาวนาครับก็ควรมาภาวนาไปเรื่อยๆดีกว่ไม่ภาวนาเน่องไม่ภาวนาก็ยว่องทุ้งสั้นเนี่ยเนื้องการเปนเรื่องใหญ่จะเนไงคำถามต่อไปจากคุณแมวกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์เนืน่องจากเคยได้ยินว่า ท้ายที่สุดแล้วไม่ให้ยึดในอะไรเลยแม้กระทัท่งธรรมอยากทราบว่าที่สุดแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ให้นึกถึงใช่ไหมคะแล้จิตสุดท้ายคะ่ะอถ้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่นะต้องสายต่วดนะเราเวลาขับรไปไหนมา ไ, ไหนพอถึงบ้านเรายังนั่งอยู่ในรถก็ตามใช่ไหมธรรมะก็เป็นมรรคเนีเ่ยเป็นมรรคแปดเนี่ย เออมั่งแปดถ้าเราไปถึงบ้านแล้วถึงนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องปฏิบัติมากงแปดต่อไปคำถามต่อไปจากคุณลำดวนเกิดอาการเบื่อนหน่ายร่างกายตัวเองนั้นเป็นเพราะอะไรคะเป็นอยู่สี่ถึงห้าวันคะ่ะเราเป็นเรื่องของอารมณ์ของจิตใจที่มันยำพันแตกแตกปวนอยู่บางวันก็รักบางวันก็ช่างก็เกิดอารมณ์แปรได้ ให้เรารู้ถันว่ามันเป็นเทงเาอารมณ์อย่ไปลงอย่าไปห ล, ลงตาทำามเบื่อก็เฉยๆไว้ไม่เบื่อก็เฉยๆไว้ให้รู้ว่ามันเป็นเร่องของอารเราไม่หน้าที่ที่จะต้อปฏิบัติอย่างไรกับร่างกายก็ทํางทหน้าที่ของเราต่อไปคำถามต่อไปจากคุณผู้หญิงในชีวิตรประจำวันเช่นล้างจานถูบ้านดูอาการเคลื่อนของกายแต่บางที กลับมาพุโทโธจะผิดไหมคะตอไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้ ว, ลวใช้ได้สลับกันไปค่ะเขาบอกว่าตอนกายเคลื่อนแต่มีความคิดเกิดขึ้นเหมือนเผลอสติไม่ได้รู้ที่กายเคลื่อนจะใช้วิธีดึงจิตกลับมาพุโทโธแต่ถ้าไม่ได้คิดหรือไม่มีอารมณ์ก็จะดูกายเคลื่อนเป็นปกติคะ่ะได้ถูกต้องถ้าดูกายแล้วมันยังไปคิดได้อยู่ก็ใช้พุโทโธหนึ่งครั คำถามต่อไปจากคุณสมชายกลับน้ำมัสการครับผมขอถามผมเดินกลีดยามตอนกลางคืนภาวนาพุทโธไปด้วยแต่สัญญาเก่าเมื่อสี่สิบปีที่แล้วผุดขึ้นมาโดยไม่ได้คิดเป็นแบบนี้ประจำหมายความว่าอย่างไรครับได้ไหมายความว่าอย่างไรสแสดงว่ามันเป็นอากาศมันเรื่องของจิตที่มันสามารถสแสดงอะไรต่างๆขึ้นมาได้ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางนั่นาว่าไม่ที่ยังเฉินแดับไป คำถามต่อไปจากคุณชัดพระอาจารย์ครับทำไมฟังธรรมพระอาจารย์เรื่อยๆแล้วเห็นทุกสิ่งเป็นดินน้ำลมไฟไปหมดเช่นพระเครื่องที่เคยซื้อมาเก็บไว้ห่วงมากๆกลัวการเกิดการมาหลงแบบนี้อีกผมเข้าใจถูกทางแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วทุกสิ่งในโลกนี้มันจะทมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นคำถามต่อไปจากคุณพันชัย ขอถามครับหากมีเหตุต้องเดินทางมีคนพักเราว่าช่วงเทศกาลขับรถดีๆพอดีพี่สาวเหยียบแก้วใจไม่ค่อยดีเขาพูดเสร็จผมเลยระมัดระวังมากขึ้นจิตใจขุ่นมัวทำอย่างไรจิตใจจะผ่องใสและเดินทางได้ปลอดภัยครับก็จะริญสติไปเข้าวุ่นโถวุโมีสองคำถามจากคุณอนัญญา เป็มัศการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามนะคะวันนี้ดิฉันทำความสะอาดห้องพระแล้วเผลอทำองค์พระตกแตกจะบาปไหมคะไม่บาปถ้าไม่มีเจตนาเป็นอุบัติเหตุแต่ถึงถ้ามไม่มีเจตนาก็ก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเป็นของที่เรารักเราเคารพถ้าเราไปทำร้ายพระถือว่าเรากำลังจะเป็นบ้า ิคำถามต่อเนื่องกันคือพระที่แตกสามารถนำไปวางใต้ต้นไม้ได้ไหมคะไม่ควรนะว่าจะใใาการเป็นขยะกับสถานที่ควรจะไปทุ่มให้มันกลายเป็นดินไปเลยดีกว่าแล้วก็โปรยใส่ดินที่ไหนไม่เอาไปสางดินเจอะไรใทาน้อย่าไปสร้างสร้างกองขยะให้กับสถานที่นะั้นบางทีบางทีของเก่าเช่นไอ้พวกอะไร สานทัภูมิพวกตุกตาตุกกตาสารอะต่างๆเนี่ยพอมันเป็นอันหน่อยก็เอาไปกองไว้ที่ใต้ต้นไม้อะไรเนี่ยต้นแห่งต้นโพบ้างต้นอะไรบ้างบางทีก็ไปกองไว้ในวัดกลายเป็นมันเป็นกองขยะที่ดนี่เองขาเมื่อกี้มันไม่มีอะไรมันเป็นวัตถุเพียงแต่เราไปคิดว่ามันเป็นวัตถุมงคลก็เลยไม่กล้าที่จะไปทุบไปทําลายมันจริงทําได้มันเพื่อความเพื่อความสะอาดเรียบร้อยเมื่อไม่สั้น สร้างสร้างปัญหาเรื่องขยะอย่าให้กับสังคมก็เมื่อเราก็เมื่อก่อนเราก็เก็บไม่ได้ทําไมเก็บต่อกันไม่ได้เพราะของเราก็วางไม่เฉยไม่ได้เนี่ถ้าถ้าเราไม่อยากจะวางไว้ก็ทุบให้มันกลายเป็นเศษให้มันละเอียดไปเลยแล้วก็ไปทิ้งหรือว่าถ้าไม่ไก้าทุบก็ขุ ด, ดินสังไปก็นดาจะดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณมนกลับนมัธ ก, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามว่าสนทนานรำสดสามารถฟังย้อนหลังได้ไหมคะได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเปข้าไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเสร็จนีปั๊บก็ยังอยู่ต่อใน o u t u b ไม่อยู่ในเฟ e บ o ๊กเหมือนกันคำถามสุดท้ายจากคุณแสนประนีกลับนมัธ ก, การพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม แล้วพิจารณาความไม่เที่ยงแล้วทําไมถึงร้องไห้รู้สึกเศร้าเจ้าค่ะเพราะจิตยังสง บ, บมากคขบวเบหายัางมีไม่ไม่มากพอเห็นไม่ถึ ง, ม, ถงมีอาการเศร้าเป็นมาได้ัง น, นต้องฝึกสมาธิให้มีอยู่เบิกฐาเยอะๆแล้วต่อไปเวลาพิจารณาความตายพิจารณาการาท่านท่าอยากตายก็จะเฉยได้แสดงว่าจิตยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาเรื่องนี้จาง กลับไปทำสมาธิให้มากๆทำสมาธิทำบุเบขาให้มากๆต่อไปเวลาพิจารณาการตายพิจารณาการสูญเสียการทัดร่าจากการขึ้นเฉยหมดแล้วเหรอรอบสองการมีคำถามเราอยากจะถามตออีกครั้งรัเชิญถามได้มีไหมมีใครเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่มีีมคุณยอหญิงกาลังเข้ามา โ okay, อเปิดหน้าละฮะยอยหินเข้ามาแล้วช่อาจารย์พึ่งเข้ามานล้ค่ะพอ ด, ดีเลยนะฝังต <c oughs> ั้งแต่แกเจ้าค่ะมาสวัสดีเจ้าค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเจ้าค่ะสวัสดีพีใหม่เจ้าค่ะโอเคขอให้สเจริญนะไม่ลำบากเยเจ้าค่ะปลอดภัยขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์แข็งแรงของแรงเจ้าค่าะสาธุ <Okay. S 1> มีใครไหมอยากจะถามอะไรตอนนยังพอเวลาเหลืออยู่มีคุณธนาพลครับธนาพลใช่กดกดอันนี้ใหม่ครับอาจารย์นมัสการ์ค่ะฟ้าค่ะอาจารย์ป้าถามค่ะพอาจารย์คะสมมุติว่า เ, เวลาที่เรานอนกำลังจะหลับอะค่ะเราหลับด้วยสติ อ่าด้วยจะด้วยลมหายใจหรือพุโทโธก็แล้วแต่เนี่ยเราหลับด้วยสติแค่นั้นพอไหมคะเราจะเร า, เราเพอาะไม่มีสติเราสามารถจเจริญมัตตได้หรือเปล่าคะในเวล า, าที่เรามก็เวลาที่ยังไม่หลับก็จเจริญได้คเวลาที่เราจะดูลมหายใจก็เราลองสดายคิดว่าเรากำลัง เ, รเรจเริญมัตตคือสม า, สาทธิคือสตินัน <S <S แต่ทําได้น้อยจังเลยเพราะเดี๋ยวก็หลับ อืมแสดงว่าตอนที่เราหลับนี่เราไม่ได้ไม่ได้ไทำอะไรไวให้จิตเป็นไปตามสละกิเลสจะพอมขึ้นา ม, มาจะคิดเรื่องทรรมกิเลสก็ได้คิดธรรมธรรก็ได้แล้วแต่ฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันแล้ว<อ>จึงฝันไงฝันดี้างฝันไม่มีมากฝันดีก็เป็นเรื่องทรรผลิตขึ้นมาฝันลายก็เป็นเรื่องกิเลสผลิต ข, ขึ้นมา เข้าใจเข้าใจค่ะ<ใจ>คิดว่าสามารถเหมือนกับว่าเคยได้ยินว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เนีเอ่อนอนนอนแต่จริงๆเราไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าน ท, ท่านนอนทุกคนนั่งกายทุกคทุกคนถึงเวล า, าก็ต้องทักมัน<อ>แต่บางบางบางทีท่านอยู่ในอรยบทนอนแต่ยังไม่นอนก็มีท่านสามารถท่านมีสติขแข็งพอที่จะสามารถเจริญมากต่อไปได้ถ้าท่านไม่หลับ ถ้าหลับแล้วก็จเจรินไม่ได้อืมค่ะถ้าอาจะอจะนอนว่าพิจารณาสังขารร่างกายของท่านอยู่ในขณะ น, นั้นก็แล้วมันไม่เทีย่ยมแล้วก็นํำแกต้องเจ็บต้องตายเป็นยีนด้ามุ่งใส่้วเจริญได้ถ้ายังไม่หลับอ๋อโอเคก็คือเป็นการจเจริญต่อ น, นอนแต่พอหลับก็คือจบกันใช่ไหมคะมก็พกัาพากกายก็พักการเจริญไว้ช่วค่ะพอตื่นขึ้นมาก็จเจริญต่อนดโ อ, อเคค่ะ ค่บมือคำถามแล้วเจ้าค่ะแล้วคนนี้ป่ะไม่มีครับคือก่อนนอนผมก็คิดว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่ตื่นก็ไม่ตื่นครับก็ออละเละ น, านานนึกสติไปครับนี่จังไปครับลสบายใจอาจารย์เจ้าคะ่ะอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์คะออบุคคลที่ละศักยาติฐิอะคะ่ะ สักยทิฏฐิคือการที่ยึดยึดในตัวเรายึดในของของเรายึดในตัวของเราเองอย่างเงี้ยค่ะระบุคนโต้ะสักยทิฏฐิแล้วเนี่ยแปลว่าเออ่ถึงแม้ก็จะมีครอบครัวเข ก, ก็ดูแลครอบครัวตามหน้าที่ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารยเขาไม่เป็นทุกข์กับเขาไม่เป็นทุกข์กับครอบครัวไม่เป็นทุกข์กับทรัพย์สมบัติเช้าฟ้องเงินทองมีอยู่ก็อยู่ไ ป, ไปหมดก็หมดไปถ้าอาจารย์แล้วความผูกพันก็ยังดูแลเหมือนเดิมผูกพันด้วยความเมตตา แต่ไม่ได้ถูกพันด้วยจีเลยไม่ไปกังวลไม่ได้ไปห่วว่าต้องไปเดินทางปลอดภัยหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่านั้นไม่ไม่มีมีแต่ว่ามีแต่ว่าเ อ, อมีความเมตตาต่อกันถ้ามีอะไรช่วยเหลือก็ได้ก็ช่วยเหลือก็ไปโดยรายไปแต่สา ม, มารถวางใจให้รักคนอื่นมากกว่าโลกตัวเองเหรอคะอาจารย์ เท่ากันอ่ะมันไม่เป็นไรเรามันเท่ากันนร่างกายของทุกคนเป็นดินน้ำมัไฟเป็นอนิจจามันเหมือนกันหมดไม่ง่ายเลยพระอาจารย์แสดงว่าความห่วงความอะไรเนี่ยในในการที่ละสักยะทิฏฐิเนี่ยตรงนี้ก็ต้องหมดด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์หมดไปควา ม, าามห่งใยไม่มีแต่ความความรับผิดชอบความอะไรนี่มีอยู่มันอน่าง รับบุชาตระหว่งางการเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกให้เหมือนเดิมแต่ไม่ห่วงไม่วิตกไม่กังวลพระอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดคนที่ละสักยัตทิฏฐิได้แล้วเนี่ยอในบุคคลรอบตัวที่เขาจากไปอย่างเนี้ยคนคนนี้ที่เขละสักยัตทิฏฐิได้เนี่ยเขาจะละความอะไรได้ด้วยไหมคะไ ด, ไดไ้ได้เขาเฉยๆกับทุกอย่างกับร่างกายไุกเรไ่อที่เกี่ยวกับร่างกายเขาจะ แม้ร่างก า, ข า, ขายของาก็ยังไม่ถูกไปแล้วะเป็นทุกของร่างกายเขาไหนทําได้โหยากจังเลยพระอาจารย์อบางคนก็คิดว่าง่ายนอยากจะเป็นโซนากันะก <laughs> นะ็ะตือวายไปเราเราเราปล่อยร่างกายเราให้ได้ก่อนถ้าปล่อยร่างกายเราได้แล้วเราปล่อยทุกอย่างได้หมดเลยถ้าสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับวัตถุนะนพระอาจารย์คะแล้วอย่างอ่อ นางวิสาขะที่สามารถรักสักยทิฐิได้ทั้งๆที่ยังคลองเรือนอยู่ยังทํางานอยู่เนี่ยหมายความว่าเราก็ยังต้องดูแลทรัพรย์สินอย่างที่ควรที่จะเป็นแต<ช>่ไม่ก็เหมือนผู้จัดการของบริษัทอะไปๆท่านนั่นเองดูแลไปตามหน้าที่ไปใช่แต่จะขาดถึงกําไรก็ไม่ไปดีใจสินใจทำตามหน้าที่ั้งหมดก็หมดจะยังจะอยู่ก็อ ย, อยู่ไปมีก็เก็บไว้รักษาไป รักษาไม่ได้เป็นจะหลุดก้าเรื่องของวันที่จากทุกทางมันน่าตแต่ก็ยังทําตามหน้าที่ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับได้แต่ว่าไม่เอาใจเข้าไปพบได้ไม่ไปแบกไม่ไปชุกกับสิ่งต่างๆไม่ไปกังวลไม่ไปโหมใหญ่ไม่ไปเดือดร้อนเดือนร้อนใจกับสิ่งต่างๆเพราะมันถือว่ามันเหมือนกับไม่ใช่ของเราใช่ไหมเวลาเราไปทําร้านกับบริษัทบริษัทจัดเจ๊งเราจะอะรแล้วไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ รับสินของบริษัทจะหายอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่จะเดินเข้าตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องทําใจให้เป็นกลางๆใช่ไหมคะการแล้ว ก, ว ก, วก็สอนใจว่าทุกอย่างด้านการลางแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นของเรามไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพีเครื่องมือที่เราเอามาใช้ชั่วคราบนึงเหมืนอนรถยนตกันนึ่ ร่างกายเหมืนกันส่วนเราเป็นคนขับคนขับไม่ได้เป็นลายในการร่างกายคนขับไม่ได้เป็นลายในการรอดเดถ้าจา่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเอคนที่ละศักยทิฐิเนี่ยแต่ก็ยังดูแลดูแลร่างกายให้สวยงามได้หรือเปล่ปาคะหรือว่าเขาจะวางจนแบบให้มันเออยเขายังรัดสวยรัดงา ม, างามอยู่เขาก็ยังไม่ได้ดวิจารณาสุขะต้องขันธาณากรรมถึงแม่แม่ ไม่ไม่ไม่รักสวยรักงามกอดหัวได้อย่างสบายแต่ถ้าสวยามันนี้ยังนักสวยร่างามยังไม่เพราะฉะนั้นกมีมีมีกามอย่ามีกามมกามวันทธาอย่างยินดีกับทุกเสียงกิลมดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะละสักยญายทิฐิแล้วท่านไม่ได้ยึดในความเป็นเจ้าของกายนั้นแต่ว่าท่านก็ยังท่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาสาสุก เอสกนค่ะค่ะก็ยังดูแลมันด้วยความสวยงามได้ใช่มเพราะยังยังยังยังอยางเสรก้ามอยู่เนี่ยยังอยากจะมีแฟนยากอยากจะไปเที่ยวอืแต่เวลาไปเที่ยวพวก น, นี้กลัวตายแ้าเกิดลดการปฏิยัติแค่วิ่งตบ่็ไม่กลัวนะคำว่ะแต่ถ้าพัฒนาพันธมิตรแล้วก็ไม่อยากไปเที่ยวไหนที่เกียดไป ไม่อยากยจงไหเสร็จการไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะอะไรไม่อยากจะทําเท่าทําผมไม่อยากจะไปดึงหนังดึงหน้าดึงตาอะไรฝล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันที่ไม่ดีก็กรผมอะไรที่เกลี่ยที่เกลี่ยผมของที่เกลียจสาผมอะไร เ, นะเป็นพาระยังยังนึกยังนึกถึงพ้าจ่าแล้วอย่างนี้ การล่าศักยญาติ ท, ทิเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่ารักสวยรักงามเราทเรื่องเราทียรเรื่องมันมีห้าสังยอหนห้าตัวเมืองต้นหนาวตัวล่าศักยญาติทิศทำข้อสอบทีละข้อพระอาจารย์้วอย่างนี้เขายังชอบความสวยความงามเนี่ยยังมีอารมณ์เรื่องของความสวยความงามก็แสดงว่ามีอารมณ์ที่อยากจะทําให้คนชอบอยู่หละคะพะอาจารย์ ถ้าเมีการบารราลักษณ์มันยังเหลือเฟือนานถ้าเขายังมีอารมณ์ที่ทําให้คนชอบแล้วก็จะละตัวตนได้ยังไงอะคะก็ละเรื่องความเป็นมรรคตายความเจ็บไข้ได้ปวดความแครได้แต่ก็ยังยังยึดว่าเป็นเป็นตัวเราอยู่สิคะพระอาจารย์ถึงได้ลัวไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนึ ด, นดนถึงแต่ว่าก็ยังก็อยากอยากจะมีแฟนยังชอบร่างกายของคนหนึ่ง เราต้อทำตัวร่างกายตัวเให้สวยคนเทนั้นก็จะได้รักเราเลถ้าเราทำตัวเป็นปีศาจนี่จะเป็นแฟนมีแฟนได้ใช่ไหมเวลาจะไปจิบใแรเนี่ยเราต้องแต่งตัวให้เราสวยๆใชเว า, าจะไปหาแฟนไปเนี่ยไปแต่งตัวเป็นปีศาจนั้วมีจะมีแฟนาไหมจะมาเป็นแฟนเราบ้าอาจารย์แต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าย้อนแย้งอะค่ะเหมือนกับว่าถ้า ถ้าเรามองคนรอบตัวเออ่ว่าเขาจากไปก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรรักรักลูกคนอื่นเท่าลูกตัวเองเอ่าแบบนี้แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าจะทําตัวให้สวยเพื่อให้แฟนมาชอบอย่างเนี้ยมันยังเหมือนมันย้อนแย้งอะค่ ะ, ะอาจารย์หม่คนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเรื่องตายเรื่องพัฒนาจากจากนันรับได้แต่เรื่องสนวนเรื่องงามนีม่ยังละยังยังยังละไม่ได้ยังรักสวยรักนามอยู ก็ะแบ่งเป็นส่วนๆคระอาจารย์ยังไม่ผวเราได้ค่ะแต่ถ้าพอทำเนียเป็นทานาบีแล้วก็ไม่ท่าอะไรเลยร่างกายปล่อยได้ปล่อยให้มันเน้นไม่อน้ำมาท่ากันนะไม่ไม่ไม่มีไม่ปวดหัวก็ได้ไม่อะไรไม่แต่งหน้าทาปากไม่อะไรกัน เขาไม่มีความจําเป็นจะต้องไปมีแฟนมาเพราะเขาอยากจะมีแฟนมาแต่ถ้าอยากจะมีแฟนจะไปจะไปอ่อ ย, อย่มันก็ต้องมีอะไรอ่อยใช่ไหมไมันต้องมีอยู่รอบถ้าโกนหัวไปในเขาวงเอาแล้ว <laughs> มันคนละเรื่องกัน <laughs> คนละเรื่องการมาลาค้านเรื่องหนึ่งแต่กายทิติเรื่องคนละเรื่อง อ๋อแสดงว่าการมาล a k a นี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของสกฤตทิฏฐิอะคะพระอาจารย์ไม่คนละตัวกันสัญลักษณ์คนละตัวกันเป็นสัญลยกษ์คนละตัวกันอ๋อค่ะพระอะาอะจารย์เดี๋ยวหนูจะเอาไปพิจารณาอีกค<ต>่ะถ้าเห็นการมาล akah ต้อเห็นหนักสุภาษเมื่อเห็นตัดตายแทรกโง่แล้วมันก็เลยมันก็เลยที่มันก็ยังไม่สนใจเรื่องความสวยข้างากท่านของเราและของคนอื่นนะถ้วเรา จารณอสุภะของเราเองครับอสุภะของคนงที่เราชอบด้วยมันก็จะละกามาวาคคะนั่นอ า, นะาจารย์คะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เอปลาอพิจารณาอสุภะอาขาอาจารย์ช่วงนั้นก็เห็นก็เห็นภาพเซลล์ในร่างกายเห็นโครงกระดกูกเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็มันไม่เอามาใช้ตอนที่มัน รีบเห็นการทาการบ้านแต่วลาทำข้อสอบไว้ออกมาใช้เพรสอบแบบไหนบางเวลาที่มันจะดูแลช่วยงานก็ต้างอสุภาพเข้ามาสวงย้อนกลับไปได้ว mm hmm. ค, คุณดูแลเฉพาะคุณดูแลสุภาพตอนที่คุณภาวนาสต่พอคุณมาแต่หน้าทาปะคุณก็มันลืมหนักสุภาพนะ <c oughs> คุณไม่ใช่คุณไม่เห็นสุภาพตลอดเวลา้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ได้ค่ะเหมือนนั่นแหละเหมือนหมอหมอหมอห้อเรียนวิชาอนามีแต่พอจบวิชานั้นเาก็มาแต่งงานในแฟนอืม้พราะมานาวิชาที่เาเรียนมามารงับการมาลาภะเพราม่ได้เมาเพื่อมารักษาคนไข้เราก็เหมือนกันแล้วก็ดูสุขภา ถ้าเราคิดว่าเราต้องมาดูวัตถุธะตุดูแล้วก็จบพอถึงเวลาก็ไม่มาพอถึงเวลามามาดูแลง่ายก็รู้ว่ามเป็นวัตถุธาไม่เห็นว่าเป็นวัตถุธาตุแต่เห็นว่ามันเป็นเป็นหนังหนังหนังอ่อห่อเศษขยะเนี่ยห่อกองกระดูกคออะไรมันจะเป็นทำมาให้มันต้องเป็นแต่งเป็นอะไรเป็นทําไมใช่ไหมนี่เราไม่เห็นอย่างนั้นเี่ย ใช่ใช่พระอาจารย์เหมือนกับว่ า, าพิจารณาได้เฉพาะตอนที่เข้ากรรมฐ า, านนั่งกรรมฐานใช่เ<า>มืองเป็นการทําการบ้านแล้วเป็นการเรียนรู้เรื่องสุตตมัจจายาเราต้องเอามาใช้เวลาที่เกิดความอยากจากโศอยากนานว่าพิจารณาสวนกลับไปครับอยากจะมาแต่งให้กองขยะนี่ทํำไมในร่างกายนี่มันมีเต็นไม่ได้แต่ของ หรือขยะยังรู้สึกว่าไม่น่าขยะตปอย่างเท่าของมี่อยู่ในร่างกายที่ไหนใช่ไหมลําไส้ลองดูลําไส้ของเราดิดูกระเพาะดูตับดูไตือข้อกันดูกแสดงว่าใจยังไม่ยอมลงให้อะพระอาจารย์ไม่พิจารณาไม่พอพิจารณาเฉพาะเป็นช่วงๆ<อ>ไม่พิจารณาตอนที่เวลาต้องพิจารณาง่ายๆเวลาเจอทีเด็ดกลับไม่เอาเอาปืนมายิยงมันกลับไปก่อนมันแทน ใช่ไหมใช่ค่ะแาจารย์สุพะประคิรนมาเพราะอยางก็เอาความสวยงามมาชุ่มมันทีใช่ค่ะมีปืนแต่ใช้ไม่เป็นไม่เป็นซ้ำมต่เวลาซ้มในในที่ห้องต้อง้องห้องยิงปืนแต่พอมาเจอผู้รายไม่รู้ปืนไหนเลยไหนล้ว้าไม่เจอกลับไปกอดผู้ร้าย ใช่ใช่ใช่ใช่เลยค่ะว่าอาจารย์ใจยังไม่ยอมลงให้จริงๆริเรายังไม่เข้าใจว่าการพิจารณาปัญญานี่มันต้องตลอดเวลาค่ะเอามาใช้ได้ทันทีทันใดไม่ใช่ว่าไม่ว่าเพียงแต่พิาพจารณาแค่ครั้งครั้ขงของเท่านู้นแล้วนู้นแ้วกายมันอันสุภาพมนุษยแต่เฉพาะตอนที่พิจนารณาเพอพาไม่พิจารณาพับมันกิเลสมันกลับมาย้อนเราทีอืีย้อนรอยหลังจนที่เรามันรู้สึกเจอ บา้านขายเราต้องสวยทำงามนะต้องแต่งหน้าต้องทำนู่นทําผมทําอะไรนะมันมึนประซุภาพเป็นลยมันอาจารย์มันยากทั้งสองข้อเลยค่ะเ <c oughs> นียมันก็เป็น ง, ง่ายงายมันกน็มันก็เป็นโสดามันเป็นนคาอนาคตมันก็นป็นบวชแล้วซิอืมยากมันยากตรงที่เราขี้เกียจไม่ใช่แล้วมันไม่ยากตรงอื่นหรอก ถ้าเราขยานพิจารณาเป็นกรั่งมันไม่ลื่นไม่อย่างก็มันก็สําเร็จนะมันอยู่ตรงนั้นเองถ้าเราพิจารณาหนเดียวได้ถ้าเราพิจารณาต่อไปไม่ได้พิจารณาทั้งวันเลยพิจารณาสุภาพไปทั้งวันเ่ย <c oughs> ยากตรงไหนล่ถ้าเราพิจารณาข้างหนึ่งได้เราต้อพิจารณาข้งต่อไปได้เดี๋ยวเราขี้เกียจแท่านั้นเองอะไรอย่างนี้ กำลังของความรักสวยนั่งแนว ม, มันยังมากกว่ากำลังของความรักกับสุดท้ายใช่ค่ะใช่ค่ะเราคังใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะไปเปกาะทุราลจริงค่ะเยอะทุรไดีกว่าเพราะเราะกันมาตั้งแต่เกิดเรามทำหลายภพหาชาติ<ม>ในการพิจารณาสุดท้า น, นีต้องใช้ใช้ความพยายามมากต้องบังคับต้องคอยบังคับมันอย่างนี้นนน ไม่ชนั้นเดียวเนื่องคนนึ่ก็ยกุ่งอยู่าองานะนะอาจารย์เมื่อสักครู่อนร้อกงเทพเชิญอยู่ที่ไหนฝันไก ร, รกับพลฝันนิวฝั น, น, นสวัสดีครับป้าจยา์ครับว่ามาผมอยู่ชนบุรีครับอยู่อาเภอเมืองอยู่ค่ายนวมินครับมเมือ่อประมาณยี่สิยีย่ิบเอ็ดช่ไหมอยู่มตรบสิบสี่ครับป้าจานัน อันก็อยู่ติดใจคำลอยยืดใช่ครับ mm hmm. ผมเคยบวชสมัยเ อ, อ่ออยุยี่สิบห้านะครับอาจารย์แล้วทีนี้ปวดสี่เดือนนะครับก็ปฏิบัติทุกวันทุกเช้าเลยแล้วตอนสืก อ, ออกมารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อะไรผมก็เลยเหมือนภาวนาวันนั้นนะครับก็เหมือนตั้งจิตว่าเอ๊ะบวดมา ต, ตั้งสี่เดือนนั่งสมาธิทุกวันไม่ได้ไเลยเลยวันนี้ฟังพรอจารนั้นเทศนั่นบอกว่า ให้ยุบหนอข้างหนอถ้าเกิดจะตายก็ให้มันตายไปเล ย, เยจะจัดงานวัดให้อไอ้ผม ก, ก็ก็เลยจ้งจิตประมาณว่าจะไม่ขอลุกออกจากที่นี่จนกว่าจะได้เห็นอะไรนะครับอาจารย์ก็เลยขอนั่งนั่งตายไปเลยอะไรเงี้ยครับปรากดว่านั่งไปแล้วสักพักมันก็ปวดไปหมด น, นะครับอาจารย์ก็ปวดเห็นเวทนามันเกิดดับเกิดดั บ, เ ด, ดบเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับไปออกเห็นไปเห็นมาแล้วมันก็เหมือนสว่าง สว่างขึ้นสว่างขึ้นทีนี้มันก็เหลือแต่ลมหายใจพระอาจารย์ก็ดูลมหายใจแล้วมันผู้มันก็ไปได้ยินป้าล้างจานอยู่เอ๊ะมันมันก็ไปจับป้าล้างจานทีนี้มันกลับมาเอไม่ปวดแล้วมันก็ไปจับตรงนั้นจิตมันก็เหมือนนึกได้ว่าอ๋อมันไปยืดตรงตรงที่ป้าล้างจานมันก็เลยไม่เจ็บมันก็วนไปวนมาจนลมหายใจมันเบาพระอาจารย์จสุดท้ายแล้วมันมันหาไปเลยพระอาจารย์ ลมหายใจหายเหมันไม่หายใจพอไม่หายใจปุ๊บมันก็เหมือนเออมันมีอะไรไม่รู้ครับมันรู้สึกมือนว่าเราออกมาจากจากกายเราอาจารย์แล้วก็มันก็รู้เห็นรู้อยู่มันเห็นร่าง ก, กายมันนั่งมันนั่งสมาธิให้ให้เราเห็นร่างเรานั่งอยู่รู้อยู่แค่นั้นนะอาจารย์แล้วผมก็ตกใจแล้วก็ออกมาเลยครับเพราะไม่เคยเจออย่างนั้นครับและจนทุกวันนี้ ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะาจา่์ผมก็เริ่มเริ่มกลับมาทำใหม่ทุกวันนะครับทีนี้เมื่อเจ็ดวันที่แล้วผมไปนั่งไปปวดเนนเจ็ดวันก็ภาวนาว่าจะไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้อะไรเลยทีนี้มีอยู่วันที่6กนะครับนั่งๆอยู่มันเวทนานักมากมันเหมือนมีใครมาบีกสมองเลยว่าจา่์ เหมือนมันจะให้วางกายมันให้ได้ครับแต่ว่าเราก็กลัวไม่กล้าวางอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตอนนั้นนะครับที่คือทําได้เราวางไม่ได้แต่ว่าเขาพยายามอยู่วอาจารย์มันเหมือนจะจะระเบิดเลยมันบีบมากขอขคำแนะน<ว>รจะอยู่กับถ้าครจะอยู่กับเราอยู่กับพุทโธไม่อยู่กับยุบเนอฟองเนอไปเพียงอย่างเดียไม่ต้องไปกังวลกับอาการเจ็บปวดตครับครับเหมือนเขาทดสอบด้วยการรักก็มันเป็นมันเป็นธาวมารรม ปกติของของมันเนี่ยที่มันจะต้องเกิดสมาธิที่ผมเคยบังเอิญได้ตอนนั้นมันเป็นตอนเรายุ่อยู่เรายุ่งเนาะอ้อมเนาะใจมันไม่เป็นครับอยู่ๆมันหายไปเลยกายมันหายไปเลยว่าจารย์เวลามีสติอยู่กับอะไรทั้งอย่างนี้เดี๋ยวอาการตัางๆก็จะหายไป็นเหมือนเราไม่มีตัวตนเลยว่าอาจารย์มาจิตมันแยกออกมาจ่ตมันว่างมันเแยกออกมานะครับอาจารย์ นะในกาลังสติยุบนาะพองเนาะในดูลมหายใจือพูดโทรเนีย่ยมันเป็นแยงกายมันเหมือนมันเหมือนไม่มีกายเลยว่าอาจารย์ือนแยกตัวเราเห็นเรานั่งเราเราเราเห็นตัวเองนั่งอยู่อาจารย์โ อ, อโอเคนะเวลาใก้กันมือนนั่นเลยส ค, คัมาไปรเรื่อยๆยครับอาจารย์ทไปเรื่อยๆแค่รู้เฉยๆอะไรจะเกิดก็ไม่ต้องไปคำนึนะให้อยู่กับมอยู่กับู้โทรไ่อยู่กับยุบนาพองเนาไป ครับอาจารย์ครับคุณแนเคแคําถามสทานะครขอบคุณมากครับอาจารย์คุณแนคกยต่อไปค่ะคือมีคำถามมาตลอดนะคะพระอาจารย์ว่าความเห็นแก่ตัวกับการรับการวางเบกขามันต่างกันยังไงคะน่นอนแก่ตัวคือการที่เราทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเราเองอย่างเดียวไม่ที่ถึงคนอื่นไม่ที่ว่าสมม้าจะทดใช้เกี่ยวกันหรือต่างๆจะอะ แล้วถ้าเราแ ล, แล้วถ้าเราอยากจะละแบบไม่สนใจปล่อยวางอยากจะทำํำอ่าสติของเราหรือว่าเราอยากจะปฏิบัติอย่างนี้โดยที่ไม่มิจกถึงว่าอย่างเช่นนะคะสมมุติว่ามีลูกหรือว่ามีพ่อแม่พี่น้องที่เขายังเป็นหัวใจงรักเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวไหมคะคือความเห็นตัวที่ได้ไปทําให้คนอื่นเสียหายเราถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวที่ ที่ง่ายจะทําไม่ไม่ไม่ไม่เสียหายหมายว่ยวไปทําอยทําำมาเพื่อประโยชน์ของเราแล้วไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนทําการกระเป๋าของเราทํามันได้ไม่ทำอีกคนก็เสียหายเดือดร้อก็ไม่เป็นไรอืมถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะเสียใจหรือว่าอาจจะแบบยิดถึงเราทําให้เขาเป็นเป็นอันนั้นเป็นกินเลยเขาเองอย่างพระพุทธเจ้าม่นต้องหนีไม่บวชใช่ไหม แล้ว พ, พ่อแม่ก็เสียใจพ่อก็เสียใจก mm ็ hmm. มันเป็นเรื่องของของภาระของแต่ละคนที่จะต้องไปทก ใ, mm hmm. ในมี่สุดก็น้องไปทเดี mm hmm. แต่ไม่ได้ทําเพื่อพอตัวเองทําสำเร็จแล้วกลับมาช่วยค น, นต่อมาช่วยพ่อช่วยแม่ให้มาบวชให้มันยกให้ได้กลับไปได้ อแต่เวลาบางวันบางเวลาเวลาเราต้องทำอะไรเพื่อตัวเราเองคนเดียวก็ต้องทําหั้นเวลาไปเรียนท่องเสียงเราก็ต้องไปเรียนคนเดียวใช่้หมงานอื่นเราก็ไม่ทำหน้าที่เล็กก็เรียนใจแต่พอจบเรียนแล้วเราก็มาหาเนื้อจอมได้นเราก็ต้องต้องมาให้พ่อให้แม่เลี้ยงดูเพรช่วยเหลือคนอืนต่อไปได้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ว่าเห็นแค่ตัวแต่ถ้าแต่ทําแต่ตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่สนใจเลย ตั้แต่แตั้ง แ, แต่เกิดจนตายเนีย่ยเรื่อยมาเห็นแก่ครับอ๋อเพราะว่าก็คิดมาตลอดลว่าเออถ้าเราสมมติว่าเราเราจะละไม่ไม่ทําไม่อยากทํางานเก็บเงินเก็บทองแบบให้มันมจนเกินไปแล้วไปไไปฏิบัติเองได้ไปปฏิบัติเองยกเว้นว่าถ้าเราจะมีภาระอยู่ที่ยังต้องดูแลไม่ต้างทำงานสายเรแล้วก็ละภาวะ น, น, นี้ไมได้ก็ต้องดูแลทําหน้าที่นี้ไปก่อน เอ็มเล็นแบบพ่อแม่ที่การเนี่ยเราเราต้องมาดูพ่อแม่นีย่ยถ้าเราบอกว่าจะไปบวชเนี่ยจะไม่ดูแลพ่อแม่นี้ก็ไม่ถึงใช่ไหมคะค่ะถ้าพอแมเข้าดูแลตัว เ, เอ็มได้ก็ไม่เดือดร้อนเราตายเรื อ, อยู่ก็ไม่เดือดร้อนเราก็วันนี้เราก็าไปไปบวชได้อืะค่ะขอขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วต่อไปเวลาเรามีธรรมะแล้หรือเราก็มาช่วยสอนพ่อแม่ให้ก็มีธรมรมะตาม อ oh, ค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคเอาล้วนะวันนี้พอดีเวลาเข้าหมดพอดีดีใจมากที่สามารถบริาหารเวลาให้คอ้อมครัได้สามชั่วโมงไม้เลยเถิดจะได้จะได้ร่น ไ, ไปนอนวพาเดี๋ยวตีสีลจะต้องตื่นขึ้นมาเป็นตัวออกเป็นบายเองขอให้ท่านจงทำบาสิ่งที่ท่านได้ยินได้สารไปพี่พิจนาะไปปฏิบัติ ก, ก้าวความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด